ทุกคนงงและเริ่มกระสับกระส่ายร้อนใจแต่ภายหลังจากคิดอยู่ชั่วอึดใจเดียวความฉลาดของเชษฐาก็สอนตัวเองว่าเขาควรจะทําเช่นไรบ้างในภาวะเช่นนี้ท่านหัวหน้าคณะร้องสั่งไปยังตาท่าบุญคํำและกลุ่มพลานพื้นเมืองที่กําลังจะทําท่าระสำระสายนั้นทันทีคําสั่งของเขาก็คือทุกคนเฉยไว้เดินไปตามปกติทุกอย่างหมายความว่ายังไงกันนี่สองคนนั้นหายไปไหนหายไปได้ยังไง ดารินกระซิบร้อนรนกับพี่ชายเริ่มเดินเหลียวหน้าเหลี้ยวหลังแต่เช็ดารังแขนน้องสาวไว้ดึงให้เดินเคียงคู่กับเขาไปด้วยอาการปกติน้อยอย่าตื่นหรือทําอะไรส่อพิรุธให้มันเห็นเป็นอังขาดนะสองคนของพวกเราที่หายไป <S <S คนหนึ่งคือ <S <S ระพินอีกคนหนึ่งคืองแง่สายเชื่อสิว่าทั้งสองคนนั้นกําลังมีแผนอะไรสักอย่างที่จะต้องเป็นผลดีกับพวกเราทั้งหมดราชสกุลสาวยังคงประหลาดใจงง ง, งนัน จับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่เช่นนั้นไม่ไม่เข้าใจอะ่ะเดินอยู่ก็รักกัน ด, ดีๆในสภาพที่พวกเราทั้งหมดถูกมันต้อนไปแล้วอยู่ๆทั้งระพินกับแง่ทายก็หายไปได้เฉยๆทั้งสองคนนั้นหายไปได้ยังไงพี่ก็ยังเดาไม่ถูกนะแต่เชื่อว่านั่นจะต้องเป็นลูกไม้อะไรของสองคนนั่นแน่แนๆก็มันคุมพวกเราทุกคนออกแจอย่างนั้นน่ะสมมุติว่าทั้งระพินและแง่ทายจะปลีตัวห่างออกไป ก็จะฝ่าพวกมันไปได้ยังไงแล้วทำไมเขาไม่นัดแนะบอกให้รู้ล่วงหน้าพี่ชายกัดป็นฝีปากเบาๆแล้วสั่นสีสันช้ า, ช า, ชาก็บอกแล้วไงเรายังไม่อาจเดาสิ่งใดได้ถูกทั้งสิ้นแต่เราก็รู้จักคนสองคนนั่นดีอยู่แล้วนี่ว่ามีอะไรพิเศษอยู่ในตัวชนิดที่เราคาดคิดไปไม่ถึงเสมอพี่เชื่อนะว่าทั้งสองคนกำลังหาทางแก้ไขสถานการณ์ร้ายของพวกเราทั้งหมดอาจโดยไม่ทันได้นัดแนะอะไรกันก่อนก็ได้ แล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะบอกให้รู้ตัวแต่เชื่อพี่เถอะเฉยไว้แล้ะกันสำหรับคู่หลังชายันกมามเรียสองคนสามารถยังทราบเท่าทันได้ในทันทีที่เห็นในสิ่งผิดปกตินี้นี่เมย์ทายถูกไหมไอ้สองเสือนะตอนนี้อยู่ที่ไหนชายันกระซิบก็ชื่อว่าปลีกตัวออกพ้นกองทัพธรมนเหล่านี้แยกตัวออกเป็นอิสระพ้นการควบคุมของมันออไปแล้วล่ะ มาเรียกรสิบตอ็เขาทำยังไงนะก็ใช้จิตวิทยาพื้นๆนี่นแหละเดินแยกหมู่หน้าตาเฉย อ, ออกไปฉันคิดว่าก็ททำอย่างนั้นนะแปลกมากแล้วมันปล่อยสองคนนั้นแยกหมู่ไปได้ยังไงก็ทำไมมันถึงจะปล่อยไม่ได้ก็ในเมื่อพวกเราส่วนใหญ่ยังเป็นเชลยของมันอยู่เช่นนี้อะถ้าไม่เชื่อคุณหรือพวกเราคนใดที่เดินกันอยู่นี่ลองทาเป็นเดินถไลออกนอกทาง เพื่อจะปลีกตัวให้พ้นการควบคุมมันของมันดูซิแล้วดูสิมันจะยอมไหมลําพังไพรวันกับแง่สายมันไม่สนใจหรอกบอกให้สองคนนั่นจะคิดหนีตัวรอดไปเลยมันก็ไม่กลัวสําคัญว่ามันคุมพวกเราส่วนใหญ่ไว้แล้วคุณคิดอย่างนั้นเหรอไม่เพียงแต่คิดตัวนะยังกล้าพนันกับคุณได้ด้วยจะดูหมิ่นในสมองด้วยความคิดของพวกมันดิแบบนั้นเรามาลองดูกันไหม ลองอยังไงก็เหมือนเหมือนกับรับพินและแง่าสายนะ่ะหาทางแยกออกจากขบวนให้ล้อมให้พ้นจากการล้อมกรอบจากพวกมันเห็นจะยากนะถึงยังไงเราสองคนก็ไม่ใช่รับพินกับแง่าสายอยู่แล้วนะผมจะลองดูเองคุณเฉยเฉยไปนะแต่วางตัวก็แล้วกันมันอาจเอาคุณถึงตายมาเรียดตื่นชฉยันเดินไปเรื่อยๆ สังเกตสภาพที่ถูกแวดล้อมอยู่รอบกายอีกขณะหนึง่งก็แกล้งเดินแย่เข้าริมทางด้วยอาการทำไม่รู้ไม่ชี้แบบใจดีสู้เสือโดยปะปนไปกับพวกมันเหมือนเช่นที่แงซ า, ายปฏิบัติให้เห็นครั้งแรกพวกมันก็ไม่สนใจอะไรนะักและชยันก็เริ่มทวงฝีเท้าเพื่อจะทิ้งตัวเองให้ตกอยู่เบื้องล่างห่างออกไปทุกทีทันใดนั้นเองไอ้หัวโจกที่เดินคุมอยู่เบื้องหลังก็หันไปพบมันแสดง อาการเอาเรื่องขึงขังขึ้นทันทีกระโจนพรวดออกไปแยกเขี้ยวส่งเสียงขู่ตะคอกทำอาการเหมือนจะหักคอเขาซะถ้าหากเขายังเดินถลายเรื่อยเปืน อ, ออกนอกเส้นทางที่กำหนดของมันทำเอชยันต้องชะงักสมุดดาอุบอิบตับเข้ามาเดินเคียงกามาเรียตามเดิมแม่มสาวกัดรึมฝีปากกลั้นหัวเราะเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่เชื่อนี่แปลว่านอกจากระพินกับแง่ทรายเพียงสองคนแล้ว มันจะไม่ยอมปล่อยเราคนใดทีเดียวเหรอแน่นอนผมหรือใครก็ตามในคณะของเรามันแตกต่างไปจากเระพินหรือแงใสยยังไงมันถึงได้ยอมให้สองคนนั่นนะปรีตัวแยกออกไปได้แต่ที่คนอื่นละมันไม่ยอมว่าฉันบอกคุณแล้วไงว่ามันยึดเอาพวกเราทั้งหมดนี่แหละเป็นตัวประกันลํำพังแงใสกับพานใหญ่จะแยกตัวไปมันก็ไม่สนใจที่จะขัดขวางเลยใดทั้งสิน้นเพราะมันรู้อยู่แล้ว ว่าทั้งสองคนน่ะมีพิษสงอะไรกับพวกมันไม่ได้แน่ราบใดก็ตามที่เราทั้งหมดยังตกอยู่ในการควบคุมของมันแบบนี้หรือถ้าทั้งสองคนจะหนีตัวรอดไปมันก็คงไม่สนใจเช่นกันส่วนในข้อที่ว่าเหตุใดเฉพาะรบพินก์กงแย่ทรายเพียงสองคนเท่านั้นที่พวกมันปล่อยเขาปลีกตัวออกไปได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอานาจจิตลึกลับเฉพาะตัวซึ่งเราอย่างรู้ไม่ได้ สองคนน่าอาจมีอํานาจจิตอันกล้าแข็งหรือมีเวทมนต์อันลึกลับทําให้มันไม่อาจยุ่งเกี่ยวด้วยก็ได้ใครจะรู้เราก็เห็นกับตามมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับความลี้ลับในป่านี่ทั้งสองค น, น, นทําปาฏิหาริย์ได้แปลกๆเสมอแต่ครั้จะไปสอบซักเอาความให้แน่ว่าเขาทาได้ยังไงทั้งสองคนก็อธิบายกับเราไม่ได้เหมือนกันแต่ทั้งหลายเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันวิเคราะห์ว่ามาจากอํานาจพลังจิต แล้วความชํานาญต่อสัญชาตญาณของสัตว์ทุกชนิดของเขานั่นแหละชัยยันหันไปชำเลืองมองไอ้จ่าฝูงที่เดินคุมเชิงอยู่เบื้องหลังแล้วถอนใจฮื้นไม่ไอ้เปรตที่เดินคุมหลังเราอยู่นี่บอกตรงๆนะผมไม่ไว้ใจมันเลยไอ้ตัวไหนๆก็ล้วนไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละชัยยานันตราบใดก็ตามที่เรายังไม่อาจรู้ได้ ว่ามันต้องการอะไรจากพวกเราผมไม่ได้หมายความถึงอื่นๆแต่หมายถึงคุณโดยเฉพาะมาเรียขมวดคิ้วทำไมเหะชายันหัวเราะหึก็สงสัยว่าไม่ช้าก็เร็วผมกับมันคงต้องฆ่ากันตายไปข้างหนึง่งแม่สาวเบิกตาสีดอกผักตบคิดอยู่ครูอิจใจก็ทันความหมายของชายันยิ้มออกมาขันขัน ว่าทำไมคุณถึงจะต้องฆ่าที่มันฆ่าคุณด้วยแล้วก็ทนเห็นคุณมีผัวไปลิงไม่ได้สิมาเรียหัวรอกิ๊กๆ ๆ, ๆ, ๆเหลียวไหลนี่ชายแดนแล้วก็อัปมงคลในความคิดเหลือเกินมีเท้านะคุณอย่าทําเป็นหัวรอกิ๊กๆไปผมสังเกตเห็นมาตัแต่ต้นแล้วถึงตอนนี้มันก็จ้องคุณทางด้านหลังตาเป็นมันทีเดียวเสื้อผ้าของคุณเปียกรัดรูปแม่งดูเหมือนไม่ได้สวมอะไรเงรินเลย ใจดีอะผมว่าคุณพยายามห่างมันไว้มากมากดีกว่าขึ้นไปเดินปะปนรวมหมู่กับพวกพรานพื้นเมืองสัทีเถอะผมจะเดินกันด้านหลังตัวเองตอนที่มันตะครุบคุนขึ้นแบกบาขั้งแรกอะผมก็เกือบจะยิงมันซะละเคราะห์ดีนะที่ไงาสายปัะปนซะทันอดีตพัญญาสาวของดรฮอฟมันผู้ทรงสเสน่ห์หันมองหน้าครับลินฝีปากไายอยู่ด้วยรอยยิ้มยากจะอ่านความหมายนี่ คุณหึงหวงฉันแม้กระทั่งสัตว์ประเภทลิงทีเดียวเหรอชัยันขยี้จมูกอย่างหุดหงิดไม่ได้หึงหวง ห, วงหรอกแต่ว่าเป็นห่วงนี่คุณอยากจะมีสัมพันธ์สวัสดกับมนุษย์ผู้ชายสักกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่น่าวิตกนักนะคุณเองเป็นนักสตวสาวศาสตร์ผู้ชำนาญพิจารณาโครงร่างและสรีระของเจ้าลิงประเภทนี้สักก่อนสิแล้วคุณจะรู้ว่าที่พวกเราทุกคนห่วงคุณในเรื่องนี้มีเหตุผลมาก มันผิดขนาดกันเหลือเกินนะมะเทียบกับมนุษย์ d o n เดินอ e ู่ซีอิสไลอาฮอสมาเรียยักไหลเอียงหน้าเข้าไปจ่อริมฝีปากชิดหูชัยยัน but I like a horse ทาเอาชัยยันถึงก็ตาเหลือกร้องออกมาอย่าล้อเล่นนะเมถึงขั้นตายทีเดียวใช่ไหมขนนั้นก็ได้แตฉันไม่ตายหรอกถ้าความจำเป็นชนิดนั้นมาถึงจริง เป็นไปไม่ได้อ่เมเป็นไปได้สิชยันฉันมีวิธีของฉันก็แล้วกันแล้วว่าคุณจะยอมมันเถอะก็ถ้าวิธีนั้นจะช่วยพวกเราทุกคนรอดตายและจะได้สัมภ า, าระของเรากลับคืนมาทั้งหมดนรกจกกักบเปรตเพื่อจะรู้เดี๋ยวนี้เองในบรรดาอาการเซ็กชวลดี a t ช o n ของคุณมีอาการประเภทเบสติ l i t y ปนอยู่ด้วย ฉันบอกแต่เพียงว่าฉันไม่กลัวเท่านั้นจะถึงกับให้ต้องไปนาการของจิตภาพชนิดนั้นไปด้วยทีเดียวเหรอเคยมาก่อนนะคุณอ่ะเคยแหละก็เบสทิลิตี้ไงไม่เคยอ่ะแต่อยากจะลองอยู่เหมือนกันถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ชยันยกมือขึ้นตบหน้าผากตัวเองโอ้กอดเฮลลี่เขาแข็ง ระพินไพยวันตัดทางจากเส้นดานลงสู่ป่าโปร่งสลับไปด้วยโคทินแยกลงสู่ด้านขวามือโดยทางลัดชนิดนี้เขาหวังที่จะได้พบเห็นขบวนของฝูงวานอนที่คุมพักพวกไปผูออกเอาปากทางของลูกเนินด้านที่นำลงสู่ทุง่งและจะเลยเห็นการเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างขนาดตาที่สุดโดยการแยกตัวห่างออกมาเป็นเอกเทศทางมุมหนึ่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทุ่งราบนั้น การเดินของเขาเป็นการก้าวส ก, กัดไปดักหน้านั่นเองท่านใดนั่นเองระหว่างตัดลงทางราบตามยางแข่งกาเวลาก็เหลือไปเห็นใครคนนึงนั่งขวางดักทางอยู่ก่อนแล้วบนแง่หินเป็นการนั่งสงบอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวดูเหมือนจะมองเห็นเขาก่อนด้วยซ้ำเจ้าคู่ปรับแง่ใส่ของเขานั่นเองจอมทานเร่งฝีเท้าไต่ทางตรงเข้าไปหามันโดยเร็วไปยังไงมายังไงกันดีแง่ใาย นี่กระปลีกรัวมาจากฝูงของมันได้ยังไงล่ะลก็พวกกองนะครับกระพินอึ้องไปขนาดจิตหนึ่งจ้องหน้าแง่ทายคำิ ง, งฉันก็หยุดยืนอยู่กับที่เฉยๆปล่อยพวกมันเดินคุมพวกเราเดินผ่านเลยไปจนหมดแล้วก็เดินตามหลังมันมันนี่แหละกไม่นึกเลยนะว่าจะมีแกอีกคนนึงปริกรัวมาพ้นการควบคุมของมันได้ออกมาได้ยังไงผมก็เดินเลี่ยงออกจากเส้นทางด่าน ไวทุกคนเดินเข้าข บ, บวนกันไปตามปกติผ่านมันมาทั้งฝูงโดยที่มันไม่ได้สนใจกับผมเลยแล้วมีพวกเราคนใดทําอย่างไกอีกบ้างไหมเราพินถามเร็วหรืออย่างร้อนใจเจ้ากระเรียงโฉมงามผู้ลึกลับสันฉิสระ ช, ะ ช, ะชะ้าๆผมไม่ทราบครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงทําตามผมอถ้างั้นก็แปลว่ามีเราเพียงสองคนเท่านั้นที่ออกมาอยู่เป็นอิสระวงนอกของพวกมันได้ จะวางแผนไว้แล้วหรือยังล่ะว่าจะเอาอยัางไงผู้กองนะครับเงซสายย้อนถามหน้าตายตามเคยฉันก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันผมก็เหมือนกันครับรู้สึกแต่เพียงว่าถ้าผมปลีดตัวมาพ้นรัศมีการควบคุมของมันได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อะไรกับพวกเราที่ตกอยู่ในที่ล้อมของมันบ้างแต่ขณะนี้ยังมืดมนเหลือเกินผมแน่ใจว่าจะยังไงซะ ผู้กองก็จะต้องหาทางปรีตัวนอกการควบคุมของมันอย่างเดียวกับผมก็เลยนั่งดักรอพบอยู่ตรงนี้แหละครับจอมพลานถอนใจเฮือกขณะที่เอื้อมมือไปตบไหล่เงาทรายหนักหน่วงเงาทรายฉันไม่เฉลียวคิดรู้ล่วงหน้าแม้แต่นิดเดียวนะว่านอกจากฉันแล้วจะมีแกอีกคนหนึ่งที่หลบออกมาได้แต่แกกลับรู้ทางฝ่ายฉันแล้วก็ดักพบอยู่แถวนี้ ป่นนี้พวกเราทั้งหมดจะรู้แล้วหรือยังว่ามีเราสองคนหลบมาได้ผมคิดว่าคงรู้แล้วครับนายใหญ่น่ะไหวดีมากตอนที่ผมหลบออกนอกทางได้ยินเสียงนายใหญ่ร้องบอกทุกคนให้เดินกันไปเป็นปกติอืมนั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแนละ้วจอมพลานว่าพร้อมกันเหลียวไปมองป่ารอบๆซึ่งบัด น, นี้เปลี่ยวเปล่าเงียบเชียบเห็นหน้ากันอยู่เพียงสองคน ลำพังเขากับเจ้าสหายศึกแห่ทายเท่านั้นเสียงการเคลื่อนกองทัพของฝูงธรรมลซึ่งล่วงหน้าลงสู่ที่ราบตําเบื้องล่างดังแว่วขึ้นมาได้ยินจังๆฉันยังมองไม่เห็นทางอะไรเลยทั้งสิ้นนะแม้ว่าจะมีเราสองคนแยกออกมาได้ก็ตามการที่มันยอมปล่อยให้ฉันกับแกออกมาได้สองคนเหมือนจะบอกให้รู้ว่าถ้าเราจะหนีเอตัวรอดก็เชิญตามสบายแต่ถ้าไม่หนี โดยเห็นว่าชีวิตของพวกเราส่วนมากยังมีค่าอยู่เราก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของมันโดยปริยายผมก็คิดเช่นเดียวกับผู้กองครับมันรู้ว่าเราสองคนไม่ได้ถือไพ่อยู่เหนือมันเลยแม้จะออกนอกพ้นการควบคุมของมันก็ตามจะ แ, แย่งเอาพวกเราอีกสิบคนคืนมาก็ไม่สามารถทําได้จะต่อสู้หรือโจมตีก็เท่าตาให้มันฆ่าพวกเราทั้งหมดและหลวงไยแม้จะปล่อยเราออกมา มันก็คงรู้ว่าเราต้องตามมันไปอยู่ดีแต่ผมคิดว่ายังมันยังไม่ฉลาดนักหรอกทำไมอะแงสายไม่ตอบในขณนะนั้นแต่ลุกขึ้นยืนจากก้อนหินที่นั่งอยู่อย่างจะเย็นนั้นพยักหน้าเป็นความหมายให้เขาเดินตามลงไปยังบริเวณพงไม้ในระหว่างก้อนหินหมู่หนึ่งแล้วชี้มือให้ดูลงไปยังพื้นอันอุดมไปได้วยกรวดและใบไม้แห้งเหล่านั้นผานใหญ่พุ่งสายตาลงไปห็น ลืมตากว้างมองแง่ายกับสิ่งที่เห็นสลับกันอยู่เช่นนั้นกับริมฝีปากแน่นแล้วค่อยๆตรงเข้าไปเขาซึกตัวลงสำรวจพิจารณาสิ่งนั้นเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแง่ายเข้ามาย่อนกายคุ๊บเข่าอยู่ตรงหน้ามันคือดอกสอนติดระเบิด TNT สมดอกซึ่งมีลักษณะซึ่งลักษณะของมันถูกไอลิงเจ้ากรรมฝูงนั้นเวียงทิ้งอย่างปราศจากการสนใจแยแส สองดอกยังบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งลนตะแคงอยู่ส่วนอีกดอกหนึ่งกระเด็นออกมาพ้นที่เก็บหล่นอยู่กับพื้นใก ล, ล้ๆเอ๊หายความว่ายังไงกันนีพรานใหญ่พูดออกมาด้วยเสียงกระซิบมันก็ออกปืนและของทั้งหมดของเราไปซ่อนไวทไ้ที่ใดที่หนึง่งแต่ลูกธนูเหล่านี้แยกอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากจากกองสัมภาระของเราฉันนึานว่าครั้งแรกก็คงถือติดมือมาด้วย แต่แล้วมันคงรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยเหวี่ยงทิ้งอย่างไม่สนใจไว้ตรงนี้ลักษณะก็ไม่น่าจะเรียกความสนใจจากมันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงกระบอกไม้ไผ่และก้านไม้เท่านั้นสําหรับสายตาของมันนี่จะมาพบตั้งแต่เมื่อไหร่นี้ยกหยกนี้เองครับก่อนที่ผมจะไปนั่งรอผู้กองอยู่ตรงก้อนหินนั่นผมเดินแยกออกจากขบวนของมันวกอ้อมมาทางนี้เห็นเข้าโดยบังเอิญที่สุดครับ ใบหน้าอันเครียดคลั่ของจอมพ่านบัดนี้เต็มไปได้วยข้าวแห่งความหวังเขาหยิบดอกหนึ่งขึ้นมาตรวจพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนที่สุดแล้วก็ตรวจไปยังอีกสองดอกคลางออกมาอย่างปิติว่าแง้ทรายนี่มันยังใช้ได้ดีทั้งสามดอกนะอว่าแต่คันธนูล่ะคงจะติดไปกระกรสัมภาระส่วนใหญ่ของเราด้วยละครผู้กองผมจำได้ว่าเมื่อเราเลิกใช้คันธนูลันแล้ว ผมก็ปลดสายออกยึดคันออกเป็นไม้ท่อนตรงและมัดรวมติดกะไม้คานสสำหรับหับของเมื่อมันหับของของเราไปคันธนูก็คงติดไปด้วยลวะแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีนะเนี่ยแผ่นใหญ่พึมพำเหลียวไปรอบๆ อ, อีกครั้งอย่างกระสับกระสายการพบดอกธนูติดระเบิดโดยบังเอิญซึ่งเจ้าลิงดาพวกนั้นโยนทิ้งไว้อย่างไม่สนใจมันหมายถึงว่าอานาจบางส่วนที่สูญเสียไป กลับคืนมาแล้วแม้จะไม่มีหลักประกันอะไรให้หวังได้มากนักแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีความหวังใดๆซะเลยต่อไปนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาเท่านั้นที่จะเลือกโอกาสและเหตุการณ์ใช้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่จะทําได้เพราะลำพังปืนกับกระสุนที่อยู่ในวงจำกัดไม่สามารถจะช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยจนนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับพลังพลันมากมายของกองทัพธรรมน์เหล่านั้น แต่นาดของระเบิด TNT ซึ่งติดอยู่ยังปลายธนูทั้งสามดอกน่าจะมีอิทธิพลให้พวกมันแตกตื่นเกรงกลัวขึ้นมาได้บ้างจากอนุภาพทำลายอันรุนแรงและกำปนาดของเสียงเประดุดปืนใหญ่นั้นสำคัญจะเลือกเวลาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่เท่านั้นทั้งสองแลตากันนิ่งแงาซายก็คงเผชิญอยู่กับปัญหาเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันในข้อที่ยังนึกไม่ออกว่าจะใช้ระเบิดทั้งสามลูกนี้ ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างไรในภาวะเช่นนี้ผู้กองครับถ้าผู้กองคิดว่าการที่เราขาดคันธนูจะกลายเป็นปัญหาสําคัญก็ผ่านพ้นข้อ น, นี้ไปได้ครับแถวนี้มีต้นไผ่และหวายพอที่จะดับแปลงได้อย่างกระทันหันผมขอเวลาเหลาคันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเดินไปเหล่าไปก็ได้ครับอาจไม่ดีเท่าคันเก่าที่ทําไว้อย่างประณีตแต่ผมรับรองว่ามันพอที่จะส่งดอกธนูไปได้เมื่อถึงคราวจําเป็น แกแน่ใจเหรอแงซายแน่ใจครับรบพินไพรวันเก็บดอกธนูเข้ากระบอกส่งให้แงซายแล้วสั่งเร็วปรึถ้างั้นก็อย่าเสียเวลาแม้แต่ใจเดียวแงซายแกเอาดอกสอนพวกนี้ติดตัวไว้ก่อนแล้วไปจัดการหาไม้ไผ่ทําคันธนูเดี๋ยวนี้ฉันจะไปคอยแกอยู่ที่ปากทางก่อนจะลงทุ่งข้างล่างนนเพื่อส่งสัญญาณให้พวกเรารู้แกหาไม้ไผ่ด้วยเสร็จก็รีบไปพบฉันตรงนั้น แล้วเราจะหาหรือกันอีกทีทั้งสองพละแยกจากกันโดยเร็วแงน่สายคว้ากระบอกสอนขึ้นสะพายไหลตัดทางหายเข้าไปในละมอ่อไม้ด้านหนึ่งกระพินก็ออกวิ่งลงไปตามทางลาดชันนั้นแล้วปีนขึ้นไปบนยอดหินสูงตรงบริเวณปากทางก่อนจะนำออกสู่ที่ราบโล่งของทุง่งหญ้าโดยตำแหน่งนี้เขาสามารถมองเห็นกองทัพทางอลเคลื่อนตัดไปในทุ่งหญ้าสีเขียวขจีแลเป็นทิวเหมือนเส้นเดินของพวกมดดา บ่ายหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือกลางข บ, บวนสีดำนั้นพอจะสังเกตกลุ่มเฉลยมนุษย์กลางที่ล้อมได้จากสีสันของเสื้อผ้าที่แตกต่างออกไปจากสีขนอันดำสนิทขณะนั้นแดดตอนใกล้เที่ยงแผ่จ้าสว่างสวัยไปทั่วปริมณฑลทัศนวิสัยรอบด้านกระจ่างแจ้งและเต็มไปด้วยความร้อนอา้าวจอมพลแง น, น่สังเกตดวงตะวัน และดึงมีดโบวีที่อยู่ในซองข้างเอวออกมาตัวมีดทำด้วยสแตนเลสสตีลทั้งอันกระทบแสงแดดส่องสะท้อนเป็นประกายวับวับเป็นมุมรับแสงสะท้อนฉายสัญญาณเป็นรหัสมอสไปยังกลุ่มของพักพวกซึ่งพากันเดินอยู่กลางทุ่งห่างออกไปประมาณสี่ห้ารอยเมตรนั้นทันทีดูเหมือนบุญคำจะสังเกตเห็นแสงสะท้อนประหลาดซึ่งฉายมาจากที่ใดที่หนึ่งรงชายเนินที่ผ่านพ้นกันออกมาแล้ว เป็นคนแรกจรึงชี้มือบอกนายดูนีน่แสงคล้ายๆใค ร, ใค ร, ใครสองกระจกกับตะวันฉายมาที่เราทั้งหมดหันขวับไปสังเกต ท, ทันทีแล้วเชษฐาก็ร้องออกมาว่าจริงๆด้วยนี่มันสัญญาณนี่ไม่มีใครรับพินแน่อ่านดูสิชัยยันพรานใหญ่ของเราส่งข่าวอะไรมากระมังชัยยันเบิกตาเจ้าพยายามสังเกตแสงสะท้อนวูบว่าอันมีจังหวะสั้นยาว สลับกันนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจครั้งแรกก็นึกว่าตาฝาดไปแต่แล้วก็บังเกิดความแน่ใจขึ้นทันทีเมื่อแสงนั้นปรากฏติดต่อกันอยู่หลายๆครั้งใช่แล้วระพินอดีตนายทหารปืนใหญ่อุทานออกมาอย่างยินดีรีบควานหากล่องบุหรี่โลหะที่ติดกระเป๋าเสื้ออยู่ขึ้นมาเปิดออกรับกับแสงตะวันแล้วฉายเป็นสัญญาณต่อไปเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่าบักนี้ ฝ่ายของตนรู้แล้วและกำลังรอฟังข่าวอยู่เมื่อนั้นเองรหัสสัญญาณตามระบบสื่อสารสากลก็ส่งความมาทันทีทุกคนเห็นชัยยันจ้องผสมอ่านอยู่ในใจครูใหญ่ก็ร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวว่าฮ้าทำไมชัยยันเชิดถาดารินและมาเรียร้องถามเป็นเสียงเดียวกันรรบพินพบกับเนย์ซายแล้วและบอกมาว่า พบลูกธนูติดระเบิดของเราด้วยมันทิ้งอยู่ที่ป่าเตยเนินก่อนจะลงทุกนี่เองความตื่นเต้นบังเกิดขึ้นกับคณะทั้งหมดในทันทีเป็นความจริงเหรอือเชยันท่านหัวหน้าคณะก้าวพรวดเข้ามาชิดตัวสหายของเขาผู้ยังจ้องเขม็งอยู่ที่สัญญาณแสงสะท้อนนั้นจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่แผนใหญ่ของเราเองแต่ฉันรับรองว่าแปลสัญญาณไม่ผิดแน่นั่นไง เาบอกซ้ำข้อความเดิมมาอีกแล้วเหมือนจะเกรงว่าทางฝ่ายเราจะไม่เข้าใจอย่างนั้นแหล ะ, ะ, ะต่อไปเร็วว่าเรารู้เรื่องแล้วแล้วถามไปว่าเขาจะเอาอยัางไงชัยันฉายแสงตามคำสั่งของเชื้อาไปทันทีแล้วก็ได้รับคำตอบซึ่งชัยันอ่านช้าๆทีละคำให้ทุกคนรับทราบว่าเดินต่อไปเป็นปกติกําลังตามมาห่างๆคอยสังเกตสัญญาณติดต่อด้วยเลิกกันก่อน สัญญาณแสงถูกตัดหายไปเพียงข้อความแค่นั้นทั้งสิบคนคงเดินไปในการควบคุมของกองพันวานอนเหล่านั้นโดยไม่ทำอะไรกระโตกกระตากให้เป็นที่ผิดสังเกตของพวกมันและสัญญาณแสงที่โต้ตอบกันก็ไม่เป็นที่สนใจหรือเฉลียวรู้ของเจ้าพวกทรมนูใครใดๆทั้งสิ้นมันยังไม่ฉลาดพอที่จะทราบว่ามันเฉลยมนุษย์ในความควบคุมของมันมีการติดต่อส่งความกันไปได้กับอีกคนหนึ่ง ที่มันปล่อยให้พ้นสายตาออกไปทั้งหมดแปลแถวจากการเดินเรียงสองกลายเป็นเดินจับหมู่เป็นกลุ่มอย่างใกล้ชิดกัน ท, ทันทีเพื่อโอกาสที่จะซุบซิบหารือกันจากข่าวใหม่อันน่าจะเป็นผลดีซึ่งได้รับยังไม่คาดฝันมาก่อนนั้นระพินไม่บอกเละว่าเขามีแผนการยังไงอะดารินถามอย่างร้อนใจก็ยังไม่เห็นบอกอะไรมากไปกว่านั้นนี่นอกจากให้เดินกันไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าจะตามมาทุกระยะ ยังคงตัดสินใจอะไรไม่ได้แน่นอนเหมือนกันพี่ใหญ่คิดว่าการที่ระพินกระแงทรายได้ถนูติดระเบิดของเราคืนมาในสภาพเช่นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาไหมคะหลอนหันไปถามพี่ชายด้วยสีหน้าและอาการที่เต็มไปได้วยความกังวลมีนะ่ะต้องมีแนะ่เพราะนั่นหมายถึงอำนาจของเราเพียงแต่ต้องเลือกใช้ให้มันถูกกับสถานาการณ์เท่านั้น ส่วนยังไงถึงจะเรียกว่าถูกกับสถานการณ์พี่เองเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันหวังว่าทั้งสองคนนั่นคงไม่ทําอะไรโง่โง่ขึ้นนะแทนที่เขาจะช่วยเราเดี๋ยวพวกเรากลับจะต้องมาตายกันหมดหรอกมารียเอ่ยขึ้นด้วยความวิตกกังวลพอๆกระดารินรันเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังคอยสังเกตภูมิประเทศแวดล้อมไปตลอดทางทำงโ ง, โงยังไงชยันถามอ้าว ก็นึกว่าอำนาจระเบิดจะทำให้มันเกรงกลัวแตกพ่ายไปได้โดยใช้วิธียิงผ่าก็มากลางฝูงนิ่ น, น่ะสิจิงยูพวกมันอาจตายย่อยยับแต่ที่เหลือก็คงมีจำนวนพอที่จะฆ่าพวกเราทั้งสิบคนนี้ได้ภายในพริบตาเหมือนกันเชษฐาสันสีสักเมย์คุณพูดเหมือนกับว่าไม่รู้จักระพินกับแองสายงแหละทั้งสองคนอรอบคอบที่สุดและในวิกฤตการณ์ของหมู่คณะเช่นนี้เราต้องยอมรับ ว่าทั้งคู่นะ่ะมีไหวพริบความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพวกเราซะอีกผมมั่นใจอย่างเต็มที่นะว่าถ้าเขาลงมือปฏิบัติการอะไรลงไปจะต้องไม่พลาดเลยพระพินกับเงซายฉลาดจริงเขาจะต้องไม่ใช้ธนูติดระเบิดเป็นอันขาดแม้ว่าจะมีอยู่ในมือแล้วเช่นนี้ก็าตามหมายความว่ายัางไงฉันมั่นใจนะพี่ใหญ่มาเรียตอบแผ่วเบาขณะที่รีตา มั่นใจว่าสันติวิธีและไมตรีมิตรภาพเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ไม่ใช่การใช้กำลังมันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูกับเราในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าคิดจะเป็นศัตรูกันเมื่อไหร่มันจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยไม่มีทางเอาชนะมันได้เลยเชื่อเถอะค่ะมันเพียงแค่ประสงค์อะไรจากเราสักอย่างเท่านั้น ซึ่งก็ไม่เป็นไทยกับพวกเราแน่นอนไทยวันกงางแงซายได้ธนูติดระเบิดคืนมาก็จัดว่าเป็นการดีที่สุดแล้วเขาควรจะคุมอำนาจในกำมือชนิดนั้นไว้เฉยๆเพื่อรอดูท่าทีของมันจนวาราสุดท้ายไม่ควรจะทำอะไรในขั้นแตกหักลงไปซะก่อนเขาต้องไม่ลืมด้วยว่าลําพังธนูติดระเบิดนะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นมาได้เลยกลับใบก็าตามที่สัมภาระส่วนใหญ่ของเรา ยังไม่ได้คืนมาครบถ้วนต่อให้เราขัดไส้หรือทำให้มันเกรงกลัวจนแตกหนีไปหมดแต่เราก็อดจนสิ้นท่าอยู่นั่นเองในเมื่อขาดปัดใจจัยในการดำรงชีพซึ่งตกอยู่ในกำมือของมันโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนทุกคนงันไปและเห็นจริงด้วยตามเหตุผลของมารีเราฝากชีวิตไว้กับเขาตลอดแล้ว ในที่สุดท่านหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงสุดแล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินใจดีกว่าพวกเราในขณะ น, นี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือทําตามคําสั่งของเขาเท่านั้นบางขณะบางสถานการณ์เราจําเป็นต้องมอบการชี้ขาดไว้แก่เขาเป็นคนเดียวดังนั้นจึงไม่มีใครมีข้อวิตกวิจารณ์ใดๆขึ้นอีกนอกจากจับกลุ่มเดินกันไปด้วยอาการสงบและระวังตัวแจ่พร้อมทุกขนาดจิต ที่จะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันยังไม่สามารถทํานายได้ถูกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้ชัยันคอยหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีสัญญาณใดๆส่งมาจากระพินอีกบ้างหรือไม่ดาริงกําหนดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าหล่อนมีกระสุนปืนทั้งไรเฟิลและปืนสั้นอยู่กี่นัดและถ้าเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลกันขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนอันเนื่องมาจากระพินกับแงสายยิงธนูติดระเบิด เข้ามากลางฝูงหล่อนจะหาทางหนีเอาตัวรอดเช่นไรแต่พี่ชายอ่านสีหน้าและความรู้สึกของน้องสาวออกกระซิบบอกให้ทราบว่าทั้งพลานใหญ่และเจ้าองครักษ์พิเศษของหล่อนคงไม่ทำอะไรบุ่มบามโดยไม่นัดแนะให้ทราบเป็นอันขาดอย่างน้อยที่สุดก่อนจะลงมือปฏิบัติการอย่างใดลงไปก็คงจะต้องส่งสัญญาณเตือนให้ทราบซะก่อนส่วนมาเรียนนั้นเดินทอดระยะห่างลงไปข้างหลัง พยายามทอดไมตรีตีสนิทกับเจ้าตัวจ่าฝูงที่เดินมาใกล้อีกครั้งเพื่อย่างดูท่าทีของมันซึ่งก็ได้ผลอย่างดีไอ้นิลเพชรไม่ได้แสดงอาการดุร้ายอะไรกะหล่อนทั้งสิน้นเพียงแต่เมื่อเห็นหล่อนรีรอหรือแกลงเดินทวงช้าๆใครจะถลาออกนอกเส้นทางของมันมันก็จะเข้าไปหยุดรอคอยอยู่ใกล้ๆและแสดงกิริยาเป็นเชิงเตือนให้หล่อนออกเดินต่อครั้งหนึ่งหล่อนแกล้งเดินสะดุด และล้มลงนอนเฉยอยู่กะที่ค้ายจะไม่มีแรงเดินต่อไปมันก็ตรงเข้ามาทำท่าเหมือนจะอุ้มหรือแบกหลอนไปจนกระทั่งแม่สาวบอกกับตนเองว่าหลอนสามารถจะทำความเข้าใจกับมันเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแต่ทาไมเกรงว่าพักพวกคนอื่นจะมีความรู้สึกพิกลขึ้นหลอนก็อยากให้มันอุ้มหลอนไปซะด้วยซ้ำสบายดีซะอีกจะได้ไม่ต้องออกแรงเดินแต่คราวนี้มันจะพาหลอนข้ามฟ้าปาหิมพานถึงไหนก็เชิญ มันเป็นความคิดอยู่ภายในใจคนเดียวของมาเรียหล่อนไม่เกรงกลัวธรรมนไพรฝูงนี้อีกแล้วจากความเชื่อมั่นบางประการที่เกิดขึ้นโดยประสาทสัมผัสของตนเองระแวงหวาดอยู่แต่เพียงว่าพรานใหญ่หรืองแงซายจะทำเสียพิธีขึ้นเท่านั้นทางด้านจอมพรานภายหลังจากส่งสัญญาณติดต่อไปยังช ย, ยันแล้วก็ยืนสงบรอคอยชา ย, ยันอยู่ที่เดิมมองดูทิวแถวของวานอนดาอันมากมาย ที่ห้อมล้อมแหมนุษย์ไว้ใจกลางนั้นค่อยๆเคลื่อนขบวนห่างออกไปเป็นลำดักพร้อมกับสมองที่ทำงานอย่างหนักพักใหญ่ต่อมาแง่ใสก็โผล่มาจากป่าด้านหลังอย่างรีบร้อนในมือมีคันไม้ไผ่ซึ่งตัดมาได้รูปเห็นสันฐานว่าพอจะดัดแปลงเป็นคันธนูได้โดยอาศัยการเหลาอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสหายศึกหรืออีกนายนหนึ่งคู่ปรับของเขาไม่ยอมเสียเวลาเปล่า มือทั้งสองพร้อมด้วยมีดจัดการอยู่กับไม้ไผ่ท่อนนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างคล่องแคล่วชำนาญการแม้แต่ในขณะที่ตรงเข้ามาสมทบกับเขาแน่ใจหรือแงซายว่าเส้นไหวที่กระดับแปลงเป็นสายธนูจะใช้งานได้ผลถ้ากระสายหนังคันเก่าเขาถามโดยที่ยังไม่อาจคิดอะไรได้ตกในขณะนั้นทันทีที่เห็นแง่ซรายพวดเข้ามาถึงเราต้องเสี่ยงครับพวกกอแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุด มันก็พอจะส่งดอกธนูพลนแหลงออกไปได้ในระยะห่างพอที่จะไม่เป็นอันตรายแกเราแม้อาจจะไม่มีรัศมีไกลเท่ากับไ ค, คิดอะไรออกบ้างหรือยังงสายสันศีสัตผมก็กำลังจะถามผู้กองอยู่ครับฉันติดต่อสัญญาณกับคณะเจ้านายของเราได้แล้วลบอกให้เขารู้ว่าเราได้ธนูคืนมาแล้วและกาลังจะตามเข้าไปถ้าเขายอมไปกำมันโดยปกติก่อน นั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วล่ะครับเราต้องประวิงเวลาไว้เพื่อโอกาสแห่งความคิดแต่สาบานได้ครับไม่แม้ผมจะได้ไอ้นี่คืนมาแล้วก็ตามผมก็ยังมองไม่เห็นทางอะไรเลยทั้งสิ้นพรานใหญ่จ้องตาขมิงฉันเชื่อแกแง้า ย, ายว่าแกก็คงอับจนต่อปัญญาเหมือนเหมือนฉันในขณะนี้นั่นแหละแต่ถึงยังไงก็อยากเตือนไวให้เป็นข้อคิดด้วยว่านี่เป็นภาวะวิกฤต เกี่ยวกับความเป็นความตายของพวกเราทั้งหมดตัดสินใจทําอะไรพลาดไปแม้แต่นิดเดียวสิบคนของเรานําตายหมดนาทีนี้แกคิดยังไม่ออกไม่เป็นไรแต่นาทีหน้าหรือนาทีต่อต่อไปถ้าบังเอิญมองเห็นลูกทางขึ้นหวังว่าคงไม่นิ่งเฉยไว้เพื่อจะรอดูฉันโง่งั้นไม่ใช่เหรือแงสายยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกจากสีหน้าตายด้านนั้นก้มศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมคาราวะ ผู้กองครับผมอาจไม่ซื่อสัตย์นักในสายตาของผู้กองแต่ผู้กองก็น่าจะทราบดีว่าผมมีความห่วงใยต่อสิบชีวิตนั่นไม่น้อยไปกว่าผู้กองเช่นกันนะครับและแต่ไหนแต่ไรมาผมก็ไม่เคยคิดว่าผู้กองของผมโง่เลยสักครั้งครับความจริงก็เป็นโอกาสแล้วนะที่เราสองคนหนีเอาตัวรอดออกมาได้เพียงสองคนทําไมเราจึงไม่หนีเอตัวรอดต่อไปไว้พวกนั้นไว้ตามยถากรรม่ เนี่ยทายหัวเราะด้วยอารมณ์ขันแท้จริงเป็นครั้งแรกทำให้ใบหน้านั้นแลดูงามสดใสขึ้นอย่างประหลาดโปรดอย่าทดลองใจผมด้วยคำพูดเช่นนี้เลยครับผู้กองไปเถอะเราวรีบออกก้าวส ก, กัดจะได้ใช้เวลาเหล่านี้คิดไปด้วยดีกว่าที่ผู้กองจะมาคิดด่าว่าทิ่มตำอะไรผมนะครับพรานใหญ่หัวเราะในลำคอใช้หลังมือตบแผงอกอันกว้างใหญ่เต็มิพาระกาลังนั้นหนักหนัก ด้วยความรู้สึกครึ่งรักครึ่งชังระคนกันจำแนกไม่ถูกแล้วเคลื่อนออกจากที่โดยเร็วบุคคลผู้มีความสําคัญยิ่งสําหรับคณะเดินทางทั้งคู่ออกสาวรอยเท้าสกัดแนวการเคลื่อนขบวนไปของไอ้ฝูงวานรดําเหล่านั้นทันทีโดยอ้อมป่าโปร่งด้านตะวันออกขนานคู่ไปกับเส้นทางเดินของพวกมันเว้นระยะห่างเยื้องหลังประมาณ500อเมตรซึ่งถ้าจําเป็น ก็สามารถเร่งฝีเท้าไปดักหน้าได้ทันทีแม้ภูมิประเทศจะเป็นทุ่งหญ้าซึ่งประกอบไปด้วยเนินสูงสู ง, สงต่ำๆอยู่ทั่วไปก็ไม่เป็นการยากเลยที่จะกำหนดหมายตาฝูงของพวกมันได้ทุกระยะเพราะจำนวนไร่พลอันมากมายเดินแห่กันไปเต็มทุ่งราวกับทหารยกทัพเหล่านั้นและโดยการที่ปรีกตัวมาห่างมาเช่นนี้ทาให้มองเห็นรูปขบวนและทิศทางการบ่ายหน้ามุ่งไปของพวกมัน ได้อย่างขนาดชัดเจนที่สุดเพราะมันยาดรากันไปอย่างช้าๆเพื่อรอเฉลยมนุษย์ซึ่งก็ดูเหมือนจะพากันเดินเตะ่วงตามสบายเพราะความที่ยังไม่อาจตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนลงไปอย่างใดไ ด, ได้ประกอบกับความพิสวงที่สังเกตเห็นว่าสัพสัตซึ่งตามปกติแล้วควรจะแลเห็นหากินอยู่กราดเกลื่อนตามสภาพอันควรเป็นของป่าแถบนี้ในวาระนี้ พากันหลีกเล้นหนีหายกันไปหมดไม่มีอะไรแผ่วพานเข้ามาให้เห็นแม้แต่นกสักตัวพิสูจน์ได้เห็นชัดว่าพวกมันเป็นเจ้าถิ่นครองอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือสัมสัตต์ทั้งมวลโดยสิ้นเชิงถ้ามันมีสมองหรือไหวพริบดีกว่านี้มันควรจะส่งกองสอดแนมของพวกมันบางส่วนออกติดตามดูเราสองคนว่าที่หนีหายออกมานอกการควบคุมของมันเราไปทาอะไรอยู่ที่ไหน ตอนี้มันไม่ยอมสนใจกับเราเอาเลยพานใหญ่เอ่ยขึ้นผมคิดว่ามันไม่แยใสยกับเรามากกว่านะครับพวกกอ๊อกเพราะเชื่อว่าถึงปรีตัวออกนอกรัศมีควบคุมของมันมาได้ก็ไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้และในที่สุดก็ต้องติดตามพวกมันไปด้วยอย่างเช่นที่เราทำอยู่ในขณะนี้แหละเนี่ยสายว่าเดินเหลาคันธนูอย่างเร่งรีบไปพานนี่กะกะจะทาคันธนูสิตอนไหน ก็ไม่เกินภายในครึ่งชั่วโมงนี้แ่ะครับมันจะพาพวกเราเดินไปไกลอีกสักแค่ไหนนั่นเนี่ยระพินแหงหน้าดูดวงตะ ว, วันอันแผดเปรียงอยู่กลางสีสักผมก็คเนไม่ถูกครับผู้กองแงทสายแต่คิดว่าพวกมันจะกลัวอำนาจระเบิดของเราบ้างไหมถ้าหากว่ามันตูมขึ้นโดยถูกจังหวะเวลาและสถานที่ให้มากที่สุดอันหมายถึงว่าพวกเราทั้งหมด ต้องออกพ้นจากการควบคุมของมันเป็นอิสระได้ทันทีเจ้ากระเกรียงพเนจรนิ่งไปอึดใจก็ตอบว่าโดยระเบิดทั้งสามลูกที่มีอยู่ในมือเราขนาดนี้ไม่เป็นการยากหรอกครับที่เราจะช่วยพวกของเราทั้งหมดให้ปลอดภัยรอดพ้นออกมาจากเงื้อมมือของพวกมันแต่ผู้กองลองใคร่ครวญสักนิดเถอะครับสมมติว่าพวกเรารอดพ้นออกมาได้เท่าเท่ากับที่มีอำนาจอยู่ในมือ พอที่จะขับไล่ไม่ยา้มันมารบ ก, กวนเราอีกต่อไปแต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาจะหมายถึงสัมภาระของเราที่มันยึดไปเหรอใช่ครับพลานใหญ่อึ่งแง่สายกล่าวแผ่วเบาต่อมาว่าแล้วก็สมมุตินะครับว่าเราสามารถทำให้มันแตกพ่ายไปได้แล้วหลังจากนั้นก็ออกติดตามค้นหาของของเราหรือแกะรอยมันต่อไป บางทีก็อาจจะต้องตามจนถึงถิ่นที่อยู่ของมันซึ่งถ้าเป็นกรณีนั้นเจ้าผู้ช่วยจำเป็นของเขาเว้นระยะลงเพียงแค่นั้นพร้อมกระยักไหล่จอมพรานถอนใจยาวอืมฉันเข้าใจดีว่าแกหมายถึงอะไรแกกำลังจะพูดว่าถ้าเราจะแกะรอยมันเพื่อตามสัมภาระเราต่อไปก็สู่ยอมไปกับมันซะโดยดีเช่นในขณะนี้ไม่ดีกว่าเหรอเพราะมันก็กาลังนาเราไปอยู่แล้ว ครับผู้กองก็ตระหนักในสถานการณ์หนักเบาดีอยู่ทุกอย่างแล้วนี่ครับจะต้องให้ผมพูดอะไรอีกขณะนี้ผมก็รอแต่เพียงคำสั่งของผู้กองให้เด็ดขาดลงไปเท่านั้นว่าจะให้ผมทำยังไงจอมพลานถอนใจอีกเฮือกใหญ่พร้อมกับโครงศีรษะในชีวิตของแกกับฉันก็ต่อสู้รวมรันกับศัตท์มาแล้วทุกชนิดยังไม่เคยมีครั้งใดที่เราจะต้องตกเป็นรองและอับจนปัญญาถึงเพียงนี้ มันกำความได้เปรียบเราไว้ทุกประตูชนิดที่มองไม่เห็นหนทางต่อสู้เลยนิทรานครอันอาถันเราผ่านกันมาได้แล้วไทรนโนซอรัสตัวเท่าภูเขาเราก็พ้นมันมาได้โดยไม่เหลือบา ก, กว่าแรงนักแต่ไอ้ลิงใหญ่ที่รวมกลุ่มพนึกกำลังกันเป็นชมรมพวกนี้สิกำลังทำให้เราสิ้นท่าผู้กองไม่คิดบ้างหรอครับว่าปัญหาใหญ่ที่เรารเผชิญอยู่ในขณะนี้ บางทีมันอาจเป็นเพียงแค่เส้นผมบังภูเขาอยู่เท่านั้นนะครับระพินหันขวับไปมองหน้าแกหมายถึงอะไรนง่ส า, ายผู้กองครับทำไมเราไม่พิจารณาแต่ในจุดสำคัญจุดเดียวซึ่งอาจเป็นปมคลี่คลายปัญหาทั้งหมดก็ได้นั่นก็คือมันจะพวกเราทั้งหมดไปไหนและเพื่ออะไร ฉันตั้งคำถามชนิดนี้กับตัวเองนับตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้สึกโตมันบังคับให้พวกเราไปกับมันแล้วแต่เราจะรอเพื่อได้คำตอบนี้ในวินาทีสุดท้ายโดยที่หมดโอกาสจะช่วยตัวเองอีกแล้วไม่ได้แต่วินาทีสุดท้ายที่เราจะช่วยตัวเองให้รอดก็ถืออยู่ในมือของเรานี่แล้วไงครับพร้อมกับพูดแงซายชูคันพนูให้ดูเพียงแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้น ที่เราจะพิจารณาว่าเป็นวินาทีสุดท้ายจริงๆของเราแต่ต้องไม่ก่อนหน้านั้นมิฉะนั้นสิ่งที่เราหวังไว้จะพินาศสูญสิ้นไปในทันทีแกพูดถูกแง่ทรา ย, ายระเบิดทั้งสามลูกที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้จะทำประโยชน์ให้แกเราได้ก็เพียงแค่ต่อรองกับชีวิตของพวกเราเองในวาระสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นแต่ไม่ได้ช่วยให้เราใช้เป็นอานาจบีบบังคับ ให้มันเอาสัมภาระคืนให้แกเราได้เลยนี่ว่าแต่ว่าแกใช้สัญญาณแสงได้ไม่ใช่เหรอผมก็อยากจะโกหกผู้กองว่าผมไม่มีความรู้เรื่องรหัสสัญญาณงะสายพูดจิมจิมแต่ผู้กองก็ขอคำมั่นสัญญาไว้ก่อนแล้วว่าในภาวะเช่นนี้อย่าให้ผมโกหกหลอกลวงอะไรผู้กองเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไต่ไปอย่างเลยราพินแย่เขียว แล้วส่งมีดโบวีที่ติดเอวอยู่ทั้งฝักเสือกพรวดไปให้อะเก็บไว้สําหรับส่งสัญญาณมีดของแกนะ่ะมันรับแสงไม่ได้มากนะักแต่เล่มนี้นะ่ะเป็นสแตนเลสแง่ใซคงยิ้มอยู่เช่นนั้นรับมีดจากเขามาอย่างสงบสงเงียมผมยังไม่เข้าใจครับผู้กองใจผมทำอะไรฉันก็จะแยกจากแกที่นี่เดี๋ยวนี้โดยกลับเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกเราทั้งหมดกลางวงล้อมของมัน ส่วนแกก็คุมเชิงอยู่ด้านนอกตามเดิมสะกดรอยตามไปทุกระยะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะติดต่อกันโดยสัญญาณแสงแกใช้มีดเล่มนี้ของฉันเป็นเครื่องสะท้อนแสงส่วนฉันเมื่อกลับเข้าไปในกลุ่มของพวกเราแล้วดูเหมือนจะมีกล่องบุหรี่ของนายทหารสำหรับส่งแสงสะท้อนได้เหมือนกันเมื่อครู่นี้เขาก็ใช้สัญญาณตอบฉันมาได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือทางโน้นมันมีอยู่แล้วทางด้านแกซิไม่มีก็เอามีดของฉันไว้ เสือทำเซอร์ต้องให้เสียเวลาอธิบายกันอยู่ามากๆเสียเวลาจริงๆไง ห, หาจวกไอ้คนหน้าตายจอมกวนประสาทดึงมีดโบวีออกมาจากฝักทดลองส่งล้อเล่นกับแสงตะวันมีหนังซ้ำยังแกล้งฉายแสงวูบเข้าตาเขาใชอย่างนั้นเจนนพินต้องเบือนหน้าหนีมีดของผู้กองสกรปรกมากถ้าตะวันจางแสงลงเมื่อใดมันจะรับแสงสะท้อนไม่ได้เลย นอกจากจะต้องเหลาคันธนูไปผมเห็นจะต้องเดินลับมีดของผู้กองไปด้วยแล้วล่ะพับผาถ้าว่าไอแง่ทายบางทีผู้กองอาจลืมไปสัอย่างหนึ่งก็ได้นะเจ้า อ, องค์คารักพิเศษของดารินพูดสวนคำพรุสวัสดิ์ของเขาอย่างเป็นงานเป็นการขึ้นเพื่อบายเบนโทศั์ของเขาซะผมนะ่ะพูดภาษาไทยกับผู้กองได้แต่ผมไม่รู้หนังสือไทยเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับ กับพ่อมึงรู้ภาษาพมา่าหรือกระเรียงไหมละ่ะแงสายยักษ์ไหลก็อีกนั่นแหละครับผู้กองพูดภาษาพมา่าได้แต่ผู้กองก็คงไม่รู้จักอักษรพมา่าหรือว่ารู้จอมพานเกาศีสะแกลกแกลกเขาโมโหโจนต้องกลายเป็นความขำจริงจริงวไอ้แงซายเห็นพบคนมามากแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครมันดีดดิน้นลวดลายมันแกเลยสักคนพูดกันง่ายๆดีกว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่แกจะมาตีสํานวนเล่นเหลี่ยมอะไรกับฉันเราจะใช้สัญญาณติดต่อกันด้วยภาษาส า, สากลคืออังกฤษเข้าใจไหมอ๋ อ, อครับครับครับแม่ผมลืมไปจริงๆเป็นอันว่าผู้กองจะกลับเข้าไปเดินรวมกลุ่มกับพวกเราส่วนผมคุมเชิงอยู่ข้างนอกตามไปด้วยห่างๆมีอะไรก็ส่งสัญญาณติดต่อกันอย่างนั้นใช่ไหมครับเออครับครับ ทางด้านผมไม่มีปัญหาครับผมจะส่งสัญญาณไปถึงคณะทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่นี้ผู้กองล่ะครับมีอะไรฉับพลันที่จะต้องออกคําสั่งผมผู้กองจะส่งสัญญาณติดต่อมาได้ยังไงตราบใดก็ตามที่ผู้กองไม่สามารถจะทราบว่าขณะนี้แงาซ้ายอยู่ในทิศไหนซ้ายขวาหน้าหรือหลังสมมุติว่าผมอ้อมไปดักอยู่ข้างหน้าผู้กองดันส่งสัญญาณทางด้านหลังและผมจะเห็นได้ยังไง แม้จะ ง, งุดหงิดเดือดดานในความหน้าตายของมันเพียงไรรพินก็สะดุด ก, ก็กับคำถามมันเต็มไปด้วยเหตุผลซึ่งเขามองข้ามไปฉะนั้นเออจริงด้วยเอางี้ไม่ว่าแกจะเปลี่ยนทิศไปเดินอยู่ทางด้านใดของขบวนของทั้งหมดของเราก็ตามเอาเป็นว่าแกคอยส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ด้วยทุกๆสิบนาทีเป็นระยะไปดีเหมือนกันฉันก็จะได้รู้ว่าขณะนี้กย้าย ต, ตัวเองไปอยู่ทางด้านไหนของขบวน แน่าสายพยักหนะ้าตกลงครับแล้วก็หัวเราะเห็นฟันทั้งสองแถวว่าอันที่จริงเจ้านายของเราเดินทางมาครั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆก็เลื้อเฟือเกินความจำเป็นไปมากแต่ทำไมถึงไม่เอาวิทยุติดตัวมาด้วยสักชุดสองชุดก็ไม่รู้สินะครับไม่น่าให้เราต้องลำบากชักดาบฉายแสงกันอยู่เลยนี่ต่อให้หมูวิทยุพอมันก็มยึดเอาไปหมด เราพินกระชากเสียงฉันก็มีความคิดเหมือนแกเหมือนกันทำไมก็ถึงไม่เช่าคอปเตอร์สักลำเหาะไปก็ไม่รู้สิแทนที่จะมาเดินกันให้เหนื่อยยากถ้าไตหงุดไตหาาอยู่เนี่ยแล้วถ้าได้รถถังหรือปืนใหญ่มาด้วยสักกระบอกเราก็คงจะยิงไอ้ลิงเวนพวกนี้ตายเรียบไปหมดแล้วไม่ต้องให้มันมาจับตัวแบบนี้แง่ยายปิดปากหัวรอกคิกๆอ่ะแยกกันเดี๋ยวนี้ละ่ะฉันจะไปละ่ะจอมพรานหน้านี่อบอกติดต่อมา้วยเร็ว แล้วออกเดินแผลเดินแยกไปในทันทีแต่แล้วก็ต้องชะ ง, งักนิดนึงเมื่อเสียงแงซายร้องไล่หลังมาว่าผู้กองครับผมจะรอสรัญญาณว่าเมื่อไหร่ผู้กองจะให้ยิงธนูติดทียนทีพาเข้าไปกลางฝูงของมันนะครับถ้าขืนสนใจหรือรับอารมณ์มากนักในการยั่วย้าวกระซ้าแย่แบบหน้าตายของมันบางทีเขาอาจจะต้องวางมวยกังแงซายซะที่นี่แม่นมั่นดังนั้น จึงปรับอารมณ์ให้เยือกเย็นที่สุดไขหูซะแล้วก้าวรุดไปโดยไม่เลี้ยวหลังกลับมาอีกไม่นานนักในการออกตัดทางดักตลางขบวนร่างกายของจอมพลก็ปรากฏขึ้นกับสายตาของคณะทุกคนที่กำลังเดินกันอยู่ก็โผล่ออกมาจากป่าโปร่งริมทุ่งทางด้านใต้แล้วเดินผ่านฝูงของธมพลไพรเหล่านั้นเข้ามาด้วยอาการปกติรือเจ้าพวกนั้น ก็ไม่แสดงอาการสนใจอะไรด้วยขยินเป็นคนแรกเห็นก่อนชีโบชีเบบอกพักพวกทุกคนมองจับไปที่เขาเป็นตาเดียวด้วยความปลาดใจจนกระทั่งรพินฟาฝูงลิงเข้ามาถึงและเดินร่วมกลุ่มไปด้วยรพินเฉยๆว่าครับผมปล่อยแง้ายไว้ข้างนอกกำลังสะกดตามมาทุกระยะแล้วครับกุญชยันโปรดส่งกล่องบุหรี่กล่องนั้นให้ผมด้วยครับ ผมจะใช้ติดต่อส่งสัญญาณกับแง่ทรายเองชายันรีบส่งกล่องบุรีโลหะเป็นเงาขาววับให้เขาทันทีไปยังไงไม่ยังไงนี่กระพินคุณพบแง่ทรายได้ยังไงผมหลบออกนอกวงล้อมของมันทางด้านหลังขบูนครับส่วนแง่ทรายนะ่ะคงหลบออกทางด้านหน้ามันดักคอยผมอยู่ก่อนแล้วในป่าโปร่งริมทางด่านก่อนจะเดินลงทุ่งนี่แง่ทรายป็นคนพบลูกธนูของเราทั้งสามดอกกระบอกสอนพร้อม สันนิานว่าพวกมันคงจะเวียงทิ้งอย่างไม่สนใจแล้วมันก็ไปตกอยู่ซอกหินริมทางน่ะครับการินกาเข้ามาจับแขนเขาวาอย่างลืมตัวถามเร็วปรึ่งจริงเหรอที่เราได้ธนูเตะระเบิดคืนแล้วแล่ยังใช้ได้ดีหรือเปล่าจริงครับผมตรวจสอบดูแล้วสายธนูนยังติดอยู่พร้อมและระเบิดก็ยังมัดแน่นหนากับดอกธนูดีอยู่ขาที่คันธนูเท่านั้นแต่ขณะนี้แงซร า, ายก็กําลังเหลาใหม่อยู่แล้ว ใช้เส้นไหวขึงแทนสายหนังอีกสักครู่ก็คงเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีแล้วจะเอาอยัางไงกันนะเชษถาจ้องหน้าเขาคำงิงผมก็ยังตัดสินใจยังไงไม่ถูกเหมือนกันครับก็เลยปล่อยแง้รายให้คุมเชิงอยู่ข้างนอกตัวเองก็กลับมาก่อนผมอยากจะฟังความเห็นของคุณชายกับพวกเราทุกคนครับแต่เรายังไม่รู้นะว่าสัมภาระข้าวของของพวกเรานะพวกมันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหน ชัยันพูดร้อนรนอย่างเป็นห่วงก็ข้อนี้แหละครบับที่ทำให้ผมกับแงซสายลังเลอยู่มากถึงแม้ว่าเราจะได้ธนูติดระเบิดคืนมาก็จริงแต่ดูเหมือนแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในภาวะเช่นนี้นอกจากถือคุมเชิงไว้เฉยๆเท่านั้นคุณชายหรือพวกเราคนใดมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับเขาถามกลาดมองหน้าไปยังทุกคนฉันคิดว่ามันยังไม่ทาอันตรายเราก็อย่าเพิ่งทาอะไรแตกหักลงไปก่อนเลยละพิน บางทีพวกเราทั้งหมดน่าจะรอดพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายมันและฝ่ายเราระหว่างที่เชิฐาและชัยยันกัดดมฝีปากช่างใจมาเรียก็เอื้เสริมขึ้นมาอีกกว่าลองชื่อชันอีกสักครั้งไพวันเรายอมไปกับมันให้ถึงที่สุดและให้รู้ว่ามันต้องการอะไรจากเราเงซายได้ธนูติดระเบิดของเราคืนมานั่นก็เป็นการดีแล้วแล้วคุณก็ทำถูกต้องแล้ว ที่ปล่อยเขาไว้ข้างนอกให้คอยคุมเชิงตามเราอยู่เช่นนี้เพื่อว่าจะได้ใช้ธนูนั้นช่วยเหลือเราได้ในวาระสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุณชายกับคุณช ย, ยันละครับเห็นยังไงบ้างท่านหัวหน้าคณะไครครวรอยู่อึดใจใหญ่ก็พยักหน้าก็ลองทำตามที่น้อยกเมว่าดูอย่าเพิ่งต่อสู้ขับขืนอะไรมันในขณะนี้ก่อนดีกว่าขอให้เราเอาชนะมันได้ เราก็ยังไม่มีทางที่จะได้ของคืนมาแล้วอย่างหนึ่งใจจริงผมก็ไม่อยากจะข่ายพวกนี้นะดูมันแสนรู้เข้าใจภาษาอะไรไม่ผิดกับคนเช่นเดียวกับเรามีหน้ำซ้ำพฤติการของมันเท่าที่แล้วแล้วมาก็ไม่ได้สอบ ว, ว่าจะเป็นศัตรูอะไรกับเรานะยังช่วยป้องกันระไวาจากไอ้พวกโทโรเดทิลอยแล้วยังช่วยหาอาหารมาให้เราประทังชีวิตจะอีกเพียงแต่ว่ามันต้องการเอาตัวพวกเราไปกำมันเท่านั้น ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรเราทั้งสิ้นตกลงครับถ้าความเห็นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ว่าแต่คุณสั่งเงาทายไว้ยังไงอ่ะผมเพียงแต่ให้ตามคุมเชิงมาและให้คอยฟังคําสั่งที่เราจะแจ้งไปโดสยสัญญาณเท่านั้นหรือถ้าคุณชายเห็นว่าไม่จําเป็นผมก็จะเรียกเงาทายให้กลับมารวมกลุ่มกับเราก่อนอยา่าไม่ต้องเชษฐาพูดโดยเร็วจับแขนเขาไว้ดีแล้วล่ะคุณ ที่แง่ทายคุมเชิงอยู่ข้างนอกพร้อมธนูติดระเบิดเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังมีโอกาสที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึง่งได้ถนัดกว่าที่จะให้มาพลอยติดร่างแหยอยู่กับพวกเราในนี้ด้วยและไม่ว่าเราจะถูกพวกมันพาไปถึงไหนให้แง่ทายติดตามอยู่วงนอกเช่นนั้นทุกระยะนะ่ะดีแล้วครับก็ดีเหมือนกันกระพินคนแง่ทายค้นดูทั่วแล้วเหรอธนูระเบิดของเรามันยังทิ้งไว้แถวนั้นอาจมีสัมภาระอื่นๆของเรา ทุกมันเวียงทิ้งเรี่ยราดไว้โดยไม่สนใจก็ได้นะแต่คนดีๆอาจพบทุกอย่างล้วนมีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นแม่จะได้คืนมาบางส่วนก็ยังดีดารินพูดขึ้นผมเชื่อว่าสัมภาระส่วนใหญ่ของเราที่ห่อรวบรวมกันไว้อย่างมีระเบียบ ม, มันคงจะขนเอาไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่กระบอกสอนของแง่ทรายเห็นแง่ทรายเขาบอกว่าปลดตั้งแยกไว้ที่ก้อนหินในที่พักของเรา ก่อนที่มันจะเข้ามาขโมยลักษณะกระบอกที่เป็นลำไม้ไผ่และลูกธนูไม่มีอะไรควรกับการสนใจของมันนักสนิฐานว่าไอ้ตัวใดตัวหนึ่งคงหยิบติดมือไปและเห็นว่าไม่มีค่าอะไรเลยก็เลยเบี่ยงทิ้งเราจึงพบแต่ลูกธนูเท่านั้นที่มันทิ้งไว้ผมกับแง่ทรายค้นดูทั่วบริเวณแถวนั้นเลยนะครับไม่เห็นร่องรอยของอย่างอื่นๆของเราเลยทาไมคุณกับแง่ทรายจึงดูว่ามีอิสระเสรีเหลือเกินนึกจะเดินออกนอกวงล้อมมันไปเมื่อไหร่ก็ได้ จะเดินกลับเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่สนใจห้ามห่วงสกัดกั้นเลยแต่พวกเราคนอื่นๆพอเบนออกนอกทางนิดเดียวมันก็คอยคุมไว้แจท่ทีเดียวผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับข้อนี้ผมเดินฝ่าฝูงมันแย่ออกไปเฉยๆายท้ายก็ทำอย่างเดียวกับผมนั่นแหละแล้วตอนที่ผมกลับเข้ามานี่อีกครั้งก็ไม่เห็นว่ามันจะสนใจอะไรนี่ซึ่งนันก็เป็นการดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในโอกาสต่อไปหากผมจะแยกตัวไปอีก มันอาจจะสกัดกัน้นมันก็ได้เอาหลักเกณฑ์แน่นอนอะไรกับมันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีแล้วนะครับที่จะให้แงาทรายอยู่วงนอกซะการเดินรุดหน้าไปเป็นลําดับผ่านทุ่งแล้วทุ่งเล่าภายใต้การนําของไอ้ธมนฝูงนั้นบางขณะก็ตัดไปในราวป่าโปรง่งตามแนวที่ราบสูงและราบต่ําสลับกันไปดูเป็นภาพประหลาดมาก มนุษย์11เอชีวิตเดินอยู่กลางที่แวดลอ้อมฝูงลิงใหญ่นับร้อยๆจนเต็มพืชไปหมดประดุดการยกหนพลโยธากันเป็นกองทัพโดยมีมนุษย์เป็นนายทัพผู้ควบคุมไปฉะนั้นแต่ความจริงแล้วทั้งหมดกลับตกเป็นฉเฉลยให้มันควบคุมตัวไปพับพาเธออย่ามาเชิญข้าไปครองราชเป็นกษัตริย์ของพวกเองก็แล้วกันข้าไม่เอาด้วยนะชยันตะโกนออกมาดังๆ ทุกคนแม้จะมีอารมณ์ตึงเครียดสักเพียงใดก็ตามอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้จริงๆนะชยันดูราวก็ว่าพวกมันให้เกียรติเราเหลือหลายทีเดียวตั้งข บ, บวนกันรายล้อมแห่เห็นรอบด้านไปหมดทีเดียวนึกซะว่าเราเป็นแขกรับเชิญผู้มีเกียรติของพวกมันซะแล้วก็ยิ่งคลุกคลีใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับเรามากขึ้นเท่านั้นนะบางทีไม่อาจพูดไว้ถูกก็ได้นะ ดารินเริ่มมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเฉฐาสังเกตทิศอยู่ตลอดเวลาที่เดินไป2หรือสามครั้งที่เขาแลเห็นประกายสะท้อนจากโลหะส่องวับว่าบเข้ามากลางขบวนตำแหน่งแสงที่ส่องเข้ามานั้นเปลี่ยนที่ไปต่างๆบางขณะก็อยู่ทางด้านซ้ายเบื้องหลังบางขณะก็อยู่ทางด้านขวาเยื้องไปเบื้องหน้าและนั่นคือเงาายผู้บอกตำแหน่งมาให้ทราบ ว่าขณะนี้อยู่ที่ใดพรานใหญ่ก็ส่งตอบออกไปเป็นระยะแล้วเดินเข้ามากระซิบกับเขาว่ามันพาเราเดินบ่ายหน้าขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเวลาครับและผมจำได้ว่านี่เป็นทิศทางที่เราจะต้องเดินตามลายแทงกำหนดให้อยู่แล้วไม่ได้แยกออกไปทางอื่นเลยนะครับถ้งงั้นก็วิเศษมากแล้วเราจะได้ไม่เสีเวลาเดินย้อนวกบนอยู่อีกถ้าเราได้สัมภาระของเราคืนมาแล้ว แใ น, นเมื่อกี้ไงทรายส่งข่าวมาว่าไงมันบอกว่าทางตะวันออกเป็นแนวป่าติดต่อไปจนถึงเชิงเขาที่แลเห็นอยู่น่นสงสัยว่าจะเป็นถิ่นของเจ้าลิงดำพวกนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แปลว่าเราใกล้จุดหมายปลายทางของมันเข้ามาแล้วล่ะครับสิ่งที่แงทายค า, าดคะเนส่งสัญญาณมาให้พรานใหญ่ทราบล่วงหน้าดูเหมือนจะไม่ได้คลาดเคลื่อนไปเลยพอเริ่มไต่เนินอันสูงชัน ผลจากบริเวณทุ่งหญ้าขึ้นมาขาบวนนำหน้ากองทัพวานอนเหล่านั้นก็เบนตัดขึ้นไปทางด้านตะวันออกซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินสูงสูงต่ำตๆติดต่อกันเป็นพืชไปจนกระทั่งจะรดเชิงเขาใหญ่มีต้นไม้และพุ่มพงขึ้นประปรายอยู่เป็นระยะลักษณะร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์เพราะมีลำธารและน้ำตกเล็กๆไหลผ่าน ทั้งหมดถูกนำเลาะเรียบไปตามแนวสายทานที่ไหลทอดลงมาจากที่สูงนั้นผ่านชั้นของบริเวณแหล่งน้ำตกไปเป็นลำดับทุกคนใช้ประสาทสัมผัสสังเกตดูภูมิประเทศเดินผ่านไปนั้นอย่างพินิษ ด, ด้วยความพิศวงใจขบวนอันเดินเป็นแถวเหมือนกองทัพที่เป็นระเบียบของมันบัดนี้เริ่มแตกกระจายออกทีละน้อยแผ่นผ่านไปตามแนวป่าหินสองฝั่งทาน และส่งเสียงโวกเวกกึกกล้องไปหมดมิพักพวกพันเดียวกับมันอีกมากมายโผล่เงาออกมาจากแนวป่าและขุดขินรอบด้านเต็มไปหมดกูกล้องทําเสียงเหมือนจะส่งภาษาบอกความหรือทักทายกันอืงนคนหนึง่งณบริเวณอันมองเห็นชัดได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกมันนี้เองมนุษย์ทั้งหมดที่ตกเป็นเชเลยและถูกนําพาตัวมาจึงเพิ่งสังเกตเห็นเจ้าพวกลูกเล็กเด็กแดงยัวเยียอยู่ทั่วไป บ้างโหนห้อยอยู่บนคาคบไม้บ้างตายอยู่บนยอดหินแล้วบ้างก็เกาะหน้าเกาะหลังอยู่กับเจ้าตัวใหญ่ซึ่งคงเป็นแม่ของมันถึงแล้วนายมันพาพวกเรามาเมืองขีดขินของมันจริงๆนั่นแหละตาเท้าบุญคําร้องบอกขึ้นพร้อมกับชี้มือไปเบื้องหน้าอันเป็นบริเวณไหลตอนหนึ่งระดับสูงขึ้นไปซึ่งบัด น, นี้เต็มไปได้วยพวกสาววานอนดำลูหน้ามาดูสลอน ตำแหน่งนั้นเป็นบริเวณถ้ำหินอันสลับซับซ้อนก่อไปด้วยหินงอกและหินย้อยประดุจเมืองเนรมิตมียอดหินสูงเป็นช่อชั้นเรียงสลับกันอย่างวิจิตรการตาประดุจยอดปรางปรามหาปราศาทตรกองกำลังไพรพลที่แห่แหนเดินมากับคณะมนุษย์ทั้งหมดบัดนี้ปริมาณเพียงไม่เกิน20ตัวเท่านั้นที่ยังแวดล้อมอยู่ใกล้ชิดในลักษณะควบคุม นอกนั้นแต่กระจายแยกย้ายออกไปหมดสิ้นและทุกคนมีความรู้สึกเป็นจริงตามที่บุญคําบอกนั่นคือต่างสํานึกได้ว่าตกเข้ามาสู่กลางอาณาจักรหรือเมืองของมันแล้วจากสภาพภูมิประเทศที่เห็นแวดล้อมอยู่นั้นไอ้เจ้ฝูงหรือแม่ทัพที่คุมพลไปล้อมจับมนุษย์ขณะนี้ก้าวล้ําออกไปเบื้องหน้าของทุกคนในลักษณะเดินนําสายอาจอาไปในระหว่างสองฝากทางที่เต็มไปได้วยพักพวกของมัน ที่มามุงดูอยู่แล้วเหลียวหลังกลับมาทําบุยบ้าโบกมือให้เฉลยของมันเดินตามเปน็นอากับกิริยาที่สามารถอ่านและเข้าใจกันได้ชัดแม้จะไม่ใช่ภาษาพูดที่ฟังรู้เรื่องกันได้ก็ตามน่าแปลกมากนะรพินอดีต ท, ท่านทูตทหารบกกระซิบอย่างตื่นเต้นกับพรานใหญ่ขณะที่พิจารณาไปรอบๆไอ้ลิงดำหรือมนุษย์วานอนพวกนี้มันรวมกลุ่มกันอยู่เป็นชมรม และมีหลักแหล่งที่อยู่แน่นอนไม่ผิดอะไรกับคนบุญคําพูดทรงเดชไปตามเรื่องของแกว่าไอ้พวกนี้เป็นทาหารพระรามเมืองขีดขินไม่น่าจะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้เลยว่าแต่เจ้าพระรามเงาทายของเรานําไปอยู่ซะที่ไหนแล้วล่ะตอนเนี้ยโปรจะห่วงเงาทายเลยครับถึงยังไงมันก็หลบตัวอยู่นอกการรู้เห็นหรือควบคุมของเจ้าพวกนี้ได้ตลอดเวลาลุงได้แยกเดี่ยวเป็นอิสระออกไปแบบนี้เงาทายจะมีความคล่องตัวอย่างเต็มที่ และเคลื่อนไหวได้ลึกลับพอๆพอกับเงาผีนั่นไงครับส่งสัญญาณมาแล้วไม่ทันจะขาดเสียงกระซิบของจอมพรานสัญญาณแสงก็ฉายวูบวับเป็นจังหวะสั้นยาวลงมาจากยอดหินสูงลิฟเหนือไหลเขาที่ทุกคนกำลังเดินขึ้นไปสู่กลางชมรมของมนุษย์วานอนระพินจ้องอ่านอยู่อึดใจให ญ, ใหญ่ก็รายงานว่าแง่ทาย ส, สังเกตเห็นที่อยู่ของมันโดยตลอดเลยละครับ พวกมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5 0 0หตัวทั้งลูกเล็กเด็กแดงอาศัยอยู่ตามซอกหินและโพรงถ้ำในละแวกทั้งหมดนี้ด้านหลังเขาฝั่งตรงข้ามน่ะเป็นป่าผลไม้และพืชไร่บางชนิดที่เป็นอาหารได้ยอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ยังไม่ทราบชัดว่าพวกมันปลูกเอาไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและถามลงมาว่าจะให้จัดการยังไงหรือไม่ต่อไประพินว่าเรายอมตัวอยู่ในการควบคุมของมันจนถึงที่สุด ไม่รู้แน่ว่ามันต้องการอะไรจากเราและต้องการสืบหาของของเราคืนด้วยให้แง่ทรายคอยระวังคุมเชิงอยู่ข้างนอกเช่นนั้นพยายามอยู่ในตำแหน่งที่รู้เห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งหมดไว้ให้ทุกระยะขณะเดียวกันก็ใหญ่พวกมันระแคะระคายว่าตนเองซุ่มอยู่ที่ไหนจอมพรันส่งข่าวไปยังแง่ทายตามที่นายจ้างของเขาสั่งไว้ทั้งคณะเดินไต่ขึ้นไปตามเส้นทางอันเรียบไลเขา ซึ่งแลดูประดุดถนนที่ธรรมชาติตบแต่งสร้างไว้เป็นอย่างดีมีความกว้างและเตยนรียบขนาดที่รถยนต์สองคันแล่นสวนกันได้อย่างสบายคดเคี้ยววนเวียนขึ้นไปสู่ลานอันมีระดับราบเสมอกันภายใต้หน้าผามาหึือมาเวิ้งวางเข้าไปสู่ปากถ้ำใหญ่เต็มไปด้วยห้องหักคูหาและมีก้อนหินนับอนันต์ขึ้นเรียงรายอยู่ทั่วไป มีถนนสายเล็กสายน้อยพาดทันเชื่อมต่อกันไปมาระหว่างก้อนหินขนาดต่างๆเหล่านั้นและไม่ผิดอะไรกับหลอกซอยและถนนที่พาดผ่านไปในอาคารคอนกรี ต, ตของเมืองมนุษย์ลราดเกลื่อนมากมายไปด้วยพลพักประชากรของพวกมันที่กระจายอยู่ทั่วไปทำกิริยาอาการแปลกๆคำเมนจ้องมองเลยมนุษย์ที่พวกมันคุมเดินมาด้วยความตื่นเต้นสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็เฝ้ามองอยู่ห่างๆไม่ได้เข้ามากลุ่มรุมล้อมหน้าล้อมหลังหรือแสดงเป็นศัต ร, รูดุร้ายอะไรทั้งสิ้นบางขณะก็ส่งเสียงเจี้ยวเจ้าและวิ่งพล่านตัดหน้าอยู่ไปมาส่วนมากเป็นไอตัวเล็กๆที่กำลังซุกซนและคนองดารินเริ่มเมียรมปลอดโปรงแจ่มใสขึ้นเป็นลำดักเมื่อแลเห็นสภาพอันรวมกลุ่มอยู่กันอย่างมีระเบียบพอสมควรของพวกมัน ซึ่งสอหเห็นถึงความเป็นสัตว์ชั้นสูงมากกว่าดิราชานอื่นๆทั่วไปซึ่งก็ทำให้เกิดความหวังว่าน่าจะผูกมิตรและทำความเข้าใจกับมันในทางสันติได้ไม่ยากนะักความวิตกกวาดกลัวลดหายไปจนเกือบหมดหลอนมองไปยังเจ้าตัวเล็กๆขนาดลิงซิมแปนซีที่กำลังซุกซนวิ่งพล่านอยู่เหล่านั้นด้วยสายตาเอ็นดูเจ้าตัวเล็กๆเหล่านี้กาลังน่ารัก ดูไม่น่าจะหวาดกลัวเกรงขามเหมือนพ่อแม่ของมันซึ่งส่วนมากนั่งหรือยืนอยู่ริมทางผ่านจ้องมองดูการเคลื่อนผ่านไปของเฉลยมนุษย์ด้วยสายตาขรึมเคร่งทายใจไม่ถูกตรงกันข้ามกับจะพวกลูกๆที่พยายามจะเข้ามาใกล้ๆบ้างตัวขนองจัดถึงกับเข้ามาเหนียวขาหรือฉุดชายกันเกงของคณะทั้งหมดสุดแต่ว่ามันจะคว้าได้คนไหนที่ใกล้ทำ า, าโอลหม่านวุ่นวายกันไปชั่วขณะ บุญคำขยินและพวกพรานพื้นเมืองที่เดินเข้าแถวอยู่เบื้องหน้าร้องโวยวายออกมาพร้อมกับกระโดดกันโยงเยงเพราะไอ้ลูกลิงซนๆเหล่านั้นเกาะขากัดแทะเอาด้วยฟันเล็กๆของมันต้องสลับเตะทีบออกไปเป็นโกลาหลนแต่แล้วสภาพอันระส่ำระสายของฝ่ายเฉลยมนุษย์ที่ถูกฝูงไอ้ลูกวานอนดำเข้ามาล้อเล่นด้วยก็หมดสิ้นไปเมื่อเจ้าตัวใหญ่ที่นั่อยู่เบื้องหน้าส่งเสียงตะคอกลั่นขึ้น พร้อมกับปาดเข้ามาขับไล่ไอ้ลูกลิงเหล่านั้นให้แตกกระจายห่างเฉลอยออกไปส่วนกองกำลังตัวอื่นๆที่เดินคุมขนาบมาก็หักกิ่งไม้เล็กๆบางก็ก้อนอิด ก, ก้อนหินไล่ขัวตีและควางตาขับพวกลูกๆของมันออกไปจนหมดขยินถูกขวนที่หน้าแข่งเป็นทางยาวบุญคำถูกแทะขาเลือดออกซิบซช ย, ยันขาตางเกงเดินปาขาดไป3มนิ้วร้องพุสวาดาทอของมองโฉงเฉง ส่วนคนอื่นๆไม่เป็นไรมากนะแต่และทุกคนก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้มองดูการต้อนรับของพวกลิงซนๆเหล่านั้นด้วยความขบขันมากกว่าที่จะโกรธแค้นอะไรมันมันเล่นด้วยนะก็เหมือนเด็กซนๆนั่นแหละเชิดาบอกชัยยันพร้อมกับหัวเราะไปพลางเมื่อเห็นสหายรักของเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกา จ, จะชูดไอ้ลูกลิงพวกนั้นให้เป็นลูกฟุตบอลไปทีเดียวเพราะความโมโหที่มันแหกขากันเกงของเขา แ่ชายามก็ไม่เคยเตะถูกพวกมันตัวไหนสักตัวเลยเพราะมันหลบบาทาที่เวียงวาดมาได้ทุกครั้งตามสัญดานอันว่องไวของลิงไอ้เป็ดไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็เดี๋ยวพัดเปะดฉะอดีตนายทหารปืนใหญ่สะบดสะบานลั่นหน้ามุยมาเรียกะดารินหัวเราะลั่นเอาเอาเอาใครว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอนหรือชายัมนั่นไงพ่อแม่มันช่วยกันไล่ตีลูกๆของมันเอาไปหมดแล้วไม่มายุ่งยากกับเธอ มันสั่งสอนดีกว่าพ่อแม่คนบางคนดิฉันคิดว่าพวกมันมีความเจริญในด้านความคิดและมีวัฒนธรรมดีพอสมควรดีเดียวนะชายันหันมาทำตาเขียวอ๋อน้อยเดี๋ยวนี้เธอรู้สึกว่าจะคบหาสมาคมกับมันได้ดีอย่างงั้นเนี่ยดาริงยิ้มสายตาของหล่อนขนาดนี้แล็จับไปที่นางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งซึ่งมีลูกเล็กขนาดกําลังน่ารักตัวขนาดเท่าลูกคนวัยประมาณสองขวบ เกาะติดอกดูดนมอยู่นั่งอยู่ในระหว่างซอกหินริมทางที่จะเดินผ่านไปฉันคิดว่าเราน่าจะสมาคมกับมันได้ด้วยดีนะถ้าเราพยายามปล่าวจบอย่างมั่นใจในตนเองพร้อมทั้งตั้งอธิ ษ, ษฐานใช้เมตตาเป็นที่ตั้งดารินเดินแยกหมู่ช้าๆตรงไปที่นั่งวันนอนดำแม่ลูกอ่อนตัวนั้นหล่อนเดินเข้าไปจนชิด ซึ่งมันก็เลิกคิ้วดูหล่อนอย่างสงสัยทำปากยืน่นออกเสียงครอครอในลำคอเป็นจังหวะจะคู่หรือทักทายก็ฟังไม่ออกราชาสกุลสาวยิ้มให้ค่อยๆสุดตัวลงนั่งลงหน้ามันแล้วเอื้อมมือส่งไปให้เจ้าลูกเล็กซึ่งนอนดูดนมแม่ลืมตาเป้งจับอยู่ที่หล่อนพร้อมกับพยักหน้าเรียกเบา้บาบาวยน้ําเสียงอ่อนหวานไงเจ้าหนู เจ้าน่ะกินนมแม่ที่จะตัวอ้วนปะีเฉวนะมาไหมมากับฉันไหมเจา้าลูกเล็กเอาปากออกจากนมแม่แล้วยื่นมือข้างนึงส่งมาเขี่ยเล่นกับมือของหล่อนทันทีแต่แล้วนางแม่ก็ปัดมือลูกออกซักขยุ่มกอดประทับไว้กระอกแยกเขี้ยวยื่นหน้ามาใส่หล่อนอย่างหวงแหนด่ารนหัวเราะเบาๆพร้อมกับใสยหน้าน้อย เรามีเลือดเนื้อและวิญญาณอย่างเดียวกันนะแม่นินละวันหล่อนตั้งชื่อให้มันซะอย่างเพราะพริง้งฉันและพวกฉันทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับพวกเธอเลยนะนี่เธอมีลูกที่น่ารักขอให้ฉันอุ้มหน่อยนะไม่ต้องระแวงหรอกฉันไม่เป็นอันตรายต่อลูกเธอแน่นอนแม่นินละวันคำเมนจ้องหน้าหลอนแล้วค่อยๆเอื้อมมือของมันเองออกมาจับ ลูกๆคลำๆอยู่ที่มือของหลอนดารินพยักหน้าพยายามพูดกับมันอยู่เช่นนั้นลูกของมันได้โอกาสมุดออกจากอ้อมอกแม่ไตเข้ามากอดดารินไว้เหมือนลูกชนีนักมานุษยวิทยาสาวหัวเราะออกมาอย่างเอง็นดูกอดมันไวเบาๆค่อยๆลุกขึ้นยืนพร้อมกับกอดอุ้มลูกของมันไวเช่นนั้นอย่างดูปฏิกิริยาของนางแม่พอเห็นมันวางใจ ยอมให้หลอนอุ้มลูกของมันไว้เช่นนั้นก็ออกเดินตามพักพวกทุกคนที่ล่วงหน้าไปก่อนโดยมีตัวแม่ตามหลังหลอนมาอย่างกระชั้นชิดทุกคนหันมาเห็นดารินอุ้มเอาลูกของไอ้พวกนิลเพชรเกาะในแจเข้ามาด้วยก็พากันประหลาดใจงุนงงไปตามตามกันแทบจะไม่เชื่อสายตาน้อยพี่ชายร้องหนักๆในลาคอลืมตาโพลนั่นไลูกอ่อนมันไม่ได้ยังไงอะ น้อยก็ไปขออุ้มมาจากแม่ของมันแหะครับพี่ใหญ่นี่ไงคะแม่มันเดินตามหลังมาด้วยนีย่ลูกมันน่ารักจังหล่อนตอบปนหัวเราะพร้อมกับเอามือรูปศีรษะเจ้าลิงน้อยอย่างรักใคร่ชายันจ้องตาเหลือกนี่เธอไปเอามาได้ยังไงโดยที่แม่มันไม่ขบกำหมองเธอเหลวไปอะ่ะฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือชายันว่าเราน่าจะมีสมาคมกับพวกมันได้อย่างมิด ถ้าเราพยายามและไม่มองมันในแง่ร้ายระพินไพรวันมองดูแม่ดอกฟ้าดารินของเขาด้วยสายตาทึ่งเขาเองก็ไม่นึกฝันมาก่อนเลยว่าราชสกุลสาวจะสามารถเอาลูกอ่อนของไอ้พวกลิงดำพวกนี้ระหว่างที่ยังเกาะติดอกดูดนมแม่อยู่มาอุ้มเล่นได้โดยที่นางแม่ของมันก็ยินยอมโดยดีโดยรูปการชนิดนี้หล่อ น, น่าจะถูกฉีกเอาเป็นชิ้นๆซะด้วยซ้า ในทันทีที่เข้าไปใกล้ลูกอ่อนของมันแต่กลับปรากฏว่าดารินอุ้มออกมาได้หน้าตาเฉยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วธรรมชาตินิสัยของหม่อมราชวงศ์สาวผู้นี้เป็นเช่นนี้เองหล่อนเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารมีเมตตาอ่อนหวานรักเด็กและก็สัตว์ทุกชนิดบางทีอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติอันดีงามชนิดนี้ของหล่อนนั่นเองที่ทำให้หล่อนสามารถทำความเข้าใจกับแม่ลิงตัวนั้นได้ จนมันยอมให้หล่อนอุ้มลูกของมันมาโดยเพียงแค่เดินตามมาด้วยเท่านั้นนับเป็นสุภนิมิตอันดีและชัยชนะชั้นแรกทีเดียวในการที่จะทำสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ให้คลี่คลายไปในทางดีขึ้นนี่เธอไม่กลัวมันหรอกเหรอก็เห็นเคยกลัวจะตายไปชยันอุทานมาอีกทีแรกฉันก็กลัวมันมากกลัวยิ่งกว่าพวกเราทุกคนซะอีกแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่กลัวพวกมันแล้วล่ะ กลับใดก็ตามที่คิดว่าจะไม่เป็นศัตรูกันดารินตอบอย่างมั่นใจมาเดียตาเป็นประกายลนส่งมือจะมาขออุ้มเจ้าลูกลิงบ้างแต่เจ้าลิงน้อยไม่ยอมพละออกจากอกดารินกอดคอไว้แน่นชายันเอื้อมมือมาจับตัวมันบ้างแต่แล้วเขาก็ร้องลั่นออกมาอย่างเดือดดาลเมื่อไอหอยลูกหลานนิละเพชดเอามืออันยาวเหยียดของมันไปโปกลงไปกลางศีรษะของอดีตนายทหารปืนใหญ่ ทำามาทุกคนต้องหัวเราะกันคลึครืน้นแทบจะลืมวิกฤตการณ์ที่แวดล้อมตัวสมุทสินเจ้าลูกชายของฉันตัวนี้นะ่ะมันไม่ชอบหน้าเธอนะักรอ็ชยันนี่จะมาถูกต้องตัวมาเลยดารินบอกพลางหัวเราะฮึมพระเดี๋ยวพัดจับสองขาฟาดเลยพับผ่าดิอา้าวเก่งๆก็ลองดูสิคุณนิลวันเดินตามหลังฉันอยู่ต้อยๆนี่ดูที่ว่ามันจะแหกอกเธอไหมถ้าเธอทอะไรลูกมันเข้า อะไรนะคุณนิลวันเหรอใช่คุณนิลวันแม่ของไอ้หนูตัวนี้แหละอ๋อนี่ไปสัมภาษณ์ชื่อเสียงมาแล้วเหรอแล้วมันบอกแล้วว่ามันชื่อนิลวันน่ฮะฮมันไม่ได้บอกหรอกแต่ฉันชื่อตั้งชื่อมันเองแหละก็ทีเธอยังตั้งไอ้จ่าฝูงตัวนั้นได้ว่าคุณธรรมนสักด์ทำไมฉันถึงจะตั้งให้แม่ไอ้หนูนี่ไม่ได้ว่าคุณนิลวันชายันกระเดือกน้ําลายลงคอฟืด อ๋อแล้วนี่เรายินดีจะเป็นคุณแม่ของไอ้หอยดำนี่อีกคนหนึ่งถึงกับเอามันมากุ้มเกาะคออยู่เงี้ยใช่ถ้าแม่จริงๆของมันยอมยกให้ฉันดีเหมือนกันมีลูกเป็นลิงพันนิลเพชแบบนี้นะหาที่ไหนได้เลี้ยงให้หนุ่มใหญ่เต็มที่ใครผู้จ้าไม่ถูกขูใช้ลูกชายหักคอเลยเออเออเออเอาเข้าไปเอาให้เหมาะแม่คนนึงริอ่านจะลิงทาผัว อีคนนึงจะเอาลิงทําลูกดีมือนกันพลาดท่าพลาดทางยังไงก็ปล่อยแม่เจ้าพระคุณสองคนนี่ไว้เมืองขี่ขินนี่เชียแล้วกันฮึโอนสัญชาติเป็นประชากรลิงให้รู้แล้ว ร, รู้รอดไปเลยชัยยันอุบอิบหัวรอพร้อมกับชำเลืองไปทางมาเรียซึ่งกําลังหยอกล้ออยู่กับลิงน่ารักที่ดารินอุ้มอยู่เพราะอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดภาษาไทยและมีการชายตามาที่หล่อนแมมสาวจึงถามดารินว่า คนตากเสียนี่พูดอะไรกับเธอเห็นก็มองมาที่ฉันทําไมไม่พูดให้ฉันรู้เรื่องด้วยดารินแปลให้ฟังว่าชายันว่าอะไรมาเรียหันไปทําตาโตแล้วร้องมาว่าโอ้สติวิชยันแล้วหล่อนก็หัวเราะหันมาฟ้องดารินว่าเขาว่าฉันมาหลายครั้งแล้วล่ะว่าฉันพยายามจะมีสัมพันธ์อะไรกับเจ้าลิงใหญ่จ่าฝูงนั่น ท, ทั้งที่ฉันพยายามผูกมิดกับมันเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน จะไปสนใจเลยไหมก็รู้อยู่แล้วว่าคนตากเสียเชื่อเถอะพวกเราทุกๆคนจะต้องรอดปลอดภัยได้อย่างสบายที่สุดจากเจ้าลิงพวกนี้ถ้าจะมีเคราะรารก็คนเดียวเท่านั้นแหละก็คือนายชายันซึ่งเราก็จะไม่ช่วยด้วยถ้าหักมันจะจับเขาใส่กรงเอาไปออกงานวัดของพวกมันทุกคนหัวเราะกันขึ้นอีกมีชา ย, ยันคนเดียวหน้างอเป็นจ้าวักทำปากหมุบหมิบ ดารินนั้นเดินกอดเล่นกับลูกลิงเพลินใจไปซะแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหล่อนเดินอยู่ในอาณาจักรของหล่อนเองระหว่างที่ไอหัวหน้ากําลังนําผ่านไปในระหว่างหมู่หินผู้บ่ายหน้าเข้าปากถ้ำโดยมีนางแม่ของมันเดินตามอยู่ต่อยต่อ ย, อยครั้งหนึ่งหล่อนหันไปสบตารพินผู้กําลังมองมาก่อนแล้วขณะนั้นเขาเดินอยู่รังท้ายใกล้ชิดหล่อนที่สุดพลานใหญ่ยิ้มให้ พอหล่อนทำท่าจะอุ้มลูกลิงที่กอดแน่นติดคออยู่ส่งให้เขาระพินก็สั่นศีสัจอย่าส่งให้ผมเลยครับสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้เกลียดกลัวผมมันมีสัญชาตญาณรู้ว่าผมเป็นพรานปเดี๋ยวมันร้องขึ้นแม่มันจะเข้ามาเล่นงานเราซะเปล่าๆถ้ามันอยู่กับคุณหญิงดีกว่าครับแล้วก็จริงดังว่าไอ้ลิงน้อยมีอาการกลัวเขาจนตัวสั่นกอ ด, ดารินไว้แน่นเมื่อระพินเฉียดใกล้เข้ามา คุณเป็นคนไม่มีเมตตาใช่ไหมมีครับมีมากซะด้วยแต่บางเอิญอาชีพของผมสิมันบังคับอยู่ความจริงแล้วผมไม่เคยฆ่าสัตว์อะไรนอกเหนือไปจากการป้องกันชีวิตของตนเองผู้อื่นหรือเพื่อเป็นอาหารชั่วมือชั่วคราวเลยนะครับส่วนมากผมจับมันเป็นๆแล้วก็ส่งให้สวนสัตว์ครับช่วยให้มันมีความสุขความปลอดภัยกว่าอยู่กันตามธรรมชาติในป่าซะอีกแต่นั่นแหละครับ มันก็เป็นการลิดรอนเสรีภาพของมันก็รู้เหมือนกันว่ามันเป็นงานบาปกรรมแต่ไม่สามารถเลี่ยงเข้าหาอาชีพอื่นใดไ ด, ได้เพราะความรู้อื่นๆมันไม่มีดารินตวัดหางตาคอนไหนพูดฉันน่าสงสารเช่นะก็นายรพินไม่ได้เป็นคนที่น่าสงสารหรอกเหรครับก็ไม่ค่อยจะน่าสงสารนักหรอกทําไมล่ะครับก็มีคนสงสารอยู่มากแล้วน่ะสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง รพินถอนใจแล้วนิ่งไปเห็นมหมจำนนเลยผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกับคุณหญิงในเรื่องนี้นครับสุดแล้วแต่คุณหญิงจะเข้าใจก็แล้วกันงอนเหรอเรล่ราครับเพียงแต่ว่ามันเศ้าใจยังไงบอกไม่ถูกเศ้าใจเรื่องอะไรไม่ทราบก็คนที่ผมรักไม่พยายามจะเข้าใจผมเลยไงครับว่าแต่ นี่คุณหญิงจะอุ้มลูกของมันไปด้วยอย่างนี้อะครับก็มันน่าเอ็นดูดีออกไม่เห็นล่ะมันรักฉันซะด้วยสิกอดแน่นเชียไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปหาแม่มันเลยฉันอุ้มมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลับไปหาแม่ของมันเองทําไมเปล่าครับผมเพียงแต่อดแปลกใจไม่ได้เท่านั้นในกรณีที่คุณหญิงมีความสามารถไปลูกจากอกแม่ของมันมาได้ทั้งๆที่คุณหญิงเคยกลัวไอ้ลิงพวกนี้ที่สุด มันมีเป็นลิงแม่ลูกอ่อนซะด้วยซึ่งตามปกติแล้วจะร้ายกาดกว่าตัวผู้มากนะมันก็คงเหมือนเหมือนกับความแปลกใจของฉันที่เห็นคุณหรอแงทสายสามารถเดินผ่านวงล้อมของมันออกไปได้เฉยๆโดยมันไม่กล้าทำอะไรนั่นแหละในกรณีของคุณกะแงทสายนั่นอาจเป็นพระตบะพรานหรือวิะนั้นก็ความลึกลับที่มีอยู่ในตัวอะไรสักอย่างหนึง่งส่วนสาหรับฉันนะั้นไม่มีอะไรมากหรอก นอกจากแผ่เมตตาและปรารถนาดีกับมันเป็นที่ตั้งคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะโดยปกติแล้วฉันไม่ชอบทำบาปไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพิ่งจะมาฝืนใจทำตัวเป็นพรานขึ้นมาบ้างก็ตอนที่เข้าป่ามากับคุณนี่แหละและที่ทำลงไปก็เพื่อจะไม่ให้คุณมาดูถูกฉันได้เท่านั้นระยะหลังๆมานี่คุณสังเกตไหมฉันไม่เคยฆ่าสัตว์อะไรเลยนอกจากป้องกันตัวอย่างเดียวเท่านั้นอ๋อ ที่ล่าสัตว์ก็เพราะต้องการจะแสดงฝีมือโชว์เพื่อขอติดตามมากับพี่ชายด้วยนั่นเองใช่สิก็เพราะคุณบล็อบฉันไว้เหลือเกินนี่เลยต้องแข็งใจแสดงให้เห็นฝีมือไว้สักบ้างจำไม่ได้หรอกเลยตอนแรกนะคุณพูดราหน้าฉันว่ายังไงคุณบอกกับฉันว่าการยิงเป้ากระดาษกับการยิงสัตว์มีชีวิตนะ่ะมันไม่เหมือนกันฉันก็จําเป็นจะต้องให้คุณเห็นสับ้างว่ะมือปืนที่ยิงแต่เป้ากระดาษนะ ถ้าจําเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ยิงเป้าชีวิตได้เหมือนกันอย่ามาทําดูหมินที่จริงไอ้ฉันไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนเลยนะมดสักตัวก็ยังไม่อยากจะทําอะไรมันอาชีพของฉันน่ะมันขัดกับสิ่งที่ต้องจําใจทําอยู่นี่แล้วฉันเป็นหมอหน้าที่ของฉันก็คือการช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนหรือสัตว์ก็ตามไม่ใช่การทําลายชีวิตอย่างพรานไพร่ใจดําอย่างคุณรู้ไว้ซะด้วย อ้าวก็ทำไมไม่พูดความจริงอย่างนี้ซะตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะร่วมทางมาด้วยล่ะครับก็ถ้าขืนพูดอย่างนี้คุณก็ไม่ยอมให้ฉันมาด้วยสิกระพินไครวันพยักหน้างึกเงึกขอบคุณมากครับที่เพิ่งจะมาพูดความจริงเอาเดี๋ยวนี้แต่ก็สายซะแล้วละ่ะที่ผมจะเอาคุณหญิงกลับไปส่งไว้ที่หนองน้ําแห้งอ๋อถึงจะเอาไปส่งก็ไม่ยอมกลับไปรับยะพรานใครใจดําคนนี้ไปถึงไหน ดารินวราริศก็จะไปถึงที่นั่นไม่ว่าสวรรค์หรือนรกขุมใดรู้ไว้ซะด้วยจะตามตื้อชมัดไปทีเดียวคุณแสงสมหรือแม่มาเรียนนะตื้อไปอยู่เพียงสองคนเมื่อไหร่ไม่เชื่อคอยดูระพินจ้องหน้าอีกฝ่ายหนึ่งจ้องประสานตอบอย่างชนิดมองลึกเข้าไปถึงแก่นใจริมฝีปากเชิดพร้อมกับรอยยิ้มนิดนิดยงท้าทายอใจริงเะครับ จะเป็นความปลาปลื้มปิติสุขที่สุดของชีวิตคนที่เกิดมาชื่อระพินใค์รวันครับเขากระซิบไม่มีสัญญาณใดๆส่งมาจากแง่สายผู้เร้นกายอยู่ที่ใดที่หนึ่งในขณะ น, นี้แต่ทุกคนก็เชื่อว่าทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวทั้งคณะกลางที่แจ้งจะต้องไม่คลาดไปจากสายตาของจอมพนเจนจร ผู้ขมังธนูคนนั้นในที่สุดทั้งสิบเอ็ดชีวิตก็ถูกนำเข้าไปสู่บริเวณเวิงถ้ำอันกว้างใหญ่วิจิตราการด้วยหมู่หินแล้วพากันหยุดยืนนิ่งเหมือนจะตั้งหลักเพื่อสำรวจไปรอบๆตัวเพราะอย่างน้อยที่สุดจะตัวจ่าฝูงซึ่งทำหน้าที่นำหน้ามาโดยตลอดนั้นได้หยุดชะงักลงและบัดนี้ยืนอยู่ณที่ใดที่หนึง่งทางมุมด้านซ้ายของคูหา ความสูงของเพดานหินเบื้องบนและความกว้างใหญ่ของบริเวณแม้จะทำให้แสงสว่างจ้าของกลางแจ้งยามตะวันบ่ายถูกอําพรางให้ร่มครึมลงก็าตามแต่ก็สามารถจะทำให้สังเกตเห็นอะไรได้ถนัดหมดทุกซอกทุกหนุ่มภายหลังจะปรับสายตาเข้าที่บริเวณนั้นสะอาดและโล่งเตียนปราศจากกิ่งก้านหรือเศษใบไม้แม้แต่ใบเดียวพื้นหินและผนังรอบด้านเรียบเป็นเงาและเลื่ม ลักษณะเป็นห้องครึ่งวงกลมโดยมีช่องทางทะลุเข้าไปสู่คูหาด้านในอีกสามด้านก่อนที่ทุกคนจะทันกว่าสายตาพินิษไปได้ทั่วถึงยังตำแหน่งอื่นใดก็พลันมาชะนัก ร, รวมจุดอยู่ที่เป้าหมายแรกพะแลไปพบเข้าทำให้ต้องเบิกตากว้างตะลึงไปชั่วขณะด้วยความยินดีเหลือที่จะกล่าวบนพื้นเบื้องหลังที่เจ้านิลเพชยืนหันหน้ามาเผชิญทุกคนนั้น สัมภาระข้าวของทุกชนิดของคณะเดินทางกองกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดูเหมือนจะครบถ้วนหมดทุกชิ้นโดยไม่ตกหลน่นขาดหายไปเลยแม้กระทั่งไม้คานสำหรับหับของชยันชี้มือทำท่าเหมือนจะร้องบอกอะไรพักพวกออกมาแต่แล้วก็ได้แต่อ้าปากค้างไม่มีเสียงอยู่เช่นนั้นเชิฐาดารินยกมือขึ้นขยี้ตาเพื่อแน่ใจว่าตาไม่ฝาดไป มารียอุทานอะไรออกมาคำหนึงในลําคออย่างแผ่วเบาสุรพินจ้องขมิงหัวใจเต้นแรงทุกคนเฉยไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งแสดงอะไรทั้งสิ้นครับเขากระซิบออกมาพอได้ยินทั้งคณะปางยืนนิ่งอยู่กับที่ไปชั่วขณะจ้องจับไปยังสิ่งของเหล่านั้นตาไม่กระพริบแทบจะระงับความตื่นเต้นยินดีเสียไม่ได้สุรพินชื่อตาฝาดไปหรือเปล่านั่นของของเราทั้งหมดใช่ไหม ดารินกระซิบกับพรานใหญ่ผู้ยืนอยู่ใกล้เบาๆครับใช่อย่า ก, กระตุกกระตากอะไรนะครับดูท่าทีมันก่อนมันเป็นฝ่ายนาเราเพื่อพบกับของของเราที่มันยึดมาเองโชคดีเหลือเกินครับมันขนมาเก็บรวบรวมไว้ครบชุดไม่ได้กระจับกระจายไปเลยผมเชื่อว่าทุกอย่างของเราครบถ้วนอยู่ในกองที่เห็ น, น, นจะประคุณเอ้ยขอข อ, ขอให้เราคืนเธอ จะให้กราบไหวยังไงก็ยอมแล้ววะชัยันพึมพำออกมาตาลุกวววขณะจิตหนึ่งที่เจ้านิลเพชรยืนอยู่เบื้องหน้ากองสัมภระเหล่านั้นเหมือนจะบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่มันยึดของของฝ่ายมนุษย์มากองรวมไว้มันทำเสียงอึในลำคอเบาๆราวก็จะพูดอะไรด้วยแล้วมันก็เดินช้าๆตรงเข้ามาที่มาเรียอย่างเจตนาเจาะจงอยู่ก่อนแล้ว คว้าหมับเข้าให้ที่ข้อมือของหล่อนออกจูงลากให้แม่มสาวผู้งงงงเดินตามไปยังอีกมุมหนึง่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเรียเดินตามการจูงของมันไปโดยดีอย่างไม่ขัดขืนสายตาอันน่าพิษวงของทุกคนก็พลันเบนตามการเคลื่อนไหวของมันกลับมาเรียไปจึงเพิ่งจะสังเกตเห็นเอาเดี๋ยวนี้เองว่าบนแท่นหินสูงจากระดับพื้นประมาณสามฟุต มีร่างใหญ่โตมาคือมาร่างหนึ่งรุงรังไปด้วยขนสีดำปนน้ำตาลดูปแปลกไปนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนแท่นหินนั้นเป็นร่างที่ใหญ่กว่าเจ้านิลเพชรหรือคุณธรมนศักดิ์ของชายันซึ่งจัดว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดของฝูงเท่าที่เห็นจะอีกร่างนั้นเห็นผาดผาดในขณะนี้ว่านอนสงบนิ่งไม่ได้ขยับขยื่นเลยเงาสลัวของมุมนั้นทาให้เห็นยังไม่ถนัดนัก มันจูงมือมาเรียนำเดินเข้าไปที่ร่างที่เห็นนอนอยู่นั้นทุกคนขยับตัวแต่รพินทาสั ญ, ญญาณให้สงบนิ่งอยู่กับที่ก่อนทุกคนเห็นมาเรียฮอฟมันเดินตรงไปยังร่างประหลาดบนแท่นหินนั้นอย่างระมัดระวังโดยมีเจ้าตัวนั้นจูงมือหลอนนำเข้าไปด้วยโดยไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งชิดแท่นหินแมมสาวมีสีหน้าแสดงอาการประหลาดใจเหลือที่จะกล่าว ต่างเห็นหล่อนก้มลงจ้องพิจารณาร่างที่นอนนิ่งอยู่นั้นเป็นเวลา น, านานครู่ใหญ่ขณะนั้นเจ้าธมลศักดิ์ของชายันปล่อยข้อมือหล่อนออกแล้วและมันยืนอยู่ข้างๆด้วยส่งเสียงอื้อในลําคอพร้อมกระบกมือตีภาษาบา้ามาเรียอยู่เช่นนั้นและมาเรียก็ค่อยๆเ อ, อ, อื้อมมือไปแตะต้องสัมผัสร่างกายนั้นเหมือนจะสํารวจดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครทายเหตุการณ์ได้ถูก นอกจากพากันจ้องขมิงเบื้องหลังของทุกคนบริเวณปากทางเข้ากองกำลังที่ควบคุมประมาณสิบตัวปิดปากทางรายล้อมอยู่ห่างๆส่วนนางนิลาวันแม่ลูกอ่อนคงตามเข้ามาหยุดยืนสีขาอยู่ข้างๆดารินผู้ยังอุ้มลูกของมันอยู่ด้วยเหมือนจะคอยเฝ้าใกล้ชิดต่อมาอีกอึ่ใจใหญ่ๆมาเรียก็เงยหน้าขึ้นด้วยอาการตื่นตื่นออกเสียงเรียกดารินอย่างร้อนรน แต่ภายเบาน้อยเข้ามานี่สิเร็วเข้าเธอเข้ามาคนเดียวนะให้พวกเราคนอื่นๆรออยู่ที่นั่นก่อนดารินงงหันหน้ามองพักพวกทุกคนเจฐาก็เอามือผลักหลังเบาๆพยักหน้าเตือนให้หลอนเข้าไปตามเสียงเรียกของแม่เพื่อนสาวต่างผิวซึ่งมีอาการพิกลอยู่หมอดารินจึงก้มลงปลดเจ้าลูกลิงที่เกาะติดคอส่งคืนไปให้แม่ของมันตามเดิม แล้วจะหุดฝีเท้าตรงเข้าไปสมทบกับมาเรียอย่างคาดอะไรไม่ได้แล้วหล่อนก็มองเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนอย่างเดียวกับที่มาเรียเห็นก่อนแล้วด้วยความตะลึงงงโดยลักษณะทั่วท่วไปที่แทบจะไม่มีอะไรผิดกับเจ้าลิงพันนินซึ่งทุกคนเห็นมาก่อนแล้วว่าเจ้าของร่างนอนทอดกายงายเยียดยาวอยู่บนแท่นหินในอาการเดียวกับมนุษย์เสียช ส่วนที่แตกต่างกันออกไปก็คือขนาดที่กำยำพ่วงพีมีส่วนสูงถึงร่วมเจ็ดฟุตขนสั้นกว่าตัวอื่นๆและแทนที่จะมีสีดำปลอดกลับเป็นสีเทาสลับไปกับน้ำตาลจางๆส่วนอันน่าประหลาดใจที่สุดซึ่งดาริงจ้องลืมตาโพรงแทบไม่หายใจอยู่ในขณะ น, นี้ก็คือวงหน้าสันฐานสวดทรงของใบหน้านั้นมันใกล้เคียงกับมนุษยชาติมากที่สุด หรือถ้าจะให้ละไม้ไปทางลิงก็เพราะอุปมาณเอาได้เป็นทรงหน้ายาวลงมาแทนที่จะกลมขนบนหน้าบางหน้าผากสูงริมฝีปากยื่นหนามีเข้าโครงของสันจมกูกซึ่งเป็นของคนมากกว่าสัตว์ประเภทลิงกรอบตาลึกมีเบ้าเป็นสัดส่วนและมีขนคิ้วหนาแยกต่างหากออกไปจากขนอ่อนๆที่ปกคลุมใบหน้าอยู่บางๆ แผง อ, อกหัวไหล่และขนขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามได้ส่วนและโดยอาการที่นอนหงายเหยียดยาวอยู่เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถยึดกายตรงเป็นแนวฉากกับพื้นในลักษณะของสัตว์ตสองขาแท้จิงร่างนั้นนอนหายใจรวยๆดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทส่วนกลางของลำตัวตรงบริเวณหน้าท้องดารินสังเกตเห็นผาดผาดว่ามีใบไม้หรือสมุนไพร ลักษณะถูกบดหรือเคี้ยวจนแหลกปกคลุมปิดอยู่เป็นแผ่นสองสาวสองเชื้อชาติผู้เป็นนักวิชาการคนละประเภทบัดนี้หันมาจ้องตากันเองด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกมาเรียบุยปากไปยังใบหน้าของคนที่นอนอยู่นั้นกระซิบออกมาเบาๆที่สุดน้อยเธอคิดว่าเจ้านี่คืออะไรดารินเม้มปากแน่น จ้องเขมงอีกครั้งความตึงความตื่นเต้นทำให้กายของหลอนสั่นน้อยๆพระเจ้าฉันคิดว่าเขาควรจะเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติพวกเรานี่เองนี่แอนเดอร์ทอนแมนมนุษย์ในยุคต้นประวัติศาสตร์ถ้าตาฉันไม่ฝาดปรหลาดเหลือเกินเมมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุดฉันก็กำลังคิดอย่างเดียวกับเธอน้นอย เรามาพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่คาดฝันอีกแล้วนะเนี่ยมาเรียพูดเสียงสั่นเช่นเดียวกับดารินสังเกตดูจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานี่มันน่าจะบอกกับเราได้ชัดพอสมควรทีเดียวนะร่างที่นอนอยู่นี่คือหัวหน้าใหญ่ที่สุดหรือเจ้าของพวกมันทุกตัวที่ชมรมหมู่กันอยู่นี่ก็คือพยาวานอนผู้ปกครองนะครลิงดำนี่ทั้งหมด แล้วเขาเป็นอะไรล่ะนั่นทำไมถึงนอนหลับตานิงอยู่เช่นนั้นก็ยังหายใจอยู่ไม่ใช่เหรอสองสาวพูดกันในลักษณะกระซิบกระซาดฉันพอจะมองเห็นอะไรได้ลางๆแล้วล้าน้อยมาเรียกล่าวสีหน้าปั้นยากที่สุดแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปเลิกเปิดแผ่นของสมุนไพรเปียกๆที่วางอยู่บนหน้าท้องของร่างนั้นให้ดารินดูดูนี่สิน้อยเห็นไห พอหน้าทองบริเวณนั้นถูกเลิกเปิดขึ้นภาพปรากฏกับสายตาดารินถึงกับยกมือขึ้นปิดปากเกือบจะเผยอุทานออกมาด้วยความตกใจบริเวณส่วนหน้าทองอันมีขนไม่มากนั้นแลเห็นได้ันัดว่าเป็นบาดแผลเหว ะ, วะอย่างหน้าเสียวไส้เลือดแห้งผสมกับสมุนไพรเกะกรังไปหมดมันเป็นแผลกว้างจักกันจนสามารถมองเห็นตับและลำไส้าบางส่วน ถ้าเยอะขึ้นลงตามจังหวะการหายใจนั้นสัญชาตญาณของแพทย์ทำให้หลอนก้มลงไปสำรวจตรวจดูอย่างละเอียดที่สุดแล้วเงยหน้าขึ้นมองมาเรียหน้าซีดต่างพากันพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะจนกระทั่งมาเรียเป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นมาว่าพอจะบอกได้ไหมน้อยว่าบาดแผลนี่มันเกิดจากอะไรนานเท่าไหร่แล้วสาหัส และพอมีหวังที่จะช่วยชีวิตได้ไหมคำพูดนั้นเหมือนเตือนคำพูดเหมือนเตือนจากเพื่อนสาวชนิดนั่นเองทำให้หมอดารินหันไปตรวจบาดแผลอย่างถี่ถ้วดอีกครั้งตลอดเวลาไอ้มลเพรยืนมองหน้าหลอนกับมาเรียสลับกันอยู่ไปมาเช่นนั้นลักษณะไม่ผิดอะไรกับเจ้าของไขยที่รอคอยความช่วยเหลือจากหมอและหมอดารินก็ยืดกายตรงขึ้น จกัดมากบาดแผลเกิดจากสัตว์้ายประเภทมีเขาหรืออาวุธอะไรที่มากกว่าเขียวเปิดผนังหน้าท้องเป็นแผลกว้างจนไส้ไหลเหตุการณ์คงเกิดขึ้นกว่าสี่แปดชั่วโมงนี่แหละเมเราเห็นจะได้คำตอบแล้วในข้อที่ว่าพวกเราทั้งหมดถูกเจ้าลิงดำฝูงนี้นำมาที่นี่ทำไมขณะนั้นเองดวงตาที่ปิดสนิทอยู่ของร่างนั้นก็ค่อยๆเปิดขึ้น ครั้งแรกมันอยู่ในแนวรีปลือแต่แล้วเงาของมนุษย์สองคนที่ยืนอยู่ในระยะใกล้คงจะกระทบเข้ากับจักสุปราศาสตร์จึงลืมกว้างสว่างโพลงขึ้นในทันทีจ้องเขม็งดารินยืนอยู่ใกล้ชิดที่สุดตาของหล่อนประสานเข้ากับดวงตาคู่นั้นอย่างจางังครั้งแรกทำให้เกือบต้องพังงะถอยกรูดออกไปแต่แล้วก็รู้สึกสะกดความรู้สึกอันวาดวานันพร่นพึงทั้งมวลลง โดยยึดเอากุศลจิตแผ่เมตตาเป็นที่ตั้งหลันยืนมองดวงตาคู่นั้นนิ่งเฉยคันแล้วก็รู้สึกว่าดวงตาบนใบหน้านั้นผิดแผลกไปกว่าตาดิรฉานชาติทั้งหลายมันน่าจะเป็นดวงตาของมนุษย์ที่สามารถทำความเข้าใจกันได้เพราะแววของมันแม้จะเต็มไปได้วยความทมึงทึงดุดันดุกล้าวสักบานใดก็ตาม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 พร้อมกับโครงตัวอยู่ไปมามีเสียงครางแหบฮ่าในลำคอออกมานิดหนึ่งพร้อมกับร่างนั้นก็ขยับไหวกายมีอาการเหมือนจะลุกขึ้นแต่ดารินเอื้อมมือมาแตะที่ช่วงไหล่อันเหมือนพเนิรเหล็กซากหนาไปด้วยขนปกคลุมนั้นเบาๆพร้อมกับสัน่นสีสันช้าๆพูดว่าอย่าอย่าขยับตัวนอนเฉยๆจะปลอดภัยที่สุด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 ที่กดไว้กับไหล่รูปคลำํำคลายจะหาอาการสัมผัสแล้วลดตัวลงนอนราบโดยดุษณีมองหน้าหลอนพร้อมทั้งกระพริบตาปริบ ป, ปริบอยู่เช่นนั้นเต็ไมไปด้วยความอิดโรยอ่อนเปรีย้ยแลเห็นได้ชัดและในที่สุดตาทั้งคู่ก็ค่อยๆโรยรีปิดสงบลงอีกมารียกมือขึ้น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 บักนี้ยืนมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีในลักษณะอาการกระสับกระสายเชดทาชัยยันรบพินและพรานทั้งหมดพอมองเห็นได้ถนัดในสิ่งที่ดารินกับมาเรียเข้ามามุงซุบซิบพูดอะไรกันอยู่ก่อนก็ดูเหมือนแทบจะททยเหตุการณ์ออกมาได้หมดทุกคนด้วยความมุนงงพิศวงใจจนสุดที่จะบรรยายได้พากันนิ่งขึงไปชั่วขณะเจ้าเมืองขีด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 ท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างเป็นการเป็นงานปลุกพวังคิดอันเต็มไปได้วยความพิศวงอัศจรรย์ใจของทุกคนขึ้นดารินค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดแผ่นสมุนไพรสีดำคล้ำแฉะที่ปิดอยู่บนแผ่นทองของร่างนั้นให้ทุกคนเห็นแทนคำตอบแตงุทานออกมาเบาๆเป็นเสียงเดียวกันหมดด้วยความตกใจต่อบาดแผลที่เห็นแพทยสาวนักมนุษยวิทยามองไปทางพรานใหญ่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 และเจ้าสัตว์ชนิดนี้ต่อสู้แบบจนตรอกฝากพิษสงไว้ให้เป็นการพลั้งพลาดของฝ่ล่าเสียมากกว่าจอมพรานตอบแผวต่ำรีตาลงอย่างหวาดเสียวต่อสภาพของบาดแผลนั้นแผลน้ากลัวเหลือเกินมองเห็นตัดเลยแต่เขายังไม่ตายไม่ใช่หรือน้อยค่ะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็คงไม่อยู่รอดเกินกว่าห้าหรือสิบนาที ภายหลังจากเกิดบาดแผลเช่นนี้แต่สภาพความอดทนของร่างนี้มีสูงมากเป็นคุณ ล, ลักษณะของความอดทนเช่นเดียวกับสัตว์ป่าทรหดทั่วไปก็จึงหายใจอยู่ได้เป็นเวลาข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งไอ้นิลเพช ต, ตัวนี้พาพลพรรไปต้อนพวกเรามาถึงนี่ั้าเงนินไอ้พวกนี้ลงทุนลงแรงไปต้อนเรามาก็เพื่อจะให้เราหาทางช่วยหัวหน้าใหญ่ของมัน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 ขอบคุณพระเจ้าที่บรรดาให้เรามากำมันอย่างสงบโดยไม่ต่อสู้ขัดขืนทำอะไรให้แตกหักลงไปสะก่อนจนงกระทั่งมาพบคำตอบอวินาทีสุดท้ายนี่มันต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่ได้คิดที่จะหักหานก้าวราวอะไรอย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกเลยความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้ผันเปลี่ยนไปหมดสินมมองเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีใครคิดหวาดระแวง รือมองเห็นเจ้าลิงดำที่แวดล้อมรอบตัวอยู่ในขณะนี้เป็นศัตรูอีกแล้วสถานการณ์มันกลับกลายไปอย่างไม่คาดฝันเชตาเอื้อมมือไปจับที่แขนของร่างนั้นมันเป็นแขนของมนุษย์ร่างใหญ่เราดีๆนี่เองเพียงแต่ปกคลุมไปด้วยขนหนาผิดปกติไปบ้างเท่านั้นความรู้สึกของหัวหน้าคณะยามนี้เต็มไปด้วยความเมตตาและห่วงใยเต็มที่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 เท่าๆกัที่มีแรงต้านทานต่อไปได้อีกพอสมควรเขาก็จะรอดชีวิตได้เอาละ่ะอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องอื่นใดก่อนทั้งสิ้นเลยลงมือเดี๋ยวนี้เถอะช่วยกันเร็วเร่งเวลาได้เท่าไหร่โอกาสที่เราจะช่วยเขาได้ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเชตาพูดเร็วปรืออย่างตัดสินใจเด็ดขาดแล้วหมุนไปรอบๆ ร, ระหว่างที่ยังทาอะไรกันไม่ถูกเป็นอันดับแรกนั้นมาริยหันไปทางเจ้านิลเพช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 เจ้าทหารเอกเมือขีดขินพยายามจะเอียงหูอ่านคำพูดของมาเรียและส่งเสียงอึกอักในลําคอทีทีสแสดงอาการโบกมือวุ่นไปหมดยังไม่รู้เรื่องมาเรียพยายามตีใบประกอบคําพูดอยู่อีกหลายครั้งมันก็คงไม่สามารถจะเข้าใจได้อยู่เช่นนั้นในที่สุดหล่อนก็คว้าข้อมือของมันพาจูงไปที่กองสัมภาระซึ่งวางตั้งรวมกลุ่มอยู่อย่างเป็นระเบียบซึ่งมันก็ยอมเดินตามต้อยต่อยไปโดยดี เชษฐารีบสั่งให้ช ย, ยันและพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเดินตามเข้าไปด้วยทันทีสำรวจของของเราทุกชิ้นนะช ย, ยันตรวจดูด้วยว่าอยู่ครบถ้วนดีหรือไม่ท่านหัวหน้าคณะสั่งบัดนี้ริมแท่นหินที่พยาวานอนนอนสงบหลับตานิ่งหายใจรวยๆวยอยู่นั้นจึงเหลือแต่เพียงระพินเชษฐาและดารินสามคนเท่านั้นซึ่งทากันพิจารณาดูเจ้าของร่างด้วยความประหลาดใจไม่สั่ง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 นอกจากจังหวะหายใจแผ่วๆเท่านั้นขนะนั้นเองพรานใหญ่ก็สกิดเชืฐถาเบาๆท่านหัวหน้าคณะหันไปก็เห็นระพินชี้มือไปที่ริมผนังหินใกล้ๆแทนหินนั้นซึ่งมีอะไรชนิดหนึ่งวางพิงอยู่เขาเองก็เพิ่งจะเหลียวมาพบสังเกตเห็นเมื่อจอมพรานสกิดบอกเดี๋ยวนี้เองพอแล้เห็นถนัดก็ขมวดคิ้วชงนเอ๊ะคล้ายๆสากหรือกระบองนะ เช็ดทาร้องเบาๆวัตถุนั้นคือแท่นหินกลมแท่งหนึ่งยาวประมาณวาศษปลายด้านหนึ่งกลมใหญ่คล้ายสากดำเข้าเรื่องๆอีกด้านหนึ่งเรียวเล็กลงมารูปร่างเป็นหินแกรง่งสีดำกลมกลึงเหมือนจะได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีคเนจากขนาดความยาวและเส้นรอบวงกะว่าอยู่ในระหว่าง 90-120 กิโลกรั ทั้งสองมองหน้ากันอีกครั้งเชิดาเดินอ้อมไปพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดระพินเลี่ยงตามเข้ามาด้วยต่างเอื้อมมือไปแตะต้องสัมผัสเพื่อสำรวจดูมันอย่างพินิษแล้วเชิดาก็กลืนน้ำลายฝืดๆกระซิบต่อมาว่านี่มันกระบองซิยิ่งกุยทีเดียวผมว่าขนาดกระทิงถูกเข้าโครมเดียวละคอหักทันทีคุณคิดหระว่ามันจะเป็นอาวุธคู่มือของชายประหลาดผู้นี้ สังเกตขนาดร่างกายและน้ำหนักตัวของเขาสิครับแล้วคุณชายจะเห็นว่าเขาสามารถจะใช้เจ้าตะบองหินที่เราผลักแทบไม่ขยื่อนอันนี้เป็นอาวุธคู่มือได้อย่างสบายที่สุดผมคิดว่านักมวยปล้ำขนาดหนักของโลกสักห้าคนก็คงแรงไม่เท่านี่มันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขารู้จักมีเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องผ่อนแรงในการดํารงชีพซึ่งผิดไปจากสัตว์ป่าทั่วไป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 ท่ามกลางนครลิงดำซึ่งเปรียบเสมือนอาณาจักรอาณาประชาราษฎร์ของเขาและเขาเป็นเจ้าปกครองมันว่าแต่เขามีเพียงคนเดียวเหรอที่มีรูปร่างเหมือนคนเป็นคนอย่างนี้เชษฐาพูดอย่างตื่นเต้นครับมันทั้งประหลาดและลึกลับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงอยู่ถ่ามกลางลิงพวกนี้เหมือนจะเป็นพ่อของมันทุกตัว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 พอที่จะช้าแหละเชื่อเฉือนเนื้อได้ไม้ท่อนขนาดใหญ่ที่แกะเสาะด้วยของมีคมให้เว้าลึกลงไปซึ่งพอจะอนุมานได้ว่าเอาไว้สำหรับเป็นภาชนะใส่ของและในขณะนี้มีน้ำใสสะอาดถังไว้เต็มเปลี่ยงสิ่งประกอบในความเป็นอยู่เหล่านี้ถ้ารู้จักประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ได้ผู้ทํามันขึ้นมาจะต้องเป็นสัตว์ชั้นสูงประเภทมนุษย์เท่านั้นกระพิน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 ว่ารายงานข่าวจากแงซรายที่อ้างว่าได้รับทราบมาจากอาจารย์ของมันอีกทีหนึ่งนะ่ะเป็นความจริงแล้วนี่พวกมันรู้ได้ยังไงนะว่ะเราสามารถที่จะช่วยเจ้านายผู้กําลังเจ็บหนักของมันได้จนถึงก็ยกพลไปล้อมจากต้อนพวกเรามาหรือจะเรียกว่าเชิญก็ได้เหมือนกันคือเชิญให้เรามาช่วยหัวหน้าของมัน่านใหญ่ฝืนยิ้มสันสีสะแช่มช้าเขาเองก็งง ง, งันไปหมดเช่นกันหันไปมองหน้าหมอดาริน คุณหญิงตรวร่างกายของเขาแล้วไม่ใช่หรือครับมีอะไรทางหลักวิชาแพทย์หรือมนุษยวิทยาที่จะค้านว่าเขาไม่ใช่มนุษย์บ้างหรือไม่ราชาสกุลสาวเต็มด้วยความอัดอั้นใจจับสายตานิ่งอยู่ที่ร่างนั้นตามหลักมนุษยวิทยาแล้วแง่ท า, ายก็น่าจะพูดได้ถูกต้องนะนะเขาคือมนุษย์วานอรหรือนีแอนเดอร์ทอลแมนซึ่งเป็นมนุษย์ในยุคต้นที่เริ่มจะ ก, กลายสภาพจากลิงใหม่ๆก่อนมนุษย์ยุคหิน หริที่เราเรียกกันว่าคนถ้ำซะอีกคนดึกดาบรรประเภทนี้มีสันฐานโครงร่างไม่ผิดอะไรกับคนในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยเพราะมีอะไรต่ออะไรในร่างกายใกล้เคียงกับบรรพบุรุษลิงอยู่เป็นอันมากเป็นการแปล ร, รูปกรรมกึ่งกันระหว่างลิงมาสู่คนสังเกตได้จากทรงกะโหลกขนตามร่างกายและแขนขาที่ผิดส่วนไปจากคนตามหลักวิชามานุษยวิทยาแล้ว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 สังเกตได้จากทรงกระโหลกขนตามร่างกายและแขนขาที่ผิดส่วนไปจากคนขนักที่พูดหมอดารินชี้ให้ดูเกี่ยวกับการตรวจสภาพร่างกายก็เหมือนกันนะฉันไม่อาจบอกอะไรได้ชัดเจนนะักรู้สึกแต่เพียงว่ามันผิดจากมนุษย์ธรรมดาไปมากลมหายใจช่วงยาวกว่าคนชีพจรเต้นในจังหวะที่ผิดไปจากคนกลุ่มเลือดถ้าตรวจสอบได้ก็เชื่อว่าคงไม่เหมือนคนอย่างเราเราทั่วไป บางทีจะเป็นทัศสะภาพแตกต่างชนิดนี้แหละที่ทําให้เขามีความทรห็ดอดทนได้เป็นพิเศษนี่ก็ดีที่ว่าเรามาพบเขาในสภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ถ้าจูจูไปพบกันเข้ากลางป่าโผล่มาก็คงได้วิ่งกันป่าราบแล้วนึกว่าเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาและขนาดร่างกายของเขานะ่ะมันน่ากลัวกว่าพวกลิงบริวารซะอีกเมื่อกี้นี้ก่อนที่พวกเราคนอื่นๆจะเข้ามาเขาลืมตาขึ้นมองหน้าฉันกับเมย์อยู่อึดใจหนึ่ง ข้าสาบานได้ว่ามันเป็นแววตาที่พอจะอยังทราบเข้าใจความกันได้ดีทีเดียวแม้จะดูทะมึงทึงหน้ากลัวสักเพียงใดก็ตามยังเอามือมาจับคลำ ม, มือฉันเลยแล้วเขาก็ปิดตาลงอีกเขาพูดหรือออกเสียงอะไรหรือเปล่ามีหลอดเสียงสำหรับที่จะเปล่งเป็นท้อยคำออกมาได้เหมือนคนไหมพี่ชายถามหมอดารินกัดริมฝีปากน้อยได้ยินเขาคลออกมาครั้งหนึ่งครับพี่ใหญ่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 บุญคำและเกิดขนเอาหีบเวชภัณฑ์ของหมอดารินเข้ามาด้วยและไอ้นิลเพชรก็คลานสี่ขาโ ง, ง่ง้างตามหลังมาเรียเข้ามาด้วยตามเคยวิเศษมากเชษด้าชั ย, ยันบอกพร้อมกับยิ้มร่าของของเราทุกชิ้นอยู่ครบและเป็นระเบียบไม่มีอะไรขาดหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากระบอกสอนของแง่ทรายซึ่งเราพบและเก็บไว้ได้ก่อนแล้วเท่านั้นขนาดบ้องกัญชาของเจ้าสางานะ่ะ มันยังอุตสาเกบมาด้วยเลยแน่ใจเหรอครับคุณชายยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของเรานะครับกระบินระพินถามพลอยยิ้มออกมาได้ด้วยแน่ใจสิผู้กองผมกับเมย์ช่วยกันตรวจสอบละเอียดหมดแล้วระหว่างที่เราค้นตรวจของอ่ะไอ้ธโมนี่มันไม่ได้ขัดขวางอะไรเลยยืนดูเฉยเฉยคล้ายๆกับมันร้วทําไมเราเข้าไปที่สัมภาระของเราแล้ว เจ้านายของมันจะไม่มีโอกาสรอดได้งั้นแหละมันเข้าใจความหมายได้ทุกอย่างดีที่สุดเพียงแต่ใช้ภาษาพูดกันไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละดารินไม่ยอมเสียเวลาไปอีกเลยแม้แต่นิดเดียวหล่อนถอดถุงมือหนังออกวางไรเฟิลลงอย่างไม่คิดว่าจําเป็นต้องติดมืออีกแล้วราบใดก็ตามที่หล่อนอยู่ในอาณาจากักรนี้และเปิดอีบเครื่องมือเวชภัณฑ์ของหล่อนออกอย่างรีบด่วนมาเรียตตรงเข้ามาเป็นลูกมืออย่างว่องไวแข็งขัน ในระหว่างที่ช ย, ยันเชิฐาและรพินหันไปสั่งพวกพรานพื้นเมืองทุกคนที่มุงล้อมเกะกะอยู่ให้ถอยออกไปสงบนั่งพักพร อ, อยู่ตรงกองสัมภาระก่อนโดยกําชับไม่ให้เดินเกะกะหรือออกไปนอกบริเวณปากเพิงหินนอกจากให้รวมกลุ่มกันโดยสงบอยู่เช่นนั้นหมอดารินยามนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาจากที่ได้เดินกลับกลัมมาลลืมหายเป็นปริทิ้ง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 ทุกคนได้ยินเสียงหล่อนพึนพมพำเหมือนจะพูดคนเดียวให้สุดฝีมือเลยนะน้อยพวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยเธอด้วยขอให้ภูมิใจซะเถอะว่าเธอเป็นสัญญาแพทย์ที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีโอกาสได้ผ่าตัดช่วยชีวิตพระเจ้ากรุงขีดกินกษัตริย์เมืองลิงดำไว้อย่าให้พลาดเป็นอันขาดชัวนะถ้าพระองค์รอดพระชนชีพได้ก็คงประทานราชซั์ในท้องประคลังให้อย่างมหาศาล และแต่งตั้งให้เธอเป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักหรือตำแหน่งมกุฎราชกุมารีสืบทอดบัลลังก์แทนพระบิดาก็ได้ชยันกระซิบเบาเบาหมอดารินอดยิ้มออกมาไม่ได้จุ ป, ปากเบาเบานี่อย่าพูดเล่นไราสาระทำลายสมาธิฉันอยู่เลยแต่ชยันไปซะไปทั้งเธอทั้งพี่ใหญ่และรพินน่แหละถอยไปนั่งพักสักเถอะปล่อยฉันกเมไว้ตามลาพังดีกว่าขอเวลาสักยี่สสาสิบนาทีเท่านั้น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 พวกมันเหล่านั้นแม้จะยัดเยียดออแน่นกันอยู่เป็นจำนวนมากมายแต่ก็มีระเบียบ ด, ดีพอสมควรคือมามุงดูชะเงอชะแงอยู่ตรงบริเวณปากทางเท่านั้นไม่มีตัวใดรุกรวงล่วงรุกล้ำเข้ามาให้เกิ ก, กะบริเวณลานภายในและไม่ส่งเสียงเกี้ยวเจ้าเอ็ดอึงขึ้นเลยคงมุงดูอยู่อย่างเงียบสงบและสำรวมเท่าที่สัญชาตลิงจะทาได้ ชา ย, ยันหันไปมองแล้วหัวร้อฮือชอบใจนั่นหินจะเป็นเหล่าพระสนมกำนันเสนาพฤฒามากมาเฝ้าแหล้อมดูอาการประชวนของท่านเจ้าเมืองขณะที่แพทย์ต่างแดนถวายการผ่าตัดว่าแต่ว่าถ้าคุณหมอดารินเอาชีวิตของเจ้าเหนือหัวของมันไว้ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้นะมันมีกฎไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้สินะว่าทักษัตร์ของมันตาย หมอที่รักษาต้องรับโทษด้วยเสือกไปถูกอะไรคุกิดมาก็ไม่รู้สิทั้งเชษฐาและรผินไม่สนใจกับคำพูดแบบไม่มีอะไรจะพูดของชายยันต่างช่วยกันหันไปสํารวจของอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะให้แน่ใจที่สุดแล้วก็พบว่าเท่าที่ชา ย, ยันกับพวกนั้นตรวจไว้ก่อนแล้วนั้นถูกต้องไม่มีสมบัติ ข, ของคณะเดินทางชิ้นใดขาดตกสูญหายไปเลย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 แก้วลิงดำพวกนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือขยับขยื่นส่วนใดของกลไกปืนทั้งสิน้นคงจะแบกขนเคลื่อนย้ายกันมาเฉยๆสางปานั้นบัดนี้สบายอารมณ์และตาใสขึ้นแล้วเพราะได้บ้องกัญชาคืนนอนไข่ห่างดูดควันอยู่ครอกครอกท่าทางกระปรีก้กระเปร่ามีแรงขึ้นจากอาการที่จะตายไม่ตายแลตลอดระยะเวลาบชั่วโมงที่ผ่านมา ทุกคนนั่งพักกันอยู่ด้วยอาการสงบเพื่อรอฟังผลของหมอดารินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ง่วนอยู่นี่ผู้กองผมว่าผมพอจะอ่านเหตุการณ์ได้โดยตลอดแล้วนะอนดีตท่านทูตทหารบกกล่าวแก่จอมพรานในขณะที่ตามองจับอยู่ที่กองสัมภาร ะ, ะด้วยความหวังอันแช่มชื่นขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ก่อนที่มันจะลงมือดาเนินงานเพื่อเอาตัวพวกเราทั้งหมดมา มันได้วางแผนไว้แล้วอย่างฉลาดเยี่ยมที่สุดคุณพอนึกออกไหมเราใช้พวกนี้ไปตัดนหนามไวโดยพวกเรารออยู่ตรงที่พักไอ้ตัวพ่อมดของมันก็เลยไปดักสะกดทำให้พวกนี้เดินวนเวียนหลงป่าอยู่โดยหวังให้พวกเราที่เหลือออกไปตามจะได้ทิ้งข้าวของไว้แต่ปรากฏว่าคุณออกไปตามคนเดียวประจบะที่คุณยิงไอ้ตัวพ่อมดของมันร่วงลงมาจากยอดไม้เสียงปืนทาให้พวกเราแห่กันออกไปหมด ด้วยความเป็นห่วงทิ้งปางพักไว้ซึ่งก็เลยได้โอกาสเข้าแผนของมันดอดเข้ามาขโมยของของเรายึดมาซะเพื่อเป็นการตัด ก, กำลังและเพื่อบังคับให้เราจำนนต่อมันมันจะต้องรู้ดีที่สุดว่าถ้าเรารวมกลุ่มกันอยู่ครบทีมมียุทธสัสมภาระพร้อมมูลอยู่เช่นนี้เรากับมันจะไม่มีวันเข้าใจอะไรกันได้เลยเพราะถ้ามันบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็คงแหลกกันไปข้างหนึง่งเมื่อนั้นจึงวางแผนขโมยของไปซะก่อน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 ดีไม่ดีไอเสือนั่นเกิดบ้าระห่ำขึ้นมานึกว่าพวกเราได้รับอันตรายเกิดยิงธนูติดระเบิดพาเข้ามากลางเมืองลิงนี่มันได้ยุ่งกันใหญ่อะจอมพรางขยับลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นก่อนที่เขาจะก้าวไปทางปากเพิงซึ่งบัตร น, นี้รายล้อมแน่นขนัดไปด้วยไพรพลลิงที่มาชะเง้อดูตัวเจ้านายของมันอยู่เชษฐาก็บอกว่าระพินบอกนายไปนะว่า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 แต่แล้วทันทีนั้นเขาก็แทบจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงหัวรอฮือดังมาจากเบื้องหลังพร้อมกับเสียงพูดห้าวกังวานแจ่มใสดังมาว่าแนซายอยู่นี่ครับผู้กองหันขวักมาตะลึงจ้องร่างของจอมพนเจนจรสหายศสึกของเขาอยู่บนก้อนหินเตียเตียในลักษณะเอ็เอกเอนก อ, อย่างสุขารมณ์ในมือถือผลไม้ชนิดหนึ่ง กัดแทะเคี้ยวเยิบเยอบอยู่ในปากกำลังยิม้มและสงสัยตาเป็นประกายใสายวาวจับมาที่เขาก่อนแล้วทันธนูและกระบอกสอนสะพายติดอยู่กับไหลแง้าทายเขาทันหนักๆในลำคอจองขมิงแล้วพรวดก็ามาถึงตัวไปยังไงไม่ยัง ไ, ไงไกันนี่ทำไมแกขัดคำสั่งของฉันตามที่กำหนดไวเสื้อกลงมาที่นี่ทำไมเจ้ากระเลียงโฉมงามยิ้มละไม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 แกแกรู้อะไรเหล่านี้ได้ยังไงนี่แงสายนิ่งไปนิดหนึ่งระหว่างที่สายตาประสานกันนิ่งนั้นระพินไม่สามารถจะอ่านสิ่งใดได้ทั้งสิ้นจากประกายตาอันลึกลับนั้นขณะจิตต่อมาอดีตรอยโทรกองจนเกรเรียงก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงจากก้อนหินที่ขึ้นไปเอนเอกเนกนอนอยู่ยืนประจันเบื้องหน้าของจอมพลานผู้กองครับ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 ซึ่งยังมุงแน่นขนัดไปได้วยฝูงวานรนแล้วพูดเบาๆว่าวายานะถูกไดโนเสาร์ประเภทมีเขาชนิดหนึ่งขวิดในระหว่างนำฝูงบริวารออกทำการล้อมล่าเขาไม่เคยพลาดให้กับศัตรูใดามาก่อนเลยแต่ครั้งนี้เป็นคราวเคราะห์เหตุการณ์เกิดขึ้นมาสองวันล่วงมาแล้วครับนี่มิลิงพวกนี้ตัวไหนมันพูดภาษาคนได้แล้วมันบอกความนี้กับแกอย่างนั้นเหร คำถามอย่างประชดแดกดันของเขาทําให้แงซสายยิ้มออกมานิดหนึ่งผู้กองครับจะสงสัยเลยว่าผมจะมีความลึกลับซ่อนเร้นอะไรเลยมันเพียงแต่ผมไปพบเข้ากับสิ่งมหศัศจรรย์ชนิดหนึ่งค่ะสิ่งมหศัศจรรย์ชนิดนี้แหละครับที่ทําให้ผมรู้และเข้าใจอะไรได้จนทําให้ต้องลงมาดักพบผู้กองตรงนี้โดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้กองส่งสัญญาณเรียกขึ้นไปว่าแต่ว่า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 เอาละสิ่งมหัศจรรย์ที่แกว่าเนีะ่ะอยู่ที่ไหนแงใสชี้มือขึ้นไปบนหน้าผาสูงเหนือเวิงถ้ำอันเต็มไปได้วยต้นไม้ทึบก็ไม่ไกลหรอกครับปีนขึ้นไปบนนั้นตรงตำแหน่งที่ผมหลบคุ้มเชิงอยู่ตามคำสั่งของผู้กองแต่แรกนั่นแหละไม่เกินสิหานาทีก็ถึงครับจอมพลแง่มองตามเม้มริมฝีปากแน่นนายหญิงคงจะต้องใช้เวลานา น, านพอสมควรทีเดียว กว่าจะเย็บบาดแผลหัวหน้าใหญ่ของฝูงธรมโมนพวกนี้เสร็จส่วนพวกเราคนอื่นๆก็คงจะพักผ่อนกันก่อนระยะเวลาระหว่างนี้แกพาฉันขึ้นไปให้เห็นกับสิ่งที่แกพูดก่อนดีกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตามผมมาครับ่ปวสั้นๆเพียงแค่นั้นแง่สายก็เดินนำทันทีตัดทางเข้าหาหน้าผาอันสูงชันตอนหนึ่งห่างจากบริเวณเวิงถ้าออกไปด้านหนึ่ง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 ระหว่างระพินเกาะกิ่งไม้เลี้ยวสำรวจภูมิประเทศแปลกตาไปรอบๆนี้แงซ้ายซึ่งล่วงหน้าขึ้นไปก่อนก็ชะงโงกพลลงมาพร้อมกับโบกมือเป็นสัญญาณให้เขาไตา่ตามขึ้นไประยะช่วงนั้นเป็นระยะสูงชันและคับขันยิ่งกว่าทุกตอนระพินจึงปลดไรเฟิลออกจากไหลยื่นส่งให้แงซ้ายขึ้นไปก่อนเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวและเบาตัวที่สุด แล้วจึงค่อยๆปีนตามแนวทางของแง่ทรายขึ้นไปอย่างระมัดระวังขีดสุดเพราะถ้าพลาดก็หมายถึงร่วงลงไปกระทบกับแง่หินที่งอกรับเป็นชั้นและจะต้องกระดดนลงไปสู่ความแหลกเหลวเบื้องล่างอย่างไม่เป็นปัญหาอีกช่วงเดียวจะถึงพื้นเบื้องบนสหายศึกของเขาส่งมือมารับรับพิงจับมือนั้นไว้อย่างมั่นคงที่สุดต่างคนต่างใช้พลังแขนและอุ้งมืออันเหนียวแน่น ออกแรงฉุดดึงแล้วก็สำเร็จภายในชั่วอึดใจเดียวฝ่ายที่ฉุดซึ่งบัด น, นี้ทรงกายขึ้นนั่งประสานมือกอดเขา่าเหมือนจะทวงเวลารอคอยให้รพินได้มีโอกาสพักชั่วขณะจอมพรานสูดลมหายใจลึกกลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดโชยกลุ่นมากระทบคานประสาทสลับไปกับกลิ่นผลไม้สุกงอมช่วยให้บังเกิดความแช่มชื่นกระปรี้กระเป่าขึ้น แม้ตะวันบ่ายจะฉายแสงกล้าอาบลงไปเจิดจ้าไปหมดแต่อากาศเหนือไหลเขาบนหน้าผาบริเวณนี้ก็เย็นฉ่ำสดชื่นเป็นระดับของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างประหลาดระพินพิษดูภูมิภาพใกล้ไกลรอบตัวด้วยสัญชาตญาณพรานของเขาระหว่างนี้แงซายนั่งนิ่งโดยยังไม่เอ่ยหรือเคลื่อนไหวไกายใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่มองจับมาที่เขาเฉย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 โปรดใช้ความสังเกตให้ถีทวนสักนิดสิครับการใหญ่ขมวดคิ้วเหลียวสำรวจไปรอบกายอีกครั้งหนึ่งอย่างระมัดระวังแล้วเลนสายตาทั้งคู่ที่กวาดผ่านไปเป็นลำดับตามแนวอันร่มครึมของไพรพลึกรอบกายนั้นก็พลันมาสะดุดชะงักและจ้องขเขมงอยู่ที่หนึ่งชนิดที่ทำให้ต้องยกมือขึ้นขยี้ตาและลืมขึ้นจ้องอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจว่าจะตาฝาดเห็นไปเองหรือป เนื้อแท่นหินอันราบเรียบภายใต้เงาสาขาของไม้ใหญ่ลักษณะเหมือนต้นรังร่างหนึง่งประดิษฐานอยู่ที่นั่นสนิทนิ่งแลดูเยียบเย็นประดุจโขดหินและราวป่าที่แวดลอมน่าจะเป็นหินหรือท่อนไม้สักท่อนหนึง่งในการมองผ่านในครั้งแรกแต่ไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ท่อนไม้ ระยะนั้นห่างออกไปเพียงไม่เกิน15้าวาจากที่เขาและแง่สายนั่งอยู่ในขณะนี้นานเท่านานที่รพินขยี่ตาอยู่หลายครั้งเขาก็กำหนดภาพที่เห็นได้อย่างแน่นอนจากระบบจักรสุซึ่งไม่ได้วิปริตไปเลยร่างนั้นนั่งอยู่ในลักษณะขัดสมาธิเพชรลำตัวตั้งตรงฝ่ามือซ้ายช้อนรองอยู่เหนือฝ่ามือขวาซึ่งวางอยู่บนตัก หอหุ้มร่างกายอันภายผอมจนแลดูเพรียวชะลูดด้วยคากรองเปลือกไม้สีกลืนกับธรรมชาติรอบดาดผมยาวกล่าวมุ่นไว้เป็นกรวยสูงเหนือสีสษะหนวดและเขายาวลงมาปิดอกดวงตาทั้งคู่ภายในกระบอกลึกหลวปิดสนิทไม่ได้ไหวติงกายแม้แต่นิดหนึ่งและไม่มีอะไรที่จะให้สังเกตได้ว่านั่นเป็นซากหรือว่าร่างกายที่ยังมีชีวิต ระพินไพรวันจ้องตะลึงอยู่เป็นเวลานานแล้วหลุดปากอุทานออกมากับตนเองอย่างเบาที่สุดว่าโยคิ <Y oki. S 1> แล้วก็หันหน้ามามองแง่สายซึ่งยังอยู่ในอาการสงบกับภาพที่เห็นอยู่เช่นนั้นประหลาดใจ ง, งุนงงไปหมดจนไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ชั่วขณะจะเข้าไปใกล้ๆไหมครับผูก้กองในที่สุดเขาก็รู้สึกตัวขึ้น เมื่อได้ยินเสียงกระซิบของแงซทรายแงซทรายแกแน่ใจหรือว่านั่นเป็นร่างที่มีชีวิตเขาหลุดปากออกมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ท่านพูดกับผมได้ครับทั้งๆ ท, ที่นั่งเป็นท่อนหินและหลับตาอยู่นั่นแหละครับท่านพูดกับแกเหอรอรพินร้องแง่ทรายก้มศีรษะลงครับก็นี่แหละครับ ผมถึงได้เรียนผู้กองแล้วว่าผมได้มาพบกับสิ่งมหัศจรรย์เข้าระหว่างที่ผู้กองและคณะพวกเราทั้งหมดถูกกองทัพลิงควบคุมพาตัวเดินล่วงทินเข้ามาในดินแดนข้างล่างนั่นผมตัดทางปีนเขาขึ้นมาเตรียมพร้อมระวังคุมเชิงอยู่บนนี้แล้วเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราทุกคนระหว่างที่เดินไปทางนั่นขึ้นทุกระยะแล้วก็รอคอยสัญ ญ, ญาณจากผู้กองว่าจะให้ผมปฏิบัติเช่นไรต่อไปแง่าสายเล่าแผ่วเบา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 พระใหญ่งันไปอีกนานด้วยความอัศจรรย์ใจขีดสุดในคำบอกเล่าของแง่ทรายและจากสิ่งที่เห็นด้วยสายตาขนาดนี้แปลกจริงท่านพูดกับแกได้เหรอครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันท่านพูดภาษาอะไรพม่าครับท่านพูดหรือบอกอะไรแกอีกบ้างละ่ะแง่ทรายสันน่ะท่านบอกความผมเบียงแค่นั้น ผมพยายามจะสอบถามพูดกับท่านอีกหลายอย่างแต่ท่านก็ไม่ตอบอะไรอีกทั้งสิ้นบอกแต่เพียงให้ผมลงไปพบกับทุกคนข้างล่างแล้วก็นั่งนิ่งเป็นท่อนหินอยู่เช่นนั้นและครับระพินยกแขนขึ้นป้ายเหงือบนจมูกมองหน้าแง่ใส่นิ่งอยู่อึดใจก็พยักหน้ากระซิบว่าไปนั้นเข้าไปใกล้ ๆ, ๆเปล่าจบเขาก็ทรงกายขึ้นยืนจรดฝีเท้าก็ไปยังร่างที่ประดิษฐานแนวนิ่งอยู่บนแท่นหิน ใต้ร่มไม้นั้นอย่างแผวเบาแงาสเคลื่อนตามหลังเข้ามาด้วยหยุดพินิจจ้องดูร่างนั้นห่างจากแท่นหินออกมาเพียงสามวาท่ามกลางแสงที่วาการอันแจม่มใสปราศจากสิ่งใดอัมพรางระพินสำรวจอย่างใช้อาการพิเคราะห์ไครครวญโดยละเอียดที่สุดร่างนั้นคงสงบนิ่งเป็นดุษณีภาพประหนึ่งท่อนศิลาจำหลักอันปราศจากวิญญาณอยู่ตามเดิม ในระยะใกล้ที่แลเห็นอยู่แค่เอื้อมนี้เป็นร่างของชายผอมสูงซึ่งไม่อาจคเนไวัยได้ไม่แก่และไม่หนุ่มสภาพของร่างกายแม้จะผายผอมจนเห็นเงาของกระดูกแต่ผิวพันก็ยังสดและพองใสสีเหมือนอัมพันส่วนทรงและค้าวหน้าก็ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นชนเผ่าพันธุ์ใดแน่นอนดูคล้ายๆจะเป็นส่วนปะปนกันอยู่ในระหว่างชาวชมพูทวีปและทิเบต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 แม้จะเพียงแผ่วเบาแต่ก็กังวาลอย่างประหลาดว่าขอความสวัสดีจงมีแด่พรานผู้เคร่งศักจดิ์เราโกนธัญญมุนีและเห็นในนมัสการและจิตอันควรครารวะของเจ้าแล้วพระคุณเจ้าระพินอุทานออกมาอย่างตกใจพิสวงเหลือที่จะกล่าว ถ้าหูผมไม่ฝาดถ้าสมองและจิตใจไม่วิปริตผันผวนไปผมสาบานว่าได้ยินพระคุณเจ้าเอ่ยคำกับผมในภาษาไทยของผมเองด้วยเป็นความจริงเหรอนี่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับ <c oughs> เขาพูดเร็วปรือกระหืดกระหอบ <c oughs> จ้องร่างที่ยังนั่งสมาธิหลับตาสงบนี่ไม่มีวี่แววแหกแม้การหายใจนั้นตาไม่กระพริบห <c oughs> ูเจ้าไม่ได้าด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 เราละสภาวะนั้นมานานแล้วนะ้แท่นหินใต้ร่มพยารังใหญ่นี้เราบำเพ็ญพรษมาเป็นเวลา99สบเกปีโดยไม่ได้ขยับขยื่นไปที่ใดทั้งสิิ์เราเป็นผู้บรรลุถึงแล้วถึงยานอย่างสูงจึงยังรู้ได้ ในสัรปสิงของดาวพระเคราะห์ดวงนี้และดวงอื่นๆในจักรวาลดังนั้นจงพึงขจัดความกังขาในข้อที่วักเหตุใดเราจึงพูดภาษาของเจ้าได้ระพินไพรวันอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่ง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 ไม่หนาวไม่มีความรู้สึกไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการขับถ่ายเราดำรงวิญญาณอยู่ได้ด้วยสภาวะเป็นทิพย์และร่างกายอันเป็นอมตะจนกว่าการเวลาสมควรจะมาถึงจิตวิญญาณของเราจึงแยกออกเป็นอิสระ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 และไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตใดๆทั้งสิเรารักษาศีลบำเพ็ญตบะอยู่ณที่นี่โดยสันโดหวานอนทุกชีวิตรวมทั้งวายาผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ของนครดำเบื้องล่ารู้จักเราดีมาแต่ครั้งบัรพบุรุษสักการะ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 อีกทั้งเรายังมองไกลไปถึงอนาคตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกัดระหว่างมนุษย์ฝ่ายของเจ้าและลีนดำฝูงนี้ที่จะให้การเกื้หนุนอุปการะแก่กันได้เราจึงบรนดานใจให้วานอนพวกนี้ไปชักจูงพวกเจ้ามา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 ต้องสรรเสริญพึงรักษาสัจจะนี้ไว้ให้ตลอดไปเถิดความจำเรินสถาพรจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเจ้ารวมทั้งอำนาจอันกล้าแข็งยิ่งซึ่งจะเป็นพาหนะนำไปสู่ความสำเร็จที่ผลในเจตนาที่ชอบที่ควรทุกประการ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 เป็นผู้ช่วยอนุเคราะห์ให้มันสิ้นเวนเพื่อปลดปล่อยไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นเราเล็งเห็นแล้วและเราก็เป็นผู้กำหนดให้เป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้าขอรับวายาและบริวารอื่นๆ อ, อาจโกรธแค้นอาฆาตผมได้จากสิ่งที่ผมทำไปแล้วนะขอรับ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 พวกเขาอาจจะสงสัยว่าเราหายไปไหนเขากระซิบแล้วชวนแงทายคลานถอยห่างออกมาจากอาสนะอาสมของโกนทัญญมุนีพอพ้นระยะสมควรก็ลุกขึ้นยืนเดินตรงไปยังขอบไหลตำแหน่งที่ไต่กันขึ้นมาโดยเร็วพบของของเราแล้วหรือยังครับผู้กองขณะนั้นแงทายก็เอ่ยถามขึ้นระพิงยิ้มออกมาได้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 แสดงว่าท่านรู้อะไรหมดทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อของฉันผมน่ะประหลาดใจมาก่อนผู้กองเลยละครับเพราะก่อนที่ผมจะหลิวไปพบท่านท่านก็เอ่ยเรียกชื่อผมมาจากทางเบื้องหลังเหมือนเรียกชื่อผู้กองเหมือนกันเรากอาว่าท่านรู้จักมักคุ้นกับผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างนั้นแหละแง่สายพูดเสียงต่ําๆแล้วยักไหลผมเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดครับร่างที่เราเห็นนั่งจำศีลอยู่นั่นเป็นร่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และเต็มบริอิทธิฤทธิ์ด้วยอำนาจตะบะาชานจริงๆถ้าจะวิเคราะห์ตามหลักชีววิทยาร่างกายของท่านอาจถึงแก่มรณาภาพไปแล้วก็ได้แต่วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังอยู่ผมเคยพบโยคียมาบ้างแล้วครับแถบฮิมาลัยสมัยที่ผมฝึกผ้าการรบแบบกองโจรในอินเดียโยคียเหล่านั้นแม้จะมีอำนาจจิตสูงและมีอิทธิฤทธิ์ที่จะแสดงปาฏิหาริย์ได้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 ตัวการที่ทําให้วายาทองทะลุครับระพินเลิกคิ้วขึ้นอย่างฉุกใจมองหน้านี่แกจะ ช, ชวนฉันตามรอยเพื่อไปให้เห็นเจ้าสัว์ชนิดนั้นอีกละสิอย่าลืมนะว่าเราไม่มีเวลามากนักนะตอนเนี้ยแง้ซ า, ายหัวรอบเบาๆพร้อมกับสั่นศีรษกผู้กองครับตอนนี้นะไม่จําเป็นต้องตามรอยมาแล้วละ่ะเพราะมันอยู่กับที่แล้วก็ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วด้วยมันก็คงเป็นไอส้สั์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 จะโผูกายพ้นจากเวิงถ้ำออกมาปรากฏในสายตาทุกคนจะยังนั่งพักกันอยู่ในถ้ำแห่งนั้นและบางทีหมอดารินอาจจะยังทำงานของหล่อนไม่เสร็จเรียบร้อยก็ได้อะไปก็ไปแต่หวังว่าแกคงไม่หลอกให้ฉันเสียเวลาเกินไปนักนะอื่นได้นะไม่สําคัญหรอกฉันกลัวพวกเขาจะเป็นห่วงเพราะเห็นฉันออกมานานแล้วและก็ไม่ได้บอกพวกเขาไว้ด้วยว่าฉันจะตามแกขึ้นมาบนนี้ ทุกคนไว้วางใจและเชื่อมือผู้กองอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนี่ครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นห่วงชั้นไม่ได้ไม่ใช่เหรอในกรณีที่เขาไม่รู้เราไม่ถูกว่าชั้นหายไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเช่นนี้เนี่ยถ้าเช่นนั้นเรากลับลงไปก่อนก็ได้ครับกระพินชะงักจ้องตาอยู่อึดใจนี่ถ้าอ่านไม่ผิดฉันว่าแกมีกังวลอะไรอยู่บางอย่าง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 ฉันไม่คิดว่าแกเพียงแต่ต้องการให้ฉันไปดูวิธีการต่อสู้ของเจ้าพวกลิงดำเหล่านี้อย่างเดียวหรอกนะมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นที่เป็นต้นเหตุของความห่วงกังวลไม่โปรดโปร่งใจของแกด้วยสิแง่ส า, ายไม่ได้ตอบเขาในทันทีนั้นหากแต่ก้าวอกเดินล่วงหน้าไปก่อนตามทิศทางที่ชี้บอกไว้แต่แรกรพินสาวเท้าเคียงไหลไปอย่างกระชั้นชิดหนทางเดินเป็นเส้นด่านแคบๆ ด้านหนึ่งเป็นแนวก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกำแพงอีกด้านหนึ่งเป็นป่ารกชัดตามขอบปากหิวหรือหุบที่ต่ำลงไประเกะระกะไปด้วยเถาวัลย์และไม้ล้มลุกพุ่มพงเตี้ยเตี้ยที่ขึ้นอยู่ในระดับพื้นดินก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องวิตกมากนักหรอกครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผู้กองได้ทราบไว้ล่วงหน้า และในโอกาสแรกที่สุดโดยไม่ปล่อยเวลาให้มันนานออกไปก็น่าจะเป็นการดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งก็เป็นการปรับนิสัยของผมเองที่ผู้กองมักจะด่าว่าอยู่เสมอเกี่ยวกับกรณีที่นิ่งเฉยไว้ผมก็อยากจะทําอะไรให้ถูกใจผู้กองเสียบ้างนะครับไอ้คนยวนเงียบๆไม้หางตามองดูเขาแล้วกล่าวขึ้นเบาๆ เ, เรียบๆขณะที่เขาเดินติดเข้ามา ลีลาของสมบัติสัมนวนชนิดนั้นทําให้ฝ่ายที่รับฟังยิ้มออกมาแค่นแค่แง่ทายแกนี่มันเหมือนกับว่าพระเจ้าเจตนาจะส่งมาให้เฉื่อเฉืนอชัด ะ, ะจริงๆนะสักวันหนึง่งไม่ช้าก็เร็วที่โลกนี้จะต้องเลือกเอาว่าระหว่างแกกับฉันนะ่ะใครจะนอนอยู่ในหลุมใครจะยืนอยู่บนดินแง่ท า, ายหัวเราะ ทำไมโลกถึงจะต้องเลือกโง่ๆอย่างนั้นด้วยล่ะครับก็เราต่างคนต่างยืนอยู่บนดินไม่ได้เลยครับดินคนละาฝากฝังไม่จําเป็นต้องพบเห็นกันอีกแล้วนอกจากความละลึกถึงกันเท่านั้นผู้กองข้าผมไม่ตายขายผมไม่ขาดรอกไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจอมพรานขมวดคิว้วชะนี่แกมั่นใจถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือครับผมมั่นใจครับ นี่ฉันไม่ได้บอกแกมาตลอดเวลาเหรอว่าฉันน่ะเกลียดขี้หน้ากระชิบหายเลยแงาสายหัวเราะขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงกลังวนันแล้วก็ให้ตายเถอะครับผู้กองผมก็ไม่ได้ขอร้องให้ผู้กองรักผมเลยแม้แต่สักนิดหนึ่งแล้วถ้าผมเป็นระพินทร์ไครวันน่ะผมก็จะเกลียดไอ้คนที่ชื่อแงาสายเหมือนกันแล้วก็ยิ่งแค้นใจหนักม่กรณีที่ข่ามันก็ไม่ตายขายมันก็ไม่ได้ ถามจริงเถอะแกจะใช้วาจายวนยู่วชันไปถึงไหนนะมันสนุกสำหรับแกนักเหรอในการที่จะทำให้ฉันเกิดโทสะและพรุษสวาด์ไอ้ที่หลอกให้ฉันเดินตามแกมานี่นะแล้วยังไม่ได้บอกฉันเลยสักคำว่ามีอะไรสำคัญที่แกต้องการให้ฉันเห็นนอกเหนือไปจากไอ้ที่บอกมาแล้วขณะนั้นทั้งสองเดินลงไปตามทางด่านลาดตํ า, ตาสูไลเขา อันเป็นบริเวณที่ราบตอนหนึ่งและแทนคำตอบใดๆทั้งสิ้นแงซทรายหยุดยืนอยู่กับที่ชี้มือให้ดูปารกสูงอันเป็นบริเวณที่ติดต่อกับยอดเขาด้านซ้ายปรากฏรอยต้นไม้หักยับแหวกลู่เป็นทางลงมาราวกับรอยบุกตะลุยของช้างหินเขืง่งๆตามริมทางมีรอยชนปะทะพริกกริ้งไปจากตำแหน่งที่เคยวางอยู่เดิม รอยนั้นแลเห็นชัดว่าลงมาจากยอดเขาและบรรจบกับทางด่านที่ทั้งสองหยุดยืนกันอยู่ในขณะ น, นี้และมีรอยตีนมาคือมาทั้งสี่ข้างของเจ้าของน้ำหนักอันมากมายเดินไปตามเส้นทางด่านนั้นเงยาสายชี้ไปยังที่แวกป่าลงมาก่อนแล้ววางมือชี้ให้ดูเป็นสัญญาณว่าเจ้าสัตว์ชนิดนั้นเดินไปในทิศทางเบื้องหน้าที่กาลังจะมุ่งไปกันในขณะนี้ พรานใหญ่คม้นมองจ้องรอยหักยับของต้นไม้แล้วเดินเข้าไปก้มลงสำรวจรอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนพื้นอย่างถี่ถ้วนลักษณะของมันคล้ายๆช้างหรือแรบแต่ปรากฏว่ามีเล็บมากกว่าเงซายคงไม่พูดอะไรอยู่เช่นเดิมนอกจากจะตามเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆขณะที่เขาก้มลงสำรวจคล้ายจะปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในการวินิจฉัยของเขาโดยอิสระ สัตว์ใหญ่สี่เท้าหางลากดินน้ำหนักประมาณสิบตันเดินลงมาจากเขาผ่านเส้นทางนี้เมื่อเช้าจอมพรานพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงปกติไม่สู้จะสนใจอะไรนักแล้วเงยหน้ามองแงซายผู้นิ่งเฉย อ, อยู่ถามว่าไอ้นี่นเนอะที่แกต้องการให้ฉันมาเห็น ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าสนใจอะไรมันก็ไอสัตว์โบราณประเภทไดโนย่อมย่อมไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราสักนิดถ้าจะเทียบกับเจ้าพันธุ์มหายักษ์ทั้งหลายที่เราผ่านระจนกันมาแล้วครับก็ไม่น่าจะมีความหมายอย่างผู้กองว่าละครับถ้าหากว่ามันจะไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวกันกับที่วายากับบริเวณลิงดาของเขาช่วยกันล้อมล่าจนตัวเองถึงขั้นใสทะลักเมื่อสองวันที่แล้ว และที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้นะ่ะใหญ่กว่าตัวที่ถูกล่าไปแล้วมากเส้นทางเดินของมันนะยหน้าไปยังซากของตัวแรกลักษณะเป็นการติดตามค้นหาอาการจากร่องรอยบอกถึงความเกรี้ยกราดงุนง่านมากเมื่อเห็นซากของตัวแรกระพินเลิกคิวนิดหนึ่งตาเหลือบลงจับร่องรอยที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นอีกครั้ง มันอาจจะเป็นคู่หรืออาจจะเป็นแม่กับลูกผมก็ยังไม่แน่ใจนักนะครับกได้ไปเห็นซากของมันแล้วนี่อย่างน้อยก็ตัวแรกที่บอกลักษณะมันเป็นยังไงสีขาใหญ่แข็งแรงเหมือนขาแรดหรือช้างครับแต่สั้นกว่าทรงลําตัวค่อมอยู่กับพื้นปลายปากบนแหลมเป็นจะ ง, งอยงุ้มหลงต่ํามีนออยู่สามนอ นอหนึ่งงอกบนดั้งจมูกเช่นเดียวกับแรดอีกสองนะ่างอกอยู่เหนือกระบอกตาในลักษณะเขาทั้งสามนอแหลมคมยาวเกือบจะสองฟุตครับกินพืชหรือกินเนื้อตามความรู้สึกของแกผมคิดว่ามันกินพืชอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แรดอาซีนออย่างที่เราพบกันมาแล้วเหรอเงาสายสันสีสัตว์ไม่ใช่ครับ มันล่ำสันใหญ่โตวกว่าแต่เตี้ยค่อมกับพื้นมากกว่าเขาหรือนอก็ผิดกันไปมากหน้าตาลักษณะอื่นๆก็แตกต่างกันเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ผู้กองสังเกตรอยนี้ก็ได้ครับมันมีหางใหญ่ยาวลากพื้นไปด้วยนะครับลักษณะเชื่องช้างุง่ม ง, งามกว่าแรกพวกเราไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนในระยะทางที่ผ่านมาแล้วครับ วายากับบริวารของเขาทั้งหมดกำลังจะเดือดร้อนกระมังผมเชื่อในความฉลาดของลิงดำพวกนี้นะครับแต่ก็คิดว่าพวกมันคงอยู่กันไม่เป็นสุขถ้าหากว่าเจ้าตัวนี้บุกตะลุยเข้าไปถึงในกลางถิ่นพวกเราเองก็คงปลอดโปร่งวางใจไม่ได้เพราะเข้ามาอยู่ในรัศมีการทำศึกของเจ้าสัตว์ทั้งสองประเภทนี่เว้นแต่ว่าเราจะปลีกตัวให้พ้นบริเวณออกไปซะกอ่อน แงสายพูดประโยคหลังพร้อมกับก้าวเดินรุดหน้าต่อไปอีกชั่วครู่ใหญ่ต่อมาตามเส้นทางที่เจ้าสัตว์ประหลาดเจ้าของรอยเท้าชนิดนั้นเดินบ่ายหน้าไปองค์ครกภ์พิเศษของดารินก็นำระพินมาถึงบริเวณปากเหวตื้นแห่งหนึ่งริมทางด่านสายนั้นแล้วชี้ให้ดูลงไปยังบริเวณก้นเหวซึ่งรอบด้านเป็นขอบสูงชัน ระดับต่ำลงไปประมาณสิบเมตรกิ่งไม้ใบหญ้าและพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในแอง่งถูกไฟเผาผลาญเป็นเถ้าถ่านดำวางกายซ้อนกันอยู่กระจัดกระจายทั่วไปและดูเหมือนเตาเผาถ่านขนาดยักษ์ใจกลางก้นเหวอันมีสภาพเหมือนเตาเผานั่นเองซากของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งนอนกองพเนนเทินทุกอยู่และผาดผ่าดราวกโคดหิน ผิวด้านนอกถูกไฟเผาสุกดำเป็นต่อตะโกแต่บางส่วนถูกแฉถูกฉีกแหวะออกไปเห็นเนื้อสีแดงคล้ำระคนเลือดขุ่นดำและเครื่องในบางส่วนซึ่งบัดนี้กำลังจะเริ่มเน่าทรงกลิน่นมีมแมลงวันตอมเต็มลักษณะรูปร่างของมันตรงกับที่แง่ทายบอกไว้แล้วล่วงหน้าทุกอย่างส่วนขนาดนั้นพอๆกระช่างไดโนเทเรีย ยอมพรานขมวดคิว้วจ้องดูภาพและสิ่งแวดล้อมอันมีลักษณะประหลาดชวนให้คิดนั้นอยู่อึดใจหนึ่งก็ถอยห่างขอบเหวตอนั้นออกมาเล็กน้อยกวาดสายตาสำรวจไปรอบด้านป่ารกรอบบริเวณขอบปากเหวต้นไม้ใหญ่น้อยที่เบียดเสียดเยียดยัดเป็นพุ่มพงเหล่านั้นแหลกยับเป็นแปลงแสดงถึงว่าได้มีการต่อสู้กันอย่างชุลมุนในรัศมีกว้าง มันเป็นฉากของการต่อสู้อย่างดุร้ายและรุนแรงยิ่งเห็นได้จากความพินาศของป่ารอบด้านก้อนหินใหญ่ ห, ญ ห, ญหลายก้อนถูกชนปะทะพลิกกลิ้งขยับไปจากเดิมและต้นไม้ใหญ่ขนาดโคนขาอ่อนหลายต้นขาดสะบั้นยับเยินเนินดินทั่วไปในละแวกข้างเคียงก็ปรากฏรอยถูกขิดด้วยเขาหรือนอซึ่งก็คงจะเป็นของเจ้าสัตว์ที่นอนตายอยู่ก้นเหวตื้นตัวนั้นกระจุยกระจายไปหมด ระหว่างที่แงซสายยืนนิ่งเฉยอยู่เหมือนจะเปิดโอกาสให้เขาอ่านรูปการเอาเองนั้นจอมพรานออกเดินตรวจร่องรอยที่ปรากฏสับสนอยู่รอบด้านเหล่านั้นไปอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังชั่วไม่นานนักหรือความจัดเจนช่ำชองของเขาก็สามารถอ่านเหตุการณ์ได้โดยตลอดจากร่องรอยหลักฐานที่เหลือให้เห็นอยู่เขามองเห็นจริงตามที่แง่สายบอกไว้ว่า วายาและบริเวณบริวารลิงดำทั้งหลายวางแผน ล, ล่าสัตว์ประหลาดสามเขาตัวนั้นได้อย่างฉลาดแยกยืนเพียงไรสามารถแยกได้ถูกแม้แต่ว่าร่องรอยชนิดใดบ้างที่เป็นเหตุการณ์ต่อสู้ผ่านมาแล้วเมื่อสองวันก่อนระหว่างวายาและบริวารกับเจ้าสัตว์ประหลาดชนิดนั้นและรอยใดบ้างที่เป็นรอยใหม่เพิ่งผ่านมาเมื่อเช้านี้อีก อันเป็นรอยของอีกตัวหนึ่งที่ตามมาดูเหตุการณ์ตลอดจนแสดงความโกรธแค้นเกรี้ยกราดดุร้ายเมื่อพบว่าคู่ของมันกลายเป็นซากไปแล้วโดยฝีมือการลากจากฝ่ายตรงค่ะจอมพรานเดินเลาะขอบเหววนกลับมายังที่เก่าที่แงสายยังยืนสงบอยู่วายากับพวกประมาณสามสิบถึงสี่สิบตัว ไล่ตอนไอ้ตัวนั้นมาที่เหวตรงนี้เขาพูดเบาๆอาจใช้วิธียั่วไล่ก็ได้แล้วก็หลอกล่อให้พุ่งเข้าชนขณะที่เขาพูดชี้มือไปยังก้อนหินใหญ่ลูกหนึ่งซึ่งมีรอยเดิมฝังจมดินอยู่ตรงบริเวณปากเหวห่างออกไปทางซ้ายมือแต่บัดนี้หินขนาดออคงมังกรย่อมย่อมลูกนั้นกลิ้งลงไปลนอยู่ข้างล่าง นั่นคงจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่วายาล่อจนตัวเองพลาดถูกขวิดหน้าท้องขาดเวอร์ไส้ทะลักส่วนไอ้ตัวที่ชนก็ถลําตามแรงที่ส่งตัวพุ่งเข้ามาพลัดตกลงไปในบ่อเหิวติดอยู่ในนั้นขึ้นไม่ได้จากนั้นพวกมันก็ช่วยกันจุดไฟเผาย่างสดไอ้ตัวสามเขานั่นแล้วเขาก็หัวรอดคงนานพอสมควรเหมือนกันนะ กว่าไอตัวเท่าช้างยักษ์นะ่ะมันจะสุกแต่เตาย่างของมันก็ไม่เล็กนักไม้แทบจะหมดทั้งป่าแถบนี้ทีเดียวที่มันช่วยกันขนลงมาโยนลงไปในบ่อ น, นั่นแง่ท า, ายยิ้มขึ้นขึข้ผมยังนึกไม่ออกจนกระทั่งบัดนี้นะครับว่ามันทำไฟขึ้นได้ยังไงแงสายอย่าลืมสินะ วายาซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกมันทุกตัวน่ะเป็นคนนะไม่ใช่สัตว์แม้ว่าเขาจะเป็นคนในยุคต้นประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติก็ตามแกเองก็เคยบอกฉันไว้แล้วเกี่ยวกับพระธุดงอาจารย์ของแกกล่าวถึงพวกมนุษย์วานอนในแถบตีนเทือกพระศิวะซึ่งรู้จักใช้ประโยชน์จากไฟได้ทั้งวายาและลิงบริวารของเขาอาจจะใช้วิธีเอาไม้แห้งสองอันขัดสีกัน เพื่อให้เกิดไฟขึ้นมาก็ได้นั่นเป็นการสร้างไฟจากพื้นฐานเบื้องต้นจิตนาของพวกนี้ตามแผนก็คือล่อให้เหยื่อที่หมายล่าอันเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามีกำลังมากกว่าเกินกว่าที่จะฆ่าได้ซึ่งซึ่งหน้าให้มันตกลงไปในบอ่อที่ขังขึ้นไม่ได้ซะก่อนเพื่อจะใช้ไฟเผาทีหลังเจ้าสัตว์สามเขาชนิดนี้แม้จะให้ใหญ่โตมีกาลังดุร้ายสักขนาดไหนก็ตาม แต่ก็ชั้นต่ํากว่ามากมันสมองไม่มีมีแต่พละกําลังเจ้าลิงพวกนี้จึงใช้ความฉลาดกว่าเป็นเครื่องมือพิชิตแต่เองก็มีความเห็นได้ถูกต้องแล้วนี่ที่ว่าไอ้ลิงพวกนี้ฉลาดราวกับคนแต่ผมยังนึกอะไรไม่ออกอยู่บางอย่างนะครับแง่ท า, ายพึ้นพำมรีตาลงคนอย่างแกมีอะไรบ้างที่จะนึกไม่ออก คือผมพยายามอ่านเหตุการณ์ของการไล่ล่าครั้งนี้หมายถึงสาเหตุของมันนะครับก็ยังเดาไม่ถูกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเจ้าสัตว์ ร, ร้สามเขาชนิดนี้เป็นฝ่ายมาจู่โจมรุกรานจนถึงกาที่ทำให้วายาและบริวารต้องต่อสู้ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้ในทำนองนั้นเรื่องพวกนี้ทุกตัวรวมทั้งวายาด้วยมีความคล่องตัวและว่องไวมาก ถ้าคิดจะหลบซะอย่างเดียวเจ้าตัวชนิดนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยแม้จะไล่ก็ไล่ไม่ทันไอ้ส่วนที่ว่าจะล่าเพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารก็ยังมองไม่เห็นจากที่เรามองเห็นซากอยู่นี่มันจุดไฟเผาให้ศัตรูของมันตายเฉยๆไม่มีร่องรอยว่าจะเอาเนื้อไปทำประโยชน์อันใดทั้งสิน้นการจะล่าเอาเนื้อเป็นอาหารนะ่ะมีสัตว์ขนาดย่อมๆที่พวกมันล่าได้อย่างง่ายๆ โดยไม่เสี่ยงเกินไปนักให้ล่าอย่างมากมายก็ทำไมพวกมันถึงจะต้องลมยกษ์ด้วยผู้กองอาจค้นไม่พบหลักฐานบางอย่างนะครับแต่ผมยืนยันลงความเห็นได้ว่าในฉากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่วายาเท่านั้นนะครับที่บาดเจ็บสาหัสบริวารลิงของเขาอีกไม่น้อยกว่าสองสามตัวก็ถูกขยี้แหลกไปมีการเสียเลือดเนื้อของทางฝ่ายวายาด้วยเหมือนกัน จากฤทธิ์ร้ายของไอตัวที่ถูกเผาตายนั่นแต่ซากของบริวารวายาที่เสียชีวิตเหล่านั้นถูกเอาเคลื่อนย้ายไปซะแล้วไม่ได้ทิ้งไว้บริเวณ น, นี้ด้วยถ้างั้นแกก็ละเอียดที่ท่วนกว่าฉันสิที่พบว่านอกจากวายาที่เจ็บสาหัสแล้วพวกของเขายังถูกฆ่าตายอีกด้วยฉันอาจมองข้ามหลักฐานบางอย่างไปซะก็ได้แต่ฉันคิดว่าฉันพอจะมีคาตอบ ในข้อสงสัยให้แกก็ได้ในข้อที่ว่าทําไมวายาถึงต้องรบครับผมก็อยากจะได้ความเห็นของผู้กองในข้อนี้อยู่เหมือนกันแง่าสายแกยอมรับใช่ไหมว่าภูเขาและป่าแถบนี้ทั้งหมดน่ะเป็นเขตที่วายาและบริวายึดครองอยู่แง่าสายก้มศีรษะลงครับเป็นเช่นนั้นครับ ไม่เพียงแต่เราจะคาดไว้ก่อนเท่านั้นนะการที่ได้มาเห็นกระตาเช่นเดี๋ยวนี้เราก็รู้ชัดอยู่แล้วว่าพวกนี้อยู่กันเป็นชมรมใหญ่เป็นเมืองหรืออาณาจักรของตนเองโดยเฉพาะทีเดียวมีขอบเขตแห่งการยึดครองมีที่อยู่และการสังคมร่วมกันอย่างเป็นระเบียบแล้วก็มีนายผู้ปกครองคือตัววายาจอมวานอนนั่นแหละจากสัตว์ร้ายสามเขาตัวใหญ่ชนิดนี้บุกรุก เข้าไปในถิ่นที่ลิงดำทั้งหลายครอบครองอยู่ศักดิ์ศรีของผู้ครอบครองก็จะต้องมีอยู่เป็นธรรมดาที่จะปล่อยให้ใครถืออำนาจล่วงล้ำกั้มแดนเข้ามาน่ะมันไม่ได้นั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งการบุกรุกเข้ามาของเจ้าสัตว์ชนิดนี้อาจจะขัดผลประโยชน์ของเจ้าพวกลิงดำเจ้าของถิ่นเดิมเมื่อขับไล่ไม่ไปก็ต้องต่อสู้กันให้แพ้ชนะไปข้างหนึ่งฉันชื่อว่าวายากับบริวาร ช่วยกันกำจับไอตัวชนิดนี้ก็โดยเหตุผลนี่แหละเงาสายอึ้งไปครู่ก็พูดเรียบๆว่าต่ไหนแต่ไรมาแล้วผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะฉลาดไปกว่าผู้กองเลยบางขณะผมโง่ในสิ่งที่ไม่ควรจะโง่ด้วยซ้ำแต่ก็เลือกฉลาดในสิ่งที่ไม่ควรฉลาดนั่นนะ่ะคือสันดานของแกล่ะเงายาย เจ้ากระเรียงฉงงามไม่สนใจกับถ้อยคำของเขาต่าวต่อมาว่าถ้าเช่นนั้นลิงดำเจ้าของถิ่นพวกนี้ก็อาจต้องพบศึกใหญ่ของพวกมันต่อไปเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีสัตว์สามเขาอีกตัวหนึ่งบุกตามตัวที่ถูกฆ่าตายไปแล้วเข้ามาเป็นตัวที่กำลังโกรธจัดและอาฆาตขนาดของมันก็ใหญ่กว่าตัวแรกซะอีกอย่างที่ผู้กองก็เห็นรอยแล้ว ขาะนี้มันจะไปหลบซุ่มอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันกำลังรอคอยจังหวะที่จะเล่นงานเจ้าพวกลิงเหล่านี้ชนิดทะลวงบุกประตูบ้านทะลุออกประตูหลังบ้านทีเดียวแต่นั่นนะมันไม่เกี่ยวกับเรานะระพินพูดห้วนหวด น, นี่แต่อย่าเสือกเอาความคิดชนิดนี้ไปอธิบายขยายความให้คณะนายของเราฟังเป็นอันขาดนะคอยรู้ไว้ด้วย ว่าหน้าที่ของเราในขณะ น, นี้ก็คือได้ของคืนแล้วจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดตามแผนเดินทางเราไม่มีเวลาพอที่จะมาช่วยวายาหรือไอ้ลิงพวกนี้รบศึกใดๆทั้งสิน้นนายหญิงนะ่ช่วยชีวิตวายาให้รอดได้ก็ต้องนับว่าพวกเราได้ช่วยเหลือพวกนี้ดีที่สุดแล้วผู้กองพูดอย่างคนใจแคบและเห็นแก่ตัวที่สุด ทั้งๆ ท, ท, ที่จิตใจแท้จริงของผู้กองนะ่ะเป็นตรงกันภ้าพแง่สายเอ่ยขึ้นหน้าตาเฉยอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็สุดแต่ผู้กองจะพิจารณาเห็นสมควรนะครับที่ผมชวนผู้กองให้ได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะอย่างเสียงหารือซะก่อนเท่านั้นเพราะผมก็ไม่ต้องการจะทำอะไรให้ขัดต่อประสงค์ของผู้กองเพราะฉะนั้นผมทาถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอครับ ที่ชวนผู้กองมาให้เห็นและรอฟังข้อวินิจฉัยชี้ขาดซะก่อนอย่างเนี้ยจอมพลานยิ้มกรานออกมาอีกครั้งตบที่ต้นแขนเจ้าคู่ปรับหนักหน่วงเออดีแกทำได้ถูกใจฉันเป็นครั้งแรกวะ่ะแล้วขอให้ทำได้อย่างนี้ตลอดไปเถอะแกะจะน่ารักขึ้นอีกมากเจ้ ะ, ะรีบกลับลงไปเถอะป่านนี้นะนายหญิงคงจะเย็บแผลวายาเสร็จนานแล้วละ่ะ ทั้งสองชวนกันบ่ายหน้ากลับทางเดิมอย่างรีบร้อนจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งหน้าผาชันที่ปีนตัดทางกันขึ้นมาระพินไพรวันอดไม่ได้ที่จะหันไปพิจารณาดูอาสมที่จำศีลของโยคีโกฏทะมุนีอีกครั้งก่อนที่จะปีนลงไปเขาเห็นนักพรตประหลาดอันไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตวิญญาณนั่งสงบนิ่งหลับตาเป็นท่อนหินอยู่เช่นนั้นประดุดภาพอันเป็นนิ ร, นรันดร์กาล โดยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเสียได้เพราะไต่ลงมาถึงพื้นชั้นล่างอันเป็นลานกว้างหน้าฉานของนครลิงปรากฏว่าขยินและบุญคำสองคนออกมายืนกระวนกระวายคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสองมองเห็นครานใหญ่และแง่ทรายไต่หน้าผาลงมาอย่างถนัดตาแต่ขณะนั้นยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้พอทั้งคู่ลงมาถึงต่างก็วิ่งตรงเข้าไปโดยเร็วนาย นายไปไหนมาขึ้นไปตามไอ้งแงซทายเหรอบุญคำร้องถามเร็วปรือสีหน้าตื่นประหลาดใจส่วนขยินก็รีบบอกว่านายใหญ่นะให้ขยินตากระตาเท่าออกมาตามไม่รู้จะไปตามนายที่ไหนไอ้จะถามไม้ลิงพวกนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็พอดีเห็นนายกับไอ้งแงซายปีนหน้าผาลงมาระพินไม่ตอบความคนทั้งสองแต่กลับย้อนถามโดยเร็ว ขณะที่เดินตรงไปยังเวงหน้าผาว่านี่นายหญิงเย็บแผลคนลิงเสร็จแล้วหรือยังอะ่ะโอ้ยเสร็จต้องพักใหญ่แล้วละนายไอ้พวกขีดขินทั้งหลายนะ่ะมันช่วยกันขนลูกไม้น้ำผึ้งแล้วก็เนื้อมาเลี้ยงดูพวกเรามากมายทีเดียวถ่าทางพวกมันน่ะดีใจมากนะนายที่นายหญิงกับนายแหม่มช่วยรักษาเจ้าเมืองของมันนี่ทาไมคิดจะไปไหนอีกแล้วละก็บุญคาำมาพวกเราทุกคน อยู่ในเมืองพวกลิงนี่ได้อย่างสบายมากโอ้ยมันเลี้ยงต้อนรับพวกเราเป็นการใหญ่เชะละนายจริงอย่างที่บุญคำบอกบริเวณปากเพิงอันเมื่อตอนที่เขาออกมาในครั้งแรกมุงแน่นขนาดไปด้วยประชากรลิงมารุมดูหน้าเจ้านายของมันระหว่างที่หมอดารินลงมือผ่าตัดเย็บแผลให้นั้นบัดนี้พวกมันเหล่านั้นกระจายกันออกไปหมดแล้วคงมีอยู่บางส่วนที่เดินเพ่นพ่านอยู่ไปมา ทันทีที่พรานใหญ่ก้าวเข้าไปในเขตเวิงถ้ำใหญ่อันควรจะเรียกว่าเป็นวังของวาญาจอมวานอนก็เห็นพักพวกทุกคนพร้อมหน้านั่งรวมกลุ่มกันอยู่รงบริเวณที่สัมภาระกองอยู่เบื้องหน้าของทุกคนเป็นบริอาหารเท่าที่จะหาได้ในนครวานอนแห่งนี้ซึ่งส่วนมากเป็นพวกผลไม้พืชผักน้ำพึ่งรวมและเนื้อสัตว์ซึ่งเผาย่างทั้งขาใหญ่ ปริมาณของอาหารเหล่านั้นถูกยกมาประเคนตั้งไว้ให้แทบว่าจะเลี้ยงทหารได้ทั้งกองร้อยทุกคนนั่งรอฟังข่าวคร า, าวของแงซไพรอยู่ก่อนแล้วด้วยความร้อนใจดูเหมือนยังจะไม่มีใครสนใจแต่ต้องอาหารมากมายที่พวกมันนำมาให้เหล่านั้นเมื่อห็นแพรนใหญ่กังแงซไพรโผล่เข้ามาต่างก็ร้องทักเป็นเสียงเดียวกันหมดอย่างยินดีและคลายความวิตกกังวลลง หายไป น, นานไปไหนเหรอพินเกิดอะไรหรือเปล่าท่านหัวหน้าคณะร้องถามขึ้นจอมพรานก้าวเข้าไปรวมกลุ่มเป้าหมายแรกที่มองไปก็คือร่างของจอมวานนอนวายาซึ่งยังนอนงายเหยียดยาวสงบนิ่งอยู่บนแท่นหินหมอดารินกับผู้ช่วยจำเป็นมาเรียบัดนี้หมดภาระหน้าที่ลงแล้วทั้งสองเข้ามารวมกลุ่มกับพักพวกทุกคนด้วย และยามนี้กำลังพากันมองมาที่เขากระแงทรายอย่างสงสัยที่เพิ่งจะโผล่กลับเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกครับทุกอย่างเรียบร้อยเพียงแต่ว่าผมกระแงทรายเดินสำรวจดูอะไรรอบๆแถวนี้หน่อยเท่านั้นแหะครับเขายังไม่ประสงค์จะให้ทุกคนทราบความจริงก่อนในขณะนี้จึงกลบเกลื่อนไว้ซะก่อนและเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ราชสกุลสาว มือสัญญาแพทย์ชั้นอาจารย์ก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกครับทุกอย่างเรียบร้อยเพียงแต่ว่าผมกระแง่สายเดินสำรวจดูอะไรรอบๆแถวนี้หน่อยเท่านั้นล่ะครับเขายังไม่ประสงค์จะให้ทุกคนทราบความจริงในขณะนี้จึงกลบเกลื่อนไว้ซะ ก, ก่อนและเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ราชสกุลสาวมือสัญญาแพทย์ชั้นอาจารย์คุณหญิงครับคนไข้ของคุณหญิงเป็นยังไงบ้างนะครับ บาดแผลเย็บเรียบร้อยแล้วล่ะเขารู้สึกตัวตลอดเวลาแต่อ่อนเพลียมากแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้าใจอะไรได้ดีทีเดียวเพราะไม่ได้ขัดขืนเลยในระหว่างที่เย็บและปฏิบัติการทางแพทย์อื่นๆไม่ร้องไม่ครางหรือมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นบางครั้งก็หลับตานิ่งบางครั้งก็ลืมตาสภาพความอดทนของเขาก็คือสัตว์ป่าเราดีๆนี่เองช่วยฉันทางานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในความเห็นของคุณหญิงนะคิดว่าเขาจะรอดไหมครับหมอดารินมีแววยุ่งยากในใจเล็กน้อยเหลือบกลับไปที่ร่างนั้นฉันก็ยังไม่กล้าให้ความเห็นแน่นอนอย่างใดทั้งสิ้นนะจนกว่าจะพรุ่งนี้แต่ก็อยากจะเชื่อว่าเขาควรจะรอดแหละเชื่อเธอหน้าผู้กองไอ้เสือนั่นไม่ตายหรอกถึงผมไม่ใช่หมอผมก็ทาพนันได้ อย่าเพิ่งไปกังวลถึงเรื่องนั้นก่อนเลยถึงยังไงแม่หมอผู้สามารถเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเรามาพักพรอนรอโภชนาหารที่ข้าราชบริพารเมืองขีดกินหามาเลี้ยงดูนี่จะก่อนดีกว่าหิวจนตาลายแล้วพวกเรานะ่ยรอคุณกระแง่ทายรู้ป่ะเห็นหายออกไปนานก็เป็นห่วงเลยยังไม่มีกระจิตกระใจจะกินอะไรก็นั่งรอฟังข่าวอยู่นี่แหละชายันบอกมาอย่างร่าเริง โดยเขาจับข้อมือพรานใหญ่แล้วฉุดลุงนั่งรวมกลุ่มล้อมวงอาหารที่พวกลิงขนมากองไว้ให้เหล่านั้นทุกคนเริ่มเลือกกินอย่างหิวโหยกอบไปด้วยความรู้สึกอันประหลาดประหลาดจากสภาพการต้อนรับอันอบอุ่นเพียบพร้อมไปด้วยไมตรีจิตชนิดนี้ระพินเหลียวไปรอบๆก็ไม่พบว่าจะมีเจ้าวานอนดำตัวใดเข้ามายุ่งย่ามปนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ เหมือนจะปล่อยให้กลุ่ ม, มนุษย์พักผ่อนกินอาหารกันไปตามสบายโดยลำพังพวกมันบางส่วนมีเดินกันอยู่ไปมาตรงบริเวณปากทางเข้าเท่านั้นเจ้านิลเพชรทหารเอกเมืองขีดกินซึ่งเป็นตัวจ่าฝูงที่มีอำนาจบงการมากที่สุดรองลงมาจากวายาซึ่งนอนเจ็บอยู่บัดนี้ก็ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนซะแล้วระหว่างที่น้อยช่วยตัวนายใหญ่ของมัน ไอทหารเอกนะเจ้ากี่เจ้าการที่สุดตัวนั้นก็เดินออกไปข้างนอกเชษฐาบอกเขายิ้มยิ้มทุกคนมีอารมณ์ปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพที่ได้รับจากชาวนครลิงพักใหญ่พวกมันหลายตัวก็ช่วยกันขนผลไมกรากไม้และอาหารเหล่านี้เดินเข้าแถวมากองไว้ให้พวกเราทั้งหมดนะตอนนี้ไม่ใช่ฉเฉลยของมันแล้วละรพินแต่กลายเป็นแขกผู้มีเกียรติ ทุกสิ่งทุกอย่างนะกลับตาลปัดเกินความคาดฝันไปหมดระพินยิ้มออกมาเล็กน้อยก็ต้องนับว่าโชคดีของเราละครับที่เหตุการณ์มันผันแปรไปในทางดีเช่นนี้แล้วเจ้านิลเพชรตัวนั้นละครับหายไปไหนซะละก็ตั้งแต่มันหายออกไปข้างนอกก็ยังไม่เห็นโผล่กลับเข้ามาอีกเลยนะก็คงจะไปสั่งไพร่พลของมันให้ทาอะไรแล้วมะมันก็มีตาแหน่งเป็นขุนทหาร หรือแม่ทับมือขวาของพระเจ้ากรุงขีดขินนั่นแหละโชคดีเหลือเกินนะที่ผมไม่เกิดเรื่องฟัดกับมันซะก่อนระหว่างทางที่มานี่ชยันบอกบนหัวเราะคุณน่ะโง่ามากนะชยันฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าเจ้าลิงพวกนี้น่ะไม่ได้มาร้ายกับพวกเราเพียงแต่ระหว่างเรากับมัน่ะครั้งแรกยังไม่สามารถจะทาความเข้าใจกันได้เท่านั้นมาเรียต่อว่ามา เมื่อหวนนึกถึงภาพของชายยันที่รำรำจะเกิดเรื่องปะทะกัะททหารเอกเมืองขีดขิงอยู่บ่อยครั้งระหว่างที่มันคุมตัวมาอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะือ <c oughs> ในลำคอพลางยักไหลช่วยไม่ได้ก็ใครจะไปตรัสรูพูดกันก็ไม่รู้เรื่องคุณเองก็ใหระวังตัวดีเถอะถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่อยากจะวางใจมันสนิทนะ ตอนรับเลี้ยงดูพวกเราเป็นอย่างดีก็จริงเพื่อเราช่วยเหลือเจ้านายของมันหลังจากนั้นแล้วมันอาจจะอยากได้เมียมนุษย์งามงามสักคนก็ได้นี่เมื่อไหร่จะเลิกพูดจาไราสาระไม่เป็นภาษาอย่างนี้สัทีในชัยยันดารินร้องมาเบาๆแล้วมองไปทางแงซรายซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามใกล้กรพินแงซายเธอกรผพ้กองไปไหนกันมาเห็นบุญคาบอกฉันว่า ตอนที่แกกระขยินออกไปตามหานั่นเห็นเธอกับผู้กองกำลังไต่ลงมาจากหน้าผาเหนือถ้ำนี้ขึ้นไปองค์ครรภ์พิเศษของหล่อนเหลือบตาดูระพินและนิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นพรานใหญ่จิงตอบแทนมาว่ามีอะไรบางอย่างที่แงาซายไปพบข้าวและชวนผมไปดูครับเขาพูดเรียบเรียบไม่ต้องการให้คนทั้งหมดเห็นว่าสิ่ง น, นั้นน่าสนใจอะไรนะัก โปรดกินอาหารกันให้อิ่มเรียบร้อยซะ ก, ก่อนเถอะครับว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งดีหรือสิ่งร้ายละ่ะชัยันใจร้อนกว่าคนอื่นๆซึ่งเพียงแต่มองเขาอย่างฉ ง, งนก็น่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งมงคลครับเอ๊ะอะไรกันร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับพิกลางกระมังดารินถามบ้างไม่ใช่หรอกครับหมอะไรกัน อยากรู้เหลือเกินเก็บเงียบอยู่ได้บอกซะเดี๋ยวนี้ก็ได้นะ่ะก็ถ้ามผมบอกทุกคนก็จะตื่นเต้นซะจนกินอะไรไม่ลงแล้วก็คงเร่งเร้าให้ผมพาไปดูด้วยตาตัวเองซะเดี๋ยวนี้สู่ทานอาหารให้อิ่มหนำและพักกันให้สบายซะก่อนดีกว่าเพราะถึงยังไงเราก็ยังมีเวลาเหลือเฟือนะครับคำพูดของเขาทําให้คณะนายจ้างทั้งหมดยิ่งประหลาดใจและกระหายที่จะได้ทราบเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม ทุกคนสะกดกลั้นความอยากรู้เอาไว้จนกระทั่งเวลาอาหารผ่านไปแล้วพินไพรวันก็เล่าให้ทั้งหมดทราบในสิ่งที่เขาไปพบเห็นมากับตาตนเองซากของสัตว์ประเภทไดโนซึ่งมีสามเขาอันเป็นต้นเหตุให้วายาผู้ปกครองนครวานอนต้องบาดเจ็บสาหัสอยู่ในขณะนี้และโกธยมุนีโยคียมหัศจรรย์ที่มีอาสมจำศีลอยู่เหนือหน้าผา ซึ่งเขาไปนมัสการและสนทนามาด้วยแล้วทั้งคณะไม่มีใครสนใจเรื่องสัตว์อันตรายซึ่งทำให้มนุษย์วานอนต้องไส้ไหลนะักแต่ตื่นตะลึงแทบจะไม่ยอมเชื่อเรื่องฤาษีจำศีลซึ่งยังรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะนั่งหลับตานิ่งสนิทอยู่เหมือนท่อนหินตลอดระยะเวลาอันยาวนานคุณเหล่านั้นรุมกันป้อนคาถามมาที่เขา อย่างชนิดที่แทบจะตอบใครไม่ทันและรพินก็ตัดบทว่าเอาเป็นวา่าทุกคนพร้อมผมก็จะพาขึ้นไปให้เห็นด้วยกับตาตัวเองเดี๋ยวนี้แหละครับตกลงพาพวกเราไปเดี๋ยวนี้แหละรพินอดีต ท, ท่านทูตทหารบกกล่าวโดยเร็วพร้อมกับลุกขึ้นยืนทั้งหมดเตรียมตัวอย่างรีบด่วนในทันทีนั้นแม้แต่พวกพรานพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นขยินหรือสางปลาผู้โดยปกติแล้วไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นก็ขอที่จะขึ้นไปเห็นด้วยเราจะไปกันหมดทุกคนนี่แหละไม่ต้องเอาอะไรไปทั้งนั้นแหละนอกจากปืนติดตัวชา ย, ยันว่าแล้วก็หันไปคว้าปืนไรเฟิลขึ้นมาระหว่างที่ต่างเตรียมตัวอยู่นี้ดาริงก็ปราดเข้ามาชิดตัวพลานใหญ่สีหน้าของหล่อนแสดงความตื่นปีติอัศจรรย์ใจจนเกินกว่าที่จะกล่าวได้ ระพินคุณแน่ใจเหรอว่าคุณกระแงซายนะตามไม่ได้ฝาดไปในสิ่งที่เอามาเล่าให้เราฟังเป็นตุเป็นตะดนี่คุณหญิงครับถ้าตาฝาดก็คงไม่ฝาดไปพร้อมกันทั้งสองคนหรอกครับผมยังถามท่านเลยครับว่าถ้าผมชวนพวกเราทั้งหมดขึ้นไปนมัสการเยี่ยมเยียนท่านจะมีอะไรขัดข้องหรือไม่ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะต้อนรับครับ เป็นคนหรือไปวันคือฉันหมายถึงฮิวแมนบีอิงมาเรียถามเร็วปรือมาอีกคนหนึ่งยังไม่แน่ใจผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งร่างนี้ก็เป็นมนุษย์ปุุชนธรรมดาคนหนึ่งมาก่อนนะครับพอจะดูออกไหมระพินว่าลักษณะเป็นชนเผ่าไหนดารินถามอย่างกระตือรือร้อนต่อมา ในปานครับท่านบอกกับผมเองครับท่านพูดกับคุณเหรอเป็นภาษาไทยเหรอไทยกรุงเทพครับชัดซะด้วยโปรจะเพิ่งสักถามอะไรผมมากไปกว่าเท่าที่ผมเล่าฟังเลยครับคุณหญิงหรือพวกเราคนใดสงสัยเรื่องอะไรก็ไปขอสอบถามจากท่านเองดีกว่าครับลักษณะสภาพทางร่างกายของท่าน ก็คล้ายๆกับซากของผีดิบมันไรที่เราพบเห็นกันมาแล้วผิดกันแต่ความสดชื่นแจ่มใสกว่าสำหรับมันไรนัเป็นซากของความบาปแต่ร่างนี้ถ้าจะเป็นซากก็เป็นซากของกุศลผลบุญต่างกันอย่างปีศาจนรกกับเทพสวรรค์นั่นแหละครับกล่าวไม่ทันจบประโยคจอมพรานก็พยักหน้ากับทุกคนเป็นสัญญาณให้เดินตามเขาออกมายัางลานโลกใต้หน้าผา การเคลื่อนไหวของคณะทั้งหมดเป็นไปโดยลักษณะเสรีเต็มที่ไม่มีไอท้ทมโอันเป็นประชากรเมืองขีดขินตัวใดเข้ามาขัดขวางนอกจากพากันมองดูอยู่ตามมุมต่างๆด้วยอาการสงบเงียบเหมือนจะคอยสังเกตว่าอาคันตุ ก, กะชาวมนุษย์ของมันเหล่านี้จะไปไหนภายในเขตเมืองของมันทุกคนมีอาวุธประจาตัวครบมืออีกครั้งแต่สัมภาระอื่นๆ คงตั้งกองรวมไว้อยู่ในเวิร์งถ้ำที่อยู่ของจอมวานอนเช่นเดึมระหว่างที่ทุกคนกำลังแหงหน้าคอตั้งบ่ามองขึ้นไปยังหน้าผาอันสูงชันซึ่งพรานใหญ่ชี้ให้ดูนั้นรพินกระดิกนิ้วเรียกแง่ า, ายเข้ามาใกล้แง่ทรายทางด้านหน้านี่มันสูงชันมากนะไม่เหมาะที่จะให้พวกเราทั้งหมดเสี่ยงปีนขึ้นด้านนี้ พอมีทางขึ้นที่สะดวกกว่านี้บ้างไหมแม้จะอ้อมเสียเวลาหน่อยก็ยังดีนะ่ะก่อนที่แงซ า, ายจะตอบเช่นไรนั่นเองทุกคนก็แหลเห็นเงาอันใหญ่โตของเจ้านิลเพชรซึ่งหายหน้าไปพักใหญ่บัดนี้โลวกมาจากซอกขีนด้านขวามือเดินสองขาเหมือนคนตรงเข้ามายังมนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ เจ้าขุนทหารวานอนเมืองขิดขินเข้ามายืนตรงหน้าระพินกระแงทายมองหน้าทุกคนซึ่งขณะนี้ก็หันมาจ้องดูมันเป็นตาเดียวอยู่อึดใจหนึ่งจึงออกเดินล้ำหน้าไปทางด้านซ้ายมือของหน้าผาชันอันสลับซับซ้อนไปด้วยพุ่มไม้และก้อนหินใหญ่น้อยเหล่านั้นพลางหันกลับมาทำการโบกมือและรีรรอๆ อ, อยู่เหมือนกับจะให้ทุกคนตามมันไป ระหว่างที่จอมพรานมองมันอย่างสงสัยแง่สายก็พูดขึ้นเบาๆว่าหนทางที่จะขึ้นไปสู่ยอดผาโดยไม่ต้องไต่ขึ้นไปเสี่ยงอันตรายเช่นด้านนี้เราต้องเดินอ้อมเลาะหมู่หินขึ้นไปไปขึ้นเนินเขาทางด้านที่มันทำท่านําไปนั่นแหละครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าก็จะถึงจุดหมายแต่หนทางเดินสบายกว่าครับแล้วแกคิดยังไง ที่มันแสดงท่ากวากมือเรียกให้เราเดินตามนั่นผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับแต่เราก็ควรจะลองเดินตามมันไปมันอาจจะมีเจตนานำทางเราขึ้นไปยังอาสมของฤาษีองค์นั้นก็ได้ถ้ามันรู้จุดประสงค์ของเราบางทีอาจจะมีหนทางลัดและสะดวกกว่าที่ผมค้นพบเอาไว้แล้วพรานใหญ่ขมวดคิ้วคลางแคลงใจเขายังไม่เชื่อสนิท ต, ตามที่แง่ายบอกนักว่า เจ้านิลเพชรจะสามารถล่วงรู้เจตนาของฝ่ายมนุษย์ในขณะนี้ได้มันอาจจะพาเราไปที่อื่นด้วยความประสงค์อะไรชนิดหนึ่งของมันก็ได้นะแง่ทรายและเราก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะขณะนี้เราต้องการนำคณะพวกเราทุกคนขึ้นไปให้ถึงอาสมของฤาษีองค์นั้นโดยเร็วและสะดวกที่สุดไม่ใช่ถลายเถลืกไปไหนกับมันซะก่อนผมก็ลองตามมันขึ้นไปดูก่อน พอถึงยังไงผู้กองก็ให้ผมหาทางที่จะขึ้นไปบนนั้นอย่างสะดวกอยู่แล้วถ้าเห็นท่าว่ามันจะนำเส้นทางไปปะผิดวัตถุประสงค์ของเราผมจะตัดทางเข้าสู่จุดหมายที่เราต้องการเองครับระพินพยักหน้าแล้วโบกมือเป็นสัญญาณกับคณะนายจ้างของเขาพร้อมกับออกเดินตามหลังทหารเอกนะครลิงดำไปทันที ฝ่ายนายจ้างทั้งสี่และพรานพื้นเมืองเหล่านั้นพากันแปลกใจไม่รู้เรื่องเพราะต่างคาดกันไว้ก่อนตามจุดหมายที่รพินเชี่้เห็นแล้วว่าคงจะต้องปีนหน้าผาชันกันขึ้นไปแล้วก็เฝ้ามองด้วยความหนักใจอยู่ครั้นแล้วจู่ๆทั้งรพิน์กับแง่ทรายก็ออกเดินเลาะไปตามป่าหินชายตีนผานั่นมีหน้ำซ้ำยังมีเจ้านิลเพชรมาทําหน้าที่มัคคุเทศเดินนําอยู่ข้างหน้าด้วยเอา้า คุณกระเงยทรายไม่ได้ปีนหน้าผานี้ขึ้นไปหรอกหรือตอนที่ขึ้นไปพบฤาษีองค์นั้นน่ะแล้วนี่กําลังจะเดินไปไหนอะ่ะเชิฐาถามหนทางด้านนี้มันสูงชันแล้วก็เสี่ยงอันตรายเกินไปครับจอมพรานอธิบายเรีย บ, ยบๆกับนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาแง่ทรายบอกว่ามีทางขึ้นสะดวกกว่านี้แต่ไกลออกไปหน่อยผมก็เลยตัดสินใจเลือกเอาเดินไกลดีกว่าจะพากันไต่หน้าผาชัน ซึ่งอาจจะเกิดอุปตวะเหตุขึ้นโดยไม่จําเป็นครับแล้วโน่ละ่ะดารินบุยปากไปยังด้านหลังของเจ้านิลเพชรซึ่งเดินนำอยู่นั่นมันจะพาเราไปไหนอ่ะฉันเห็นมันหันมากวักมือเรียกแล้วคุณกระแงสายก็เดินตามมันไม่ใช่เหรอมันจะพาเราไปไหนก็ช่างมันเะครับสำคัญว่าเราไปของเราก็แล้วกันถ้าผิดเส้นทางของแงสายเราก็จะไม่ไปกับมัน เพราะทางของเราก็มีอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันจะนำไปทางเดียวกับทีงแงสายบอกไว้ครับนี่เมทำไมคุณไม่ลองส่งภาษาถามมันดูล่ะว่ามันจะพาเราไปไหนไม่เห็นว่าอะไรต่ออะไรก็ดูจะทำความเข้าใจกับมันได้ทุกอย่างถ้าไม่มีคุณทำหน้าที่เป็นล่ามสักคนเดียวพวกเราทั้งหมดก็คงยังไม่สามารถเข้าใจกับมันได้ถึงเพียงนี้ชยันอดไม่ได้ที่จะแย่มารีย แมวสาวตะหวัดหางตาคอนแล้วหัวรอฮือฮ อ, ออยู่ในลำคอดูคุณจะคอยประชดประชันแดกดันให้ฉันเป็นลิงพวกนี้อยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะชายันให้ฉันสามารถพูดจาส่งภาษากเข้าใจกับมันได้ฉันจะบอกกับมันว่าใครเป็นคนที่มีอคติคิดดิษยาหึงหวงมันอยู่ตลอดเวลาและคนคนนั้นก็ไม่ควรเลยที่จะได้รับไมตรีจิตมิตรภาพจากมัน นอกจากความเป็นศัตรูถูกว่าเอาจังๆต่อหน้าพรรคพวกคนอื่นๆอีกหลายคนเขแบบนี้ชายันก็เลยสงบนิ่งไปไม่เ อ, อ่ยอะไรอีกนอกจากยักไหลดารินได้ทีก็เ อ, อ่ยมาลอยๆว่าฉันก็ว่าไม่ช้าหรอกคงจะถูกฝังอยู่เมืองลิงนี่แหละพอชายันเอ้ยทั้งหมดจับกลุ่มเดินเข้าขบวนกันไปอย่างสงบ มีปัญหาอีกมากมายที่ฝ่ายนายจ้างอยากจะสอบถามระพินกับแง่ทรายแต่ก็ระงับความรู้สึกอันกระหายอยากรู้ไว้นั้นซะเพราะต่างก็ตระหนักดีว่ากำลังจะเดินทางไปพบกับคำตอบด้วยตนเองอยู่แล้วนอกจากเจ้าทโมนใหญ่เดินเลี้ยวลัดนำไปเบื้องหน้าแล้วเมื่อเลี้ยวกลับมาเบื้องหลังต่างก็เลยเห็นพวกมันตัวเขืองๆอีกเจ็ดแปตัวเดินตามมาด้วยอีกชุดหนึ่งลักษณะท่าทีของมัน สังเกตเห็นจากความรู้สึกของฝ่ายมนุษย์ยามนี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะทําหน้าที่ควบคุมอย่างใดทั้งสิ้นนอกจากจะติดตามร่วมทางเป็นเพื่อนมาด้วยเท่านั้นในลักษณะของเจ้าของถิ่นซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่อคันตุกะที่เข้ามาอยู่ในดินแดนของตนทําให้ฝ่ายมนุษย์ได้รับความอบอุ่นไว้วางใจต่อภูมิประเทศที่กําลังเดินไปขึ้นอีกเป็นอันมากเพราะไม่ว่าจะมีเพศภยัยใดๆเกิดขึ้น เจ้าลิงพวกนี้จะรู้ได้ก่อนในทันทียังไม่จำเป็นต้องคอยพวงห่วงกังวลมากนะักทหารเอกมือขิดขินเริ่มนำบ่ายหน้าขึ้นทางสูงแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการตัดขึ้นแผ่นผาบัดชันทำแนวตั้งฉากกับพื้นเช่นเดียวกับที่รพินและไงาสายเคยไต่กันมาก่อนขุนทางนั้นลักษณะของมันคล้ายขั้นบันไดธรรมชาติ อันเกิดจากน้ำฝนที่ซอะทาขั้นเอาไว้จากการเวลาซึ่งผ่านมาเป็นสิบสิบศตรวรรษสองฝั่งทางหนาแน่นไปด้วยพุ่มพงและเหลี่ยมแง่ของก้อนหินเรากับใครมาตบแต่งไวไงไซซึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าหยุดชะงักสังเกตลู่ทางอยู่ขณะหนึ่งในระหว่างที่เจ้านิลเพชรไตแบบสีขาขึ้นไปอย่างคล่องแคล่งระพินเห็นอาการของอ ง, องครักษพิเศษของดาริน ก็อ่านออกทันทีผิดเส้นทางของแกแล้วละมังแง่าสายแง่หน้ามองสำรวจขึ้นไปยังลูกเขาอันสูงใหญ่ทะมึนที่ประจันอยู่เบื้องหน้านั้นสำรวจพินิจอยู่อึดใจก็ออกเดินตามหลังเจ้านิลเพชรไปก่อนที่คณะนายจ้างจะเดินตามเข้ามาทันก่อให้เกิดคำถามใดๆขึ้นอีกแล้วแอบต่อแพนใหญ่เบาๆว่า ก็อาจจะเป็นทางลัดกว่าที่ผมพบไว้ก่อนแล้วก็ได้ครับผู้กองเพราะถึงยังไงมันก็ตัดขึ้นเขาลูกนี้ในทิศทางเดียวกันครับสำหรับพินไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหลงเมื่องแง่ทรายยอมเดินตามไอ้ธโมนนั่นไปเขาก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการตัดสินใจของแง่ทรายได้โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะรูมือกันดีอยู่แล้วหุทางที่ไต่สูงกันขึ้นไปในมุมประมาณ75องศานั้น ชั่วไม่นานก็บรรลุถึงขอบไหลต่อหนึ่งของลูกเขาซึ่งเป็นทางด่านขนาดใหญ่สายเดียวกับที่พรานใหญ่และแงซทรายเดินย้อนลงมาดูซาดเจ้าสัตว์สามเขาที่นอนตายอยู่ในหิวตื้นนั่นเองมักคุเทศเมืองวานนอนดำพิสูจน์ออกมาให้เห็นชัดว่าได้สาดถึงเจตนาของฝ่ายมนุษย์และนำทางมาให้อย่างถูกต้องหรือมิฉนั้นก็เป็นเรื่องของการบังเอิญอย่างยิ่ง ที่มันมีเจตานาจะให้อาคารตุกกะของมันได้มาพบกับซากของศัตรูที่พวกมันช่วยกันสังหารไว้อันเป็นศัตรูตัวเดียวกับที่ทำให้นายใหญ่ของมันต้องบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้แง่าสายกับระพินหันมาสบตากันอย่างโล่งอกและปโปร่งใจขึ้นเมื่อจำเส้นทางสายนั้นได้ภายหลังจากช่วยกันมองภูมิประเทศอยู่ครู่เดียวและจากนั้นเพียงไม่กี่อึดใจ โดยทิศทางที่ไตวนขึ้นไปสู่แนวเส้นทางนำสูงขึ้นสู่ยอดเขาเจ้านิลเพชรก็นำคณะมนุษย์ทั้งหมดมาถึงหลุมดักศัตรูของมันทันทีที่แลเห็นฝ่ายนายจ้างและพรานพื้นเมืองทั้งหมดที่เพิ่งมาพบเหตุการณ์ด้วยตาตนเองในขณะนี้ก็ปราดเข้าไปยืนรายล้อมอยู่ริมปากขอบเหวตึนจ้องอย่างพิศวงลงไปยังซาก ข, ของสัตว์ใหญ่สามเขา ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากระพินไว้ก่อนแล้วอุทานัตว์อยู่ในลำคอส่วนเจ้านิลเพชรและพวกของมันที่ตามมาด้วยก็หยุดยืนชะโงกดูร่วมอยู่ด้วยส่งเสียงโครกคราดและสันแดกกิริยาขยมตัวแยกเขี้ยวยิงฟันเหมือนจะบอกถึงความโกรธแค้นหลายตัวไต่ปากเขวลงไปจนถึงซากที่นอนอยู่แล้วนั้นเดินวนอยู่รอบๆเป็นความจิ่งที่ว่า ไม่เคยมีใครพบเห็นสัตว์ใหญ่ลักษณะประหลาดนี้มาก่อนเลยตลอดระยะทางที่ผ่านมาสำหรับมาเรียผู้เชี่ยวชาญทางโบราณชีวาศาสต์ภายหลังจากพินิษดูซากนั้นพร้อมอาการไค้ควนอยู่ครู่ใหญ่ก็บอกกับทุกคนว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นไดโนเสาร์ประเภทมีเขาขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งทางหลักวิชาเรียกว่าไทาเซราทอป สังเกตจากนอรึกเขาทั้งสามบนศีษะกันอันหนึง่งโผล่งงอกออกมาจากดั้งจมกูกเหนือริมฝีปากบนเหมือนแรดส่วนอีกสองนองอกอยู่เหนือกระบอกตาทั้งสองด้านก็ไม่น่าสงสัยอะไรอีกในกรณีที่ว่าทำไมวายาถึงใส่ไหลในการไล่ล้อมล่ามันมันเป็นสัตว์ใหญ่ดุร้ายและมีพลังเหนือกว่าลิงดำพวกนี้มากนะัก เวนไว้แต่ลิงพวกนี้จะฉลาดกว่าเท่านั้นตัวมันนะขนาดช้างไดโนเทเรียมทีเดียวไอ้พวกนี้ไม่น่าจะทะลึ่งไปยุ่งกับมันเลยนะชัยยันว่าก็คงจะอย่างที่เราพินสันนิษฐานเล่าให้เราฟังนั่นแหละก็ไอตัวสามเขาที่บุกรุกเข้ามาอาราวาดอยู่ในถิ่นยึดครองของวายากับวานอนก็จําเป็นอยู่เองที่เขาจะต้องต่อสู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของถิง่น เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าตัวชนิดนี้เคยมาเหยียบย่ำรังควานอะไรเจ้าพวกวานอนพวกนี้ไว้มันอาจจะเป็นศัตรูกันมาก่อนนานแล้วก็ได้ชนิดที่เจอที่ไหนก็ต้องปะทะกันที่นั่นท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างใช้ความคิดแล้วเหลียวไปดูภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมโดยรอบระพินคุณกระเงีาสายอ่านรูปการได้ถูกต้องนะะั่นแหะ วายากะลิงบริวารของพวกนี้ใช้วิธีล่อให้เจ้านั่นถลําลพลัดตกลงไปในเหวแล้วจุดไฟเผาซึ่งนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะปราบยักษ์ได้ลํำพังสู้กันซึ่งซึ่งหน้าบอกให้มีจำนวนมากกว่าสักแค่ไหนก็เอาเจ้านั่นมาอยู่รอกขนาดมันผิดกันเหลือเกินหน้าชมในไหวพริบอันชลาดของวายาหลักฐานที่เห็นอยู่นี่มันช่วยเราสามารถเข้าใจเขา และลีงพวกนี้ได้ขึ้นอีกมากทีเดียวมันยืนยันให้เห็นชัดว่าเขาคือมนุษย์อย่างเราเรานี่เองมนุษย์เสียชาติเพียงคนเดียวที่อยู่รวมกลุ่มกะลิงฉลาดเหล่านี้โดยตัวเขาเป็นหัวหน้าผู้ครองมันดารินมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นปมกังวลอยู่กับเจ้าสัตว์ใหญ่ที่กลายเป็นซากอยู่ในเหวตัวนั้นหลังจ้องดูลักษณะของมันอยู่เป็นเวลานาน แล้วเหลียวตรวจดูภูมิประเทศอย่างไต่ตรองพลางส ก, กิดแขนมาเรียถามขึ้นด้วยเสียงเบาพอได้ยินกันเฉพาะสองต่อสองนี่เมพอจะให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมเกี่ยวกับไอตัวชนิดนี้น้กเธออยากรู้เกี่ยวกับอะไรละน้อยก็ธรรมชาตินิสัยส่วนสัตว์ขนาดอันแท้จริงของเจ้าตัวที่จเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วก็อื่นๆนะท่านเมย นักโบราณชีวศาสตร์สาวเลือดผสมขมวดคิ้วอย่างยุ่งยากใจแล้วหัวเราะเบาๆน้อยการศึกษาในด้านซากโบราณอันเป็นวิทยาการที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เพียงพยายามศึกษาค้นคว้ากันนั้นมันจะมีได้ก็เพียงขั้นคาดคะเนตามสมมุติฐานเท่านั้นหรอกนะเพราะเราไม่มีของจริงจะมาศึกษาวิจัยกันเมื่อขุดพบซากโครงกระดูก เราก็นามาประติดประต่อกันเป็นโครงสมบูรณ์เพื่อหารูปร่างของมันว่าควรจะเกิดในสมัยใดไอ้ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะ่ะก็ใช้หลักฐานทางธรณีวิทยาเข้าประกอบฉันเรียนมาแล้วกับตัวเองก็ยังยอมรับว่ามันเลื่อนลอยอยู่เป็นอันมากมันอาจจริงอย่างที่ตำราเขาว่าก็ได้หรืออาจไม่จริงไม่ตรงกันเลยก็ได้เหมือนกันการเดินทางเข้าดินแดนหลงสำรวจ เรากะว่าเราได้เดินกันอยู่ในความฝันนี้สัตว์และพืดประหลาดประหลาดหลายชนิดผ่านเข้ามาในความพบเห็นของเราซึ่งก็อาจจะตรงกับที่ศึกษาร่ำเรียนมาหรืออาจจะไม่ตรงทำให้มีความรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มาริอเวนระยะถอนใจเบาๆแล้วกล่าวต่อมาว่าอย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นกระตาอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว จากลักษณะรูปร่างของเจ้าสัตว์ประหลาดซึ่งฉันสนนิษฐานว่าจะเป็นไดโนโประเภทมีเขาที่หลักวิชาเขาเรียกว่าไทเซราท็อปมันเป็นสัตว์งุ่มง่ามเคลื่อนไหวไม่ได้ปาดเปรียวว่องไวนักแต่ก็ทรหดบึกบึนดูรา้ายเทราะว่าก็ปราศจากมันสมองตามหลักวิชานะ่ะมันเป็นไดโนพันธุ์ที่มีเขาซึ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าพวกมีเขาทั้งหลาย แต่ก็คงไม่ใหญ่เกินไปกว่าที่เราเห็นอยู่นี่เท่าใดนักหรอกและสำหรับเราก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหนักอกอะไรทั้งสิ้นสมมติว่าถ้าเกิดการประจันหน้ากันขึ้นไรเฟิลเพียงนัดหรือสองนัดในจุดตายที่ถูกต้องจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ยากนักเพราะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมาโหฬารอะไรนักเทียบไม่ได้กับหนึ่งในสิบของอยักษ์ไทรนเธอมีอะไรกังวลใจหรือ้อย ประโยคหลังมาเรียถามปล่าร็อกเมแต่ฉันไม่อยากจะเผชิญกับสิ่งอันแลดูเหมือนกับว่าเราตกอยู่ในห่วงฝันร้ายอีกแล้วเท่านั้นละไม่มีฝ่ายของคณะนายจ้างคนใดละเอียดถี่ถ้วนพอจนสามารถสังเกตเห็นร่องรอยของเจ้าสัตว์สามเขาที่มาเรียเรียกว่าไซเทราท็อปอีกตัวหนึ่งซึ่งป่วนเปลี่ยนเข้ามาตามดูซ่าของพักพวกมันและมองผ่านกันไปสมดุด เดือเข้าใจว่าเป็นรอยเท้าของเจ้าตัวที่ตายไปแล้วยกเว้นแต่พวกรานพื้นเมืองผู้ชำนาญซึ่งบัดนี้เดินเดินเงยเงยตรวจดูรอยชนิดนั้นด้วยความสงสัยเพราะความเก่าใหม่ผิดกันรพินสกิดแง่ายให้ไปเตือนพวกนั้นไว้ซะไม่ให้ใครปิปากพูดถึงสิ่งผิดปกตินี้ขึ้นเพื่อตัดปัญหากังวลใจของฝ่ายนายจ้า เจ้านิลเพชรและพวกของมันก็สอ่ออาการว่าอยากจะให้ฝ่ายมนุษย์ซึ่งบัดนี้เป็นพันธมิตรกับมันได้เห็นร่องรอยของศัต ร, รูตัวใหม่อยู่เหมือนกันโดยแสดงท่าทางอยู่ต่างๆนานาแต่ทั้งสีคนไม่มีใครทราบอาการเหล่านั้นและก่อนที่มาเรียผู้ให้การสนใจกับกิริยาตีายของเจ้าธรโมนนอยู่ตลอดเวลาจะทันหันไปสังเกตอาการกิริยาของมันนั่นอีก ระพินก็เร่งให้ทุกคนออกเดินทางต่อไปโดยเร็วโดวยผ่านพ้นบริเวณนั้นมาซะเมื่อกลุ่ ม, มนุษย์เริ่มเคลื่อนหน้าต่อไปเจ้าลิงพวกนั้นก็ตามมาด้วยเช่นเคยนายจิ๋งนะเป็นคนมีเมตตาและชอบช่วยอยู่เสมอจอมพลานกระซิบกับแง่ใสนายใหญ่ก็จะขัดน้องสาวไม่ได้รวมทั้งคนอื่นๆด้วย เราต้องการออกจากนกครลิงของวายาให้เร็วที่สุดทันทีที่ได้สัมภาระคืนไม่จะเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อช่วยวายาปราบศัตรูเวลาเดินทางของเรานะี่มันจากัดเข้ามาเต็มทีแล้วหวังว่าแกคงเข้าใจนะแง่าสายแง่าสายไม่ตอบว่ารไรนอกจากก้มศีรษะนิดนึงรับคำเขาครันแล้วอีกไม่นานต่อมา ภายใต้การนำรุ่หน้าของพรานใหญ่คณะทั้งหมดก็มายืนจ้องตะลึงงันกับภาพที่เคยสร้างความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจให้แกรพินไพรวันมาก่อนแล้วระยะที่เลี้ยวลับมุมก้อนหินใหญ่มาเผชิญกับภาพนั้นห่างเพียงไม่เกินสิบห้าเมตรแสงสว่างของตะวันยามบ่ายสาดเรืองรองลอดเงาไม้ลงมาทาให้เเห็นชัดโดยไม่มีอะไรอําพาง แม้จะรับทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้วจากคำบอกเล่าของจอมพรานคณะนายจ้างทั้งสี่และพวกพรานพื้นเมืองทุกคนก็แทบจะไม่เชื่อในสายตาที่แลเห็นอยู่ในขณะนี้ความแน่ใจเริ่มบังเกิดขึ้นพร้อมกับปลุกให้ตื่นขึ้นจากภวังตะลึงเมื่อต่างเห็นทหารลิงนครขีดกิ่นที่ตามมาด้วยเหล่านั้นพากันชุดกายลงนั่งอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีตัวใดสดงกิริยาทะลึงตึงตัง ตามสันดาณเดิมของมันหรือว่าเดินเพ่นพ่านไปมาทันทีที่เข้าเขตลานอาสงอันสงบเงียบฤสีฤสีจริงๆด้วยเสียงบุญคำหลุดปากออกมาแผ่วเบาท่ามกลางความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินนั้นชยันยกมือขึ้นขยี้ตาอยู่หลายครั้งมาเรียนนั้นตาสีเขียวของหล่อนเบิกกว้างอย่างพิศวง ส่วนดารินจับแขนวิชายแน่นขนลุกเกลียวขึ้นทั้งกายด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายไม่น่าเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงกันนี่หลนพึมพำอย่างไม่รู้สึกตัวท่านหัวหน้าคณะหันไปมองสบตาจอมพรานแล้วจ้องไปที่ร่างอันสงบนิ่งนั้นสลับกันอยู่อึดใจใหญ่ยอมรับกับตนเองว่า ตลอดระยะเวลาแห่งการผ่านพจนภัยมันนับครั้งไม่ถ้วนของเขาไม่เคยมีครั้งใดที่จะพบกับความแปลกประหลาดมหัศจรรยเหมือนเช่นที่เห็นอยู่ในกับตาในขณะนี้และโดยไม่เอ่ยคำใดขึ้นทั้งสิน้นเชษฐาวราริษ์เริ่มเคลื่อนออกจากที่รงเข้าไปยังอาสนะศิลาซึ่งมีร่างชวนะงนนั่งสมาธิหลับตาแนวหนิงประดุดท่อนหินนั้นอย่างแช่มชา้า ทุกคนจึงเคลื่อนไหวตามเขาเข้าไปด้วยจนกระทั่งมาหยุดห่างจากร่างนั้นประมาณสองว่าจึงค่อยๆสุดกายลงนั่งราบกับพื้นวางไรเฟิลที่ถือติดมืออยู่ลงพนมมือขึ้นคาระวะบูชาอาการของท่านหัวหน้าคณะทำให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยอาการสงบและเงียบกริบกันไปหมดยกเว้นมาเรียขยินและสางปาเท่านั้น เพียงแต่สุดกายลงนั่งเฉยๆเพราะไม่สันทัสในเรื่องกราบไหว้มาก่อนความเป็นดุษณีภาคคงปกคลุมไปทั่วบริเวณอยู่เช่นเดิมขณะจิตต่อมาเชษถาหันไปมองหน้ารพินอีกครั้งเหมือนจะถามว่าร่างอันนิ่งประดุดท่อนหินนี่นะหรือที่ว่าพูดได้ พลันทุกคนก็แวววเสียงเอ่ยปราัยผ่านออกมาจากร่างกายอันไม่น่าจะมีชีวิตวิญญาณครองนั้นสะดับได้ทั่วกันว่าความจำเรินสถาพรจงเป็นของทุกผู้ที่มาเยือนเราณนะที่นี้พระอินทร์เหาะจากฟ้าลงมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าในขณะนี้ ทุกคนก็คงไม่พบกับความตื่นเต้นประหลาดใจอย่างที่เผชิญอยู่ในขณะนี้เช่ถาอาปากค้างจังงังไปครู่ใหญ่ชัยันดารินหรือมาเรียก็เอ่ยคำใดออกมาไม่ได้เหมือนกับว่าได้ถูกสาบให้กลายเป็นหินไปฉะนั้นเมื่อได้สติรู้สึกตัวท่านหัวหน้าคณะก็ก้มลงกราบระงับจิตใจอันตื่นเต้นให้เป็นปกติลงแล้วเอ่ยขึ้นว่า พระคุณเจ้าขรับพวกผมได้ทราบจากพรานนาทางว่าพระคุณเจ้าบําเพ็ญตบะฌานจําศีลอยู่ที่นี่จึงชวนกันขึ้นมาเห็นด้วยตาเพื่อนมัดสการเยี่ยมเยียนกันทั้งหมดเมื่อได้มาเห็นกับตาตนเองแล้วเช่นนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มปิติใจล้นเหลือเหมือนได้พบพระอรหันต์มาโปรดพระคุณเจ้ามีอดีตมาจากที่ใดและมีความเป็นมาเช่นไรจึงมาจําศีลอยู่ที่นี่ขอรับ ประสบทั้งหลายที่เป็นคำถามของเจ้าเราได้ตอบความแก่พรานของเจ้าไปแล้วแล้วพรานก็ได้บอกเล่าแก่เจ้าแล้วเช่นกันทั้งหมดหันมามองหน้ากันเองอยู่ไปมามาเรียกระซิบกับดารินว่าเหมือนท่อนหินที่ใครเอาเครื่องบันทึกเสียงไปซ่อนใส่ไว้ข้างในนะ ฉันก็มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นนะเม่แต่จะต้องมีอะไรที่มาสะจันเหนือกว่าที่เราคิดมากทีเดียวแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาตอบในเสียงเดียวกันอย่างเต็มไปด้วยความกลกรงเกรงรักคนไปกับความศรัทธาท่านพูดในภาษาไทยของเธอไม่ใช่เหรอน้อยท่านพูดว่ายังไงล่ะก่อนที่ดาริงจะตอบเช่นไรนั้นกุลธัญญมุนีผู้สนิทนิ่ง ก็ตอบคำมาเรียฮอฟมันมาอย่างแช่มช้าชัดเจนชนิดที่ทำให้แมมสาวตะลึงตัวแข็งตาเหลือกเพราะเสียงพูดอันได้ระดับแผ่วเบาแช่มช้าแต่มีกลางวานกล้องชัดเจนนั้นเป็นภาษาเยอรมันของหล่อนเองเราอํำนวยพรให้แก่คณะของเจ้าทุกคนให้มีความสวัสดีดและปลอด ในโอกาสที่มาเยือนเราจนถึงที่นี่พระเจ้านี่เป็นเรื่องที่แทบจะไม่เชื่อได้เลยทีเดียวมาเรียร้องลั่นระหว่างที่ทั้งหมดยังเงียบกริบระพินไพรวันหันมากระซิบบอกมาเรียว่าไม่คุณไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงความลี้ลับของโลกซีตะวันออกหรอกไม่ว่าคุณจะเข้าใจ หรือไม่เพียงไรเพื่อเห็นแก่ความเป็นสวัสดิมงคลของคณะเราทุกคนนะผมอยากจะขอร้องให้คุณอยู่ในอาการสงบคุณจะไม่เชื่อถือหรือไม่เลื่อมใสก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าแสดงกิริยาหรือวาจาใดๆออกไปในลักษณะก้าวร้าวดูหมิ่นเป็นอันขาดโดยทัศนคติของพวกเราเชาวตะวันออกซึ่งเชื่อถือในศาสตร์อันลี้ลับอันเกี่ยวข้องกับอํานาจจิตและกุศลผลบุญ เราเชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งอยู่ในระดับเหนือโลกบางทีคุณอาจมีโอกาสได้เห็นชัดในครั้งนี้ด้วยมันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ของโลกซีตะวันตกของพวกคุณพิสูจน์ไม่ได้ฉันจะพยายามปฏิบัติตัวตามที่คุณสั่งไทรวันแมนสาวกระหืดกระหอบรับคำจ้องร่างนั้นคะมิงพร้อมทั้งกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่คิดนะ ่าร่างนี้จะเป็นมนุษย์ปุตุชนนอกจากนอกจากเราจะเรียกอะไรดีโยคีผู้สําเร็จแล้วย่อมไม่ใช่มนุษย์ปุตุชนไม่แต่เป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งซึ่งดนและบรรดาลได้เช่นเดียวกับเทพเจ้าเชษฐาให้ความเข้าใจแกมารีมาอีกคนหนึ่งด้วยเสียงกระซิบกระซาบแล้วทําสัญญาณให้หลอนสงบปากสงบคําซะ ตัวเขาเองไม่เคยพบนักพรตผู้ทรงศีลซึ่งอยู่ในความสงบสันโดดกลางป่าลึกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นฤาษีโยคีหรือนักบวชประเภทใดๆทั้งสิ่งนอกจากจะได้ยินได้ฟังมาบ้างเท่านั้นบตรนี้เขาและทุกคนได้มีโอกาสพบแล้วโดยไม่คาดฝันล่วงหน้าทั้งตื่นเต้นยินดีและทั้งประหลาดพิศวงใจจนจำแนกไม่ถูก เมื่อรพินกางแง่ายไปเล่าความให้ฟังนั้นเพียงแค่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเท่านั้นมันเท่ากับเป็นการบอกให้ทราบว่าเขาและคณะทั้งหมดได้บุกบัน ด, นด้านด้นมาจนสุดขอบฟ้าป่าหิมะพานแล้วสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังในลักษณะนิยายจึงปรากฏให้เห็นจริงกับตาตนเองมาเป็นลาดับแม้แต่ชยันผู้มีอารมณ์คะนองอยู่เป็นนิษ และไม่เคยเชื่อมั่นยึดถืออะไรทั้งสิ้นนอกจากกฎของวิทยาศาสตร์และสูตรเคมีแบบนี้ก็ถึงกับก้มลงหมอบกราบกรานไม่บางอาจที่จะคิดค้นคว้าพิสุจิ์ใดๆออกมาทั้งสิ้นถึงหมอดารินก็ไม่กล้าบางอาจเอาความเป็นแพทย์และนักมนุษยวิทยาของหลอนเข้ามาวินิจฉัยร่างประหลาดซึ่งแลพาดผ่าดว่าน่าจะเป็นศพตายซากมัน า, นานนับศตวรรษนี้ได้พระคุณเจ้าครับ นับเป็นบุญวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งขอรับที่ได้มีโอกาสมาพบเห็นและนมันนมสการพระคุณเจ้าในขณะที่เดินบุกป่าฝ่าดงมาด้วยความลำบากยากแค้นจนแทบเอาชีวิตไม่รอดและมองไม่เห็นความหวังใดๆทั้งสิ้นขอรับช ย, ยันพูดขึ้นบ้างด้วยเสียงที่สั่นเครือไปด้วยความปิติเรารู้เราแลเห็นแล้วที่มา ของคณะเจ้าทุกคนโกนธัญญะมุนีตอบด้วยเสียงอันเยือกเย็นเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเช่นเดิมถ้าเช่นนั้นดารินเออยึกอักเป็นประโยคแรกพระคุณเจ้าก็ย่อมรู้ว่าพวกเราทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างติดตามค้นหาตัวบุคคลที่หายสาบสูญมาในเส้นทางนี้ ก็พี่ชายของเจ้าเองคนหนึ่งและพรานนำทางอีกคนหนึ่งใช่ไหมละ่ะก่อนที่ดาริงจะทันพูดจบประโยคอันอั้ำอื้นอยู่นั้นกุลทัญญะมุนีก็เอ่ยความมาอย่างสงบทำให้ทุกคนรู้สึกทราบซ่านจากเส้นผมไปจรดปลายเทา้าตลอดเวลาระพินนั่งสงบนี่ เขาปล่อยหน้าที่การสนทนาวิสาสะทั้งหลายให้แก่คณะนายจ้างตามลำพังเฉถาก้มลงกราบอีกครั้งแล้วเงยขึ้นตัดสินใจถามออกไปว่าพระคุณเจ้าขรับขอได้โปรดเมตตาบอกด้วยเถิดขอรับว่านายชดประชากรอันเป็นน้องชายของกระผมเองและหนานอินพรานนำทางขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เป็นตายรายดีอยู่ที่ใด และพวกผมจะเดินทางไปค้นพบเขาได้ที่ใดเพราะนี่คือปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้พวกเราทั้งหมดต้องลำบากยากแค้นเดินทางมหาวิบากทนทุกขเวทนาอยู่ในขณะนี้โดยไม่ทราบอนาคตกรับประโสคทั้งหลายแหลที่บรรดาให้หมวนชีวิตในโลก ต้องมีอันเป็นไปต่างๆนั้นล้วนเป็นผลมาแต่บุรพกรรมทั้งสิ้นเจ้าผู้เจริญแล้วทั้งหลายพึงตรหนักในสัจธรรมข้อนี้เถิดจิงยูเราโกนทัญญะมุนีเป็นผู้ที่ยังรู้แล้วทั้งอดีตอนาคต ตลอดทั่วจักรวาลแต่การที่บอกสิ่งใดให้ฝืนกฎของจักรวาลไปนั้นเป็นราคีต่อพรหมจันยร์ของเราสิ่งที่เราจะให้แก่พวกเจ้าได้ก็แต่เพียงการแผ่เมตตาอํำหนวยพรให้เท่านั้นประจุทุกคนตะลึงงาน ยันมือหลุดจากพนมไว้บนอกอย่างสิ้นหวังอุทานออกมาว่าเสร็จเกมกันแค่นี้เองท่านไม่ยอมบอกอะไรให้เป็นประโยชน์แกพวกเราเอา่ยแต่พระคุณเจ้าเจ้าคะ่ะพวกเราไม่ได้ทำผิดร้ายแรงอะไรเลยเราต้องการตามตัวคากลับคืนมาด้วยความรักและห่วงใยถึงท่านจะเมตตาบอกแนวทางแก่เรา เพื่อได้รับรู้ไว้ล่วงหน้าก็มองไม่เห็นว่าจะทำให้ท่านอาบัตผิดศีลอย่างใดนะเจ้าคะดารินละล่ำละลักวิงวอนมาโดยเร็วจงฟังเราประสบด้วยสติสัมปชัญญะและการไตรตรองอนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจล่วงรู้ได้ เป็นแนวทางอันลี้ลับที่ได้กำหนดเส้นไว้แล้วเพียงแต่มนุษย์ไม่รู้เท่านั้นการที่มีผู้รู้เห็นแล้วและนำมาบอกให้ทราบล่วงหน้ายอมเป็นการอุตริผู้ทรงศีลอันวิสุทธิยอมหลีกเลี่ยงต่อการกระทาตนแม้เป็นเจตนาที่มุ่งดีก็ตาม ยอมบันดาลให้เกิดกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแก่ตัวผู้ซึ่งได้รับรู้นั่นเองถ้ารู้ว่าความสำเร็จที่ผลโชคชัยรอคอยอยู่เบื้องหน้าก็จะเกิดความยินดีลำพองและประมาทแต่ถ้ารู้ว่ามรณการความวิบัติกําลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ ก็จะเกิดความเศร้าหมองอับเฉาด้วยเหตุที่มนุษย์ทั้งหลายยังเป็นสัตว์ที่แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสไม่อาจทำตนเป็นอุเบกขาวางเฉยในอารมณ์ได้ฉะนั้นบัณฑิตผู้ล่วงรู้อนาคตจึงไม่พึงควรบอกอนาคตแก่ผู้ใดทั้งสิ้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ดำเนินไปตามคันลองของมันเราเป็นผู้สงบและถึงซึ่งสารติแล้วเราไม่กระทำกรรมใดๆขึ้นอีกทั้งสิจงอย่าเร่งเราให้เรามีมนทินเลยการที่เจ้าทั้งหลายได้มาพบเห็นเรานี้จงถือเสมอว่าเป็นมงคลต่อชีวิตของพวกเจ้า แต่ละคนทึดอย่ามุ่งหวังเสแวงหาประโยชน์ดใดๆในทางโลกจากเราเลยทุกผู้ที่นั่งประชุมกันอยู่ณนะที่นี้ก็ยอมจัดรันหนักในตนเองดีแล้วว่าได้ประกอบกรรมใดไว้บ้างกรรมนันนันก็ยอมจะส่งผลสนองตอบเมื่อถึงเวลาของมัน ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล ก, ก, ก่อนที่ดาริงจะขยับปากพูดอะไรต่อไปพี่ชายก็สะกิดไว้กระซิบว่าน้อยอย่าไปเรื่องราวถามอาประโยชน์อะไรกับท่านเลยท่านประพฤติแล้ววางตนอยู่ในกรอบของผู้ทรงศีลที่ชอบแล้วท่านเป็นโสดาบันละโลกและทุกอย่างไม่ใช่พ่อมดหมอผีหรืออาจารย์ผู้วิเศษ ที่จะทำนายทายทักโชคชะตาหรือบอกอนาคตมดเท็จแก่ใครและเราก็ไม่ต้องการให้ท่านเป็นเช่นนั้นด้วยท่านพูดถูกแล้วการที่เราทั้งหมดได้มาประสบพบเห็นท่านก็ถือว่ามีบุญวาสนามากแล้วและพี่ก็เชื่อว่าจะต้องเป็นสุพนิมิตอันดีเลิศแห่งความสําเร็จของพวกเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพบแต่พู้ผีปีศาจและสับปะสักร้าย แต่เดี๋ยวนี้เรามีโอกาสได้พบและกราบไหว้พระโสดาบันเป็นสิ่งที่เราควรพอใจที่สุดแล้วประสนทนากับท่านในสิ่งที่ไม่ทำให้ท่านต้องผิดศีลดีกว่าน้องสาวอึ้องไปในบัตรนั้นมองดูร่างนั้นอย่างผิดหวังแต่ช้ยันก็ยังไม่ละความพยายามพระคุณเจ้าขรับอย่างน้อยที่สุดพระคุณเจ้าบอกให้พวกเราทราบสักนิดเถอะขรับ ว่าตอนนี้เขาตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เพราะถ้ารู้แน่ว่าเขาตายแล้วพวกเราก็จะได้กลับแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็จะบุกบั่นค้นหาต่อไปส่วนเขาจะอยู่ที่ไหนในสภาพอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราจะค้นหากันเองประสบหน้าที่ของพวกเจ้าทั้งหลายก็คือจะต้องบุกบั่นฟันฝ่าเดินทางกันต่อไป เพราะฉะนั้นเราไม่อาชีให้ได้ว่าควรจะกลับหรือควรจะไปเจตนามีไว้เช่นไรก็ขอให้ยึดมั่นในเจตนานั้นไว้ตลอดไปเถิดใช้ความมานะพยายามบากบันอดทนเป็นที่ตั้งเหมือนอย่างที่พวกเจ้าปฏิบัติมาแล้ว ปัดความโลภออกไปจากจิตสำนึกซะนั่นคือประทีบชัยที่จะส่องทางไปถึงทุกแห่งที่ปราถนาจากไปโกนทัญญะมุนีตอบคำชัยยันอย่างเต็มไปได้วยปริศนาชวนคิดทำเอาชัยยันงันไปอีกคนหนึ่งมาเรียแอบกระซิบดารินถึงข้อความสนทนาพอทราบโดยตลอดหล่อนก็ทำตาโต ร้องออกมาเบาๆว่ะอย่าโ ง, ง่นะน้อยมันเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะให้ท่านบอกอะไรแก่เราที่ยังไม่รู้ชวนคุยหลอกล่อกเอ็เถอะหรือท่านก็คงยอมบอกออกมาเองแหละมิอย่างเหรอรู้อะไรต่ออะไรสารพัดแล้วแกล้งหุบปากนิ่งไม่ยอมบอกเราอย่างเงี้ยดาลินใจหา ย, หายวูบเพราะคําพูดของเพื่อนสาวต่างผิวบ้าเมหุบปากมังเธอเซะ อย่าพูดอะไรเป็นเชิงตำหนิที่รูดูหมิ่นท่านนะประเดี๋ยวพากันเดือดร้อนอับประมงคลกันไปหมดเท่านั้นนี่แปลว่าเรามาพบกับโยคียจำศีลผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างเลยเลยยังน้อยที่สุดก็เกี่ยวกับข่าวคร า, าวของคนหายรวมทั้งสิ่งที่เราควรจะรู้อย่างอื่นนะหยุดพูดนะเม่ราสกุลสาวตวาดอย่างฉุนเฉียวเดือดดานที่มาเรียใช้วาจาอันไม่สมควร แสดงถึงจิตใจอันไม่เคารพเลื่อมใสอะไรนะักผิดกับฝ่ายของหล่อนทุกคนซึ่งนบนอบคาราวะอยู่ในขณะ น, นี้อดีตพัญญายไม้ของดอเตอร์ฮอฟมันจึงนิ่งเงียบไปพร้อมกับโครงศีรษะไปมาหล่อนกำลังคิดพิเรนอยู่ในใจว่าถ้าไม่เกรงใจทุกคนที่นั่งอยู่พร้อมในขณะนี้แล้วก็จะลองแก้ผ้าเขาไปปล้ำหรือสีองค์นี้ดูสักทีแล้วดูสิ ว่าจะยอมพูดอะไรที่หลอนต้องการให้พูดออกมาไหมโชคดีที่ไม่มีใครอ่านความคิดภายในของหลอนออกหรือกนทัญญะมุนีผู้มีทิพยานจะล่วงรู้ความคิดชนๆระษาสัตว์โลกของแม่สาวผมทองผู้นี้ท่านก็อาจวางเฉยเป็นอุเบกขาซะไม่คิดจะตอแยะอะไรด้วยให้แปลกเปื่อนพรหมจันท์ตามวิสัยของผู้สำเร็จแล้วปราศจากซึ่งโทสะจริต ความคุนเคืองโกรธแค้นใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะแผ่เมตตาให้เมื่อหมดหวังที่จะขอทราบปนาคดได้จากผู้ทรงศีลเฉษฐาก็สนทนากับท่านในเรื่องอื่นอีกสักครู่ใหญ่เกี่ยวกับวายาและนครลิงที่อยู่เหนือหน้าผาลงไปซึ่งท่านก็ไม่ให้ความกระจ่างใดๆมากกว่าที่จะบอกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าเท่าที่ทุกคนรู้เห็นอยู่แล้ว ทุกข้อสนทนาโกนทัญญมุนีผู้สมาธิหลับตาในสภาพเดิมอยู่ตลอดเวลาจะไม่เป็นฝ่ายมีคำถามใดๆแก่ผู้มาเยือนคณะนี้เลยนอกจากจะเป็นฝ่ายตอบเท่านั้นซึ่งทุกคนก็ตระหนักดีว่าท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเอ่ยถามคำาใดทั้งสิน้นในเมื่อท่านก็มองเห็นอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแผนการเดินทางและเจตนาของแต่ละคนอย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะดูเหมือนว่าฤษีโกนธัญะจะไม่ยอมให้ข่าวอันเป็นประโยชน์คืบหน้าใดๆทั้งสิ้นแต่การที่มีโอกาสาได้มาพบปะนมัสการทำให้ต่างมีความรู้สึกตรงกันหมดว่าเพราะเต็มไปด้วยความอบอุ่นสบายใจและกำลังใจที่มั่นคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างระลาดเมื่อเห็นสมควรกับเวลาท่านหัวหน้าคณะก็หันไปทางระพินและพักพวกทุกคนบอกว่า กลับกันลงไปเถอะอย่ารบกวนสมาธิของท่านมากไปกว่านี้เลยเอาไว้ก่อนจะเดินทางออกจากที่นี่เราค่อยขึ้นมานมัสการลาและขอพอรจากท่านอีกครั้งแล้วกันทั้งหมดกราบลาร่างอันศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วพากันถอยกลับลงมาจากยอดเขาสุอาณาจักรของวายาเบื้องลา่างโดยมีบริวารของวายาฝูงนั้นแวดล้อมตามลงมาด้วยขณะนั้น ตะวันเริ่มอ่อนแสงลงทุกขณะทุกอย่างเรียบร้อยดีเมื่อทั้งสิบสองชีวิตกลับลงมาถึงบริเวณถ้มที่พักของจอมวานนวายาสิ่งที่ทุกคนพบกับความแปลกใจอีกครั้งหนึ่งก็คือทันทีที่ก้าวเข้าไปในเวิร์กถ้มซึ่งบัดนี้ตะวันรับเหลี่ยมเขาไปแล้วและทำให้บรรยากาศขมุกขมัวลงแต่แทนที่จะมืดมิดตามสภาพอันควรเป็นไปของชีวิตแห่งการเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์ กลับปรากฏว่าตามฝาผนังหินและพื้นถ้ำบางส่วนลุกวอมแวมอยู่ด้วยเปลวไฟมองผาดผาดเกือบจะเหมือนดวงประทีปชวาลาที่จุดไว้ในยามค่ำคืนอันเป็นวิสัยของมนุษย์ช่วยให้ภายในถ้ำมีแสงสว่างพอสมควรที่จะแลเห็นอะไรได้มีน้ำซ้ำก่อนที่ต่างจะกลับเข้าไปถึงถ้ำและหินเข้ากับการตามไฟชนิดนั้น ก็เลยเหินกองไฟใหญ่ก่อไว้ยังปากทางเข้าและตามโขดหินเพิงพักของเหลาวานอนทั่วๆวไปก็ปรากฏว่ามีควันไฟลอยขมงุงราวกระหมู่บ้านชมรมมนุษย์ยืนยันให้ทราบแน่ชัดว่าชาวนาครขีดขินรู้จักใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกเจ้าลิงดำพันนินเหล่านั้นเื่อยกันก่อไฟไว้เป็นยอมยอมเมื่อราตรีคืบคลานเข้ามา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 ขณะที่ยืนจ้องดูดวงประทีปประดิษฐ์ด้วยสมองอัญชานฉลาดของชาวนครลิงพวกมันคงมาช่วยกันจุดใต้เหล่านี้ไว้และคงทำเป็นประจำในเวลาตะวันใกล้ตกดินและความมืดย่างเข้ามาเพื่อปรนิบัตรราชาผู้มีนามว่าวายาของมันทั้งคณะกลับเขามานั่งพักผ่อนกันตรงบริเวณมุมหนึ่งของผนังถ้ำอันกองสัมภาระไว้ โดยไม่มีวี่แววว่าหีบห่อใดจะถูกแตะต้องขยับขยือนในขณะที่พากันพละกันไปหมดเมื่อพักใหญ่ๆนี้ส่วนเจ้านิลเพชรและทหารของมันหมู่นั้นพอมาส่งคณะอาคันตุ ก, กะมนุษย์ของมันถึงที่พักแล้วก็เดินแยกหายไปกลางถิ่นของมันไม่ได้ตามเข้ามาด้วยบริเวณแวดล้อมรอบด้านหน้าปากเพิงก็มีประชากรของพวกมันวกไค่อยู่ประปรายตามธรรมดา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 มันเกิดขึ้นจากกมลสันดานและธรรมชาตินิสัยอ่น อ, อนโยนกรุณาซึ่งมีให้แก่ทุกชีวิตอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวด้วยไรายสาระนาน้อยมาเรียขัดขึ้นในระหว่างที่ทุกคนเงียบแสดงให้เห็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและเฉียบขาดกว่าเพื่อนสาวภาระของเราเบื้องหน้ า, นามันสาคัญกว่ามากนักนะมันหมายถึงผลสาเร็จ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 ดารินตัดสินใจภายหลังจากเล็งห็นแล้วว่าไม่มีทางเลือกอย่างอื่นระพินรอบถอนใจอย่างโล่งอกตลอดเวลาเขานิ่งเฉยซะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างใดทั้งสิน้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะนายจ้างที่จะหารือกันเองตามลาพังเพราะถ้าขืนพูดอะไรมากก็คงไม่แคล้วถูกน้องสาวคนสวยของนายจ้างบริพาศเอาว่าเป็นคนใจดาอย่างที่เคยโดนกล่าวหาอยู่บ่อย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 พระเจ้ากรุงขีดขินของบุญคำพูดภาษาช้างภาษามาแบบนี้อีกร้อยปีก็พูดกันไม่รู้เรื่องไหนเชษฐาชยันระพินและพรานทั้งหมดกระพริบตาปริบปริบมองหน้ากันอยู่ส่วนดารินทำหน้าเหมือนจะร้องไห้สันหน้าไปมาอย่างอัดอั้นตันใจทำยังไงกันดีเนี่ยท่านหัวหน้าคณะหัวเราะขึ้นกล่อย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 พร้อมกับผูย้ยางอาจหาันดังก้องวายามองหน้าระไปทีละคนหญิงผุมทองผู้มีสเสน่ห์ชายผู้ถือธนูสายฟ้าอันมีที่มาลึกลับพรานนำทางผู้ยิ่งใหญ่บริวารผู้ติดตามทุกผู้และนายหญิงผู้การุ่นซึ่งช่วยชีวิตของวายาไวา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 จากปรากฏการพิสดารเกินเชื่อนี้ดารินนั้นพอเกิดปาฏิหาริมนุษย์วานอนพูดได้จริงๆหล่อนเองกลับพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะชายันเอานิ้วเคี้ยวหูแรงๆพูดอะไรไม่ออกเช่นกันได้แต่มองหน้าระพินแล้วทำปากหมุบมิดแต่ไม่มีเสียงใดๆผ่านลำคอยิงมีแต่เชษฐาเท่านั้นที่ควบคุมความรู้สึกได้เหนือทุกคน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 น้อยฤาษีโกธัญญาสำแดงอิทธิปาฏิหารในพวกเราทุกคนชัดกับตาอย่างอัศจรรย์ที่สุดสมตามคำที่น้อยอธิษฐานแล้วทำไมยังยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นเล่าพูกับเขาสิถูกปลุกเตือนด้วยคำพูดเช่นนั้นหมอดารินจึงเพิ่งจะขยับขยื่นกายได้กัดดินฝีปากของตนเองจนรู้สึกเจ็บเพื่อแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ได้ฝันไปวายา เธอได้ยินที่ฉันพูดเดี๋ยวนี้ไหมหล่อนกล่าวด้วยเสียงเครือสันไปได้วยความรู้สึกอันแทบระงับไว้ไม่ได้มนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์ผ ง, งกหัวลงวายาได้ยินนหนหญิงฤาษีโกนธัญญาศักสิแท้พวกเรายินดีเหลือเกินที่มีปฏิหารมาช่วยทำให้เราสามารถพูดเข้าใจกับเธอได้ทั้งๆที่เมื่อแรกรู้สึกสิ้นหวัง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 ขอเป็นหน้าที่ของฉันคนเดียวก่อนในระยะนี้พลางหล่อนก็หันมาทางจอมวานอนวายาบอกฉันสิว่าตอนนี้เธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับบาดแผลหนายหญิงวายารู้สึกดีขึ้นมากคงรอดตายแน่ในครั้งนี้แต่เธอควรนอนลงนอนพักนิ่ง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 แวลาที่มีประกายส่อความรู้สึกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นตลอดระยะเวลาระหว่างนี้ทุกคนนิ่งเงียบปล่อยให้ดารินทำหน้าที่สนทนาโต้อตอบกบวายาตามลาพังและคอยฟังอยู่นายหญิงวายาต้องขอโทษนายหญิงและพวกของนายหญิงทุกคนที่นีลาเอาทาหารวานอนไปคุมตัวคณะของนายหญิง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 ไปล้อมพวกนายหญิงและนำเดินทางมาที่นี่งไงทุกคนเพิ่งนึกขึ้นมาได้มองหน้ากันเองตื่นตื่นอ๋อคุณธรรมนสศักดิ์ของฉันนั่นเองไอ้จ่าฝูงจอมทะลึ่งตัวนั้นเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่ามันมีนามกรว่านีลาเข้าๆทีเดียวละ่ะคำเรียกได้ถูกต้องที่สุดที่เรียกมันว่าไอ้นีละเพช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 มีลารู้เรื่องกับภาษานั้นเป็นอย่างดีที่สุดพระหันหลังได้ก็แล่นพรวดออกไปทันทีพาพวกบริวารทั้งหลายที่ขวักไววยพลุกพล่านกันอยู่หน้าลานวิ่งตามกันเป็นพรวนออกไปด้วยเสียงโบกเวโคโครากอันเป็นสำเนียงร้องของลิงดังก้องบอกกันไปต่อๆพร้อมกระสับกระสิบเนียงแห่งการเคลื่อนไหวอย่างรีบด่วนจุกกระหุก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 ไม่ได้ตอบเชษดาในทันทีหากแต่นิ่งไปนานทุกคนมองไปที่ร่างนั้นอย่างเป็นห่วงเอ๊ะนี่รูสีกลนัญญาปิดคลื่นวิทยุติดต่อตัดลิ้นของท่านเจ้าเมืองขีดขินออกเสียแล้วละกระมังท่าทางเหมือนจะไม่เข้าใจหรือพูดอะไรกับเราไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนี่ในที่สุดท่ามกลางความเงียบนั้นชยยันก็ทะลุกลางกล้องขึ้น แต่แล้วก็สะดุ้งขึ้นอีกครั้งนึงเมื่อได้ยินวายาพูดตอบมาด้วยเสียงแหบต่ำโดยไม่มองหน้าว่าสหายปากเปลววายายังได้ยินเข้าใจและพูดภาษาของพวกท่านได้อยู่กกลทัญญะมุนีผู้ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้ตัดสะพานแห่งการติดต่อนี้ออก อดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มแค้นแล้วเอื้อมือมาสะกิดแขนจอมวานอนนี่ไอ้เพื่อนยาแกจะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้นะแต่ขอเทอยอย่าเรียกอย่างที่แกเรียกอย่างนี้เลยฉันไม่ได้เป็นหมานี่หว่าจะได้ปากเปราะทุกคนเกือบจะอดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้แต่ว่ายายังคงมีสีหน้าเครียดขุ่มอยู่เหมือนเดิมเอ่ยช้ า, ชา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 ตัวที่เหลืออยู่ใหญ่กว่าตัวที่ตายไปแล้วแปลกจิงนนะฤาษีโกนธัญญะของพวกเจ้าก็เต็มไปดอิทธิฤทธิอำนาจนี่ท่านไม่ได้ช่วยเหลือป้องกันตัวสามเขาให้แกพวกเจ้าบ้างหรอกหรือชยันถามวายาสันนาฤาษีโกนธัญญะไม่เกี่ยวข้อง ชีวิตใดทั้งสิ้นท่านมีให้อย่างเดียวคือความเมตตาคำพรและเข้าโดนใจให้วายาคิดแต่เรื่องดีงามตัวสามเขามันก็ไม่ไปก้าวร้าวราวีท่านเช่นกันแต่มันลุกรานพวกของวายา บอกวายาว่าเป็นกรรมเก่าเป็นบาปที่เคยมีต่อกันในอดีตชาติและสอนให้วายาตั้งอยู่ในความสงบให้อโหสิเลิกเวรภัยกับมันแต่วายาและลิงทุกตัวที่นี่ไม่อาจปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้ เจ้าตัวสามเขาข้าพ่อแม่ของวายาตายตั้งแต่วายายังตัวน้อยลิงแก่ทั้งหลายของนครนี้ช่วยกันเลี้ยงวายามาจนเติบใหญ่เดิมทีพ่อแม่ของวายาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่เหนือขึ้นไปวันหนึ่ง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 ผ่านไปพบเหตุการณ์เขาและเขาล่อลอกรบไว้แล้วเอาตัววายามาเลี้ยงที่ภูเขานิหลักานีทั้งหมดวายามไม่อาจจำความได้แต่ฤาษีโกนทัญญะและลิงแก่ๆที่เคยเลี้ยงวายามาเป็นผู้เล่าความให้ฟัง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 ล้วเจ้าจําพ่อแม่ของเจ้าไม่ได้หรอกเหรอว่ารูปร่างหน้าตาน่ะเป็นยังไงวายาจําไม่ได้วายาจําความได้ก็ต่อเมื่อได้มาอยู่ที่นี่แล้วทั้งหลายน่ะเป็นคําบอกเล่าที่วายาได้รับฟังจากลิงแก่ที่เลี้ยงมาลิงแก่เหล่านั้นตายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้วายามีอายุมากกว่าลิงทุกตัวในนครนี้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 วายาก็น่าจะมีอายุมากกว่านี้นะ่ะไม่แปลกว่าเขาแก่กว่าพวกเราทุกคนแต่ดูเข้าไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนแก่ท่าทางยังชะกันแข็งแรงเรากะยักหนุ่มนะไม่น่าสงสัยอะไรในข้อนั้นรอกชยันแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาพูดเธอก็ดูลักษณะรูปร่างของเขาซะกซ่อนสิเขาไม่ใช่มนุษย์รุ่นหลังอย่างเดียวกับพวกเรานะชนิดที่พออายุหกสิบปีก็ปลดกเกษียณเป็นคนแก่แล้ว แต่เขาเป็นมนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งน่าจะมีอายุยืนยาวมากอย่างน้อยก็คงไม่ต่ำกว่าร้อยหสิปีขึ้นไปขนาดอายุห0สิปีที่พวกเราถือว่าแก่แล้วนั้นนะทางเชื้อสายเผ่าพันธ์ของเขาอาจจะอยู่ในวัยหนุ่มชะกันทีเดียวน่าเสียดายเหลือเกินที่เหลืออยู่คนเดียวให้เราพบห็นก็น่าสงสารที่สุดที่ตนเองเป็นคนเดียวแท้ๆสังคมเป็นอยู่กับพวกลิง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 แต่แล้วชายันก็หัวเราะแผ่วเสียงเบาลงฉันสงสัยอยู่อย่างเดียวเท่านั้นละน้อยสงสัยอะไรอ่ะก็ก็สงสัยว่าเขามีเมียเป็นลิงด้วยหรือเปล่าและลูกเต้าอ่ะเกิดมาหน้าตาเป็นยังไงนี่ชายันฉันคิดว่าวายาเรียกเธอได้ถูกแล้วนะที่เรียกว่าสายปากเปราะนะเพราะปากของเธอน่ะเหมันเปราะจริงๆ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 ก็ดีเหมือนกันนะพวกเราก็ถอยออกไปหารือกันทางโน้นดีกว่าปล่อยให้วายานอนพักแล้วกันดารินวางมืออันอ่อนละมุนเปลี่ยมไปด้วยความปราณีลงไปบนทรวงอกของมนุษย์วานอนยิ้มให้แล้วบอกแผ่วหวานว่าเอาแล้วนะวายาเธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตัวสามเข่านั่นหรอกนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองฉันต้องการให้เธอนอนพักและก็หลับตาซะ วายาหลับตาลงอย่างว่าง่ายทั้งหมดพากันถอยห่างออกจากแท่นหินของจอมวานอนกลับมานั่งรวมกลุ่มชุมนุมกันอยู่ณตำแหน่งเดิมขณะนั้นความเกลียวกราวโกลาหลนของพวกประชากรลิงทั้งหลายดูจะสงบสั่งซาลงแล้วเบื้องนอกปากรําอากาศกาลังสลัวรางเต็มทีใกล้จะมืดสนิท ยังไม่มีวี่แววว่านีลาและพวกทหารลิงที่วายาใช้ให้ออกไปดูลาดเราศัตรูจะโผล่กลับเข้ามารพินพยายามใช้ประสาทหูสะดับปรับฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่มีแวววสำเนียงผิดปกติใดๆให้จับได้ป่าแวดล้อมห่างออกไปและบริเวณไหล่เขาอันเป็นเมืองวานอนยังอยู่ในความสงบ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 เพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาคันเนไว้ด้วยความหวาดระแวงไม่มีผิดลุกขึ้นเดินไปค้นเป้หลังส่วนตัวเหมือนจะสำรวจอะไรบางอย่างโดยไม่สนใจกระวงสนทนาหารือนันทั้งสิน้นดารินชำเลืองหางตาตามหลังไปนิดนึงอย่างไวทันเช่นกันระหว่างที่พี่ชายก็ชักจะตามทันแผนการความคิดของน้องสาวขึ้นมาได้รำไรพร้อมทั้งเริ่มหนักใจใชัยยันก็ถามโล่งขึ้น อ่ะแล้วเธอจะให้ทำยังไงล่ะน้อยก็ทุกคนได้ยินชัดหูแล้วไม่ใช่เลยไอตัวสามเขาหรือไซเซราท็อปที Kimberly, <men> ่เหลืออยู่อีกตัวหนึ่งมันกำลังจะเล่นงานเขาอ่ะก็ใมันบุกเข้ามาสิลุกปืนแค่นัดสองนัดยัดตูมตมเข้าไปก็สิ้นเรื่องแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ใหญ่โตมโหลานอะไรนักใช่ไหมเมประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปพยักหน้ากับมาเรีย ซึ่งนั่งสงบอย่างใคร่ครวญอยู่ระหว่างนี้พรานทั้งหลายพากันจับกลุ่มซุบซิบสุมหัวกันอยู่จะมีก็แต่เพียงแงซายคนเดียวที่นั่งแยกกลุ่มสงบเฉยอย่างไม่มีใครอ่านความคิดถูกตามคุณในลักษณะเดิมฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ปัญหาหนักยากเย็นอะไรนะักในการปราบเจ้าตัวสามขาให้วายานะ่ะ ดารินเอ่ยชัดเจนชัดฉานต่อไประหว่างที่มองสำรวจเหมือนจะยังความรู้สึกไปยังสีหน้าของทุกคนแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้เจ้าสัตว์ ร, ร้ายศัต ร, รูของชาวนะครลิงนะ่ะมันจะบุกเข้ามาเมื่อไรและเราจะได้เผชิญหน้าจัดการกำมันให้รู้ล่วงไปได้เมื่อไหรเพราะว่าอ้าวให้ฉันพูดตรงๆเลยก็ดัพรุ่งนี้เรากำลังจะออกเดินทางจากที่นี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอ น้อยในที่สุดท่านหัวหน้าคณะผู้เป็นพี่ชายก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำๆเต็มไปได้วยความอึดอัดใจนี่เมื่อแรกน้อยก็เป็นห่วงเรื่องอาการของวายาอยากจะอยู่ดูแลจนกว่าเขาจะหายขาดหรืออยู่ในกีที่แน่ใจว่าปลอดภัยเต็มที่อะปัญหาก้อนั้นผ่านพ้นไปแล้วโดยมาติข้างมากของพวกเรา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 หรือว่าเราจะทอดทิ้งสีคง้ครึ่งกลางๆทําให้ความดีที่เราประกอบมานั้นหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยอะสมมุติว่าเราผลัดจากที่นี่ไปทอดทิ้งวายาให้เผชิญกับปัญหาหนักไปตามลําพังและเป็นต้นเหตุที่เขาต้องพินาศแล้วเรามาช่วยชีวิตเขาไว้แต่แรกเพื่ออะไรล่ะคะมีความจริงันเป็นตรรกะศาสตร์อยูข้อหนึ่งว่าอันความดีงามของกุศลผลบุญมันย่อมไม่ไปไหนใชหรอ ทำไมเราจะต้องท้อถอยหรือเมินเ ฉ, เฉยต่อคุณงามความดีที่เรามีโอกาสที่จะทำนี้ซะทุกคนที่มาด้วยกันนี่ทำทีเหมือนก็นว่าจะเป็นคนใจไม้ไส้ระกรรมกันไปหมดทีเดียวหรือคัเนี่ยชายันเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกระเช็ดทาวะ่ะเอ๋ใหญ่น้อยนี่ตาจะยุ่งซช่ละดูน่นพรานใหญ่ของเราเนาะพลาไปนั่งอยู่คนเดียวท่าทางอิดหนาราใจเต็มทีเฮ้ ท่นินทาอะไรชั้นชยันช ย, ยันหัวรองเฮ้ยเเปลา่ารอกก็กําลังปรึกษาเชื้าว่าเราจะทํำยังไงกันดีเกี่ยวกับชั้นเหรอเปล่บเกี่ยวกับข้อยุ่งยากของวายาเพราะเราทุกคนก็ล้วนแต่ชอบหาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นภาระหนักสมองไม่น้อยหน้าไปกว่าหมอดารินเหมือนกันนี่นี่นี่ไม่ต้องมาประชดประชันเด็กดันชะนหรอก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 นอกจากนิ่งเฉยและซุบซิบหารือกันเองงึมงำเมื่อนั้นหล่อนจึงมุ่งไปทางบุคคลซึ่งมีความสำคัญที่สุดของคณะระพินครับผมเสียงขานตอบเนื่อยเหนื่อยนั่งคุณทำอะไรเปลี่ยนฐานไฟฉายครับได้ยินบ้างไหมว่าในหมู่ของพวกเราส่วนใหญ่นะหารือกันเรื่องอะไร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 ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นผมเป็นลูกจ้างครับนายจ้างสั่งอะไรมาผมก็ทำแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถแล้วครับนี่คุณไม่รู้สึกสงสารวายาหรือประชากรลิงพวกนี้บ้างเลยเหรอวายากระลิงพวกนี้จะเดือดร้อนล้มตายกันอีกมากถ้าใสเซร์ท็อตัวนั้นยังป้นเปียนคอยราวีอยู่เช่นนี้ครับผมสงสารและเป็นห่วงมากเหมือนกันครับ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 กรุณามานั่งพูดกันตรงนี้หน่อยได้ไหมทุกคนโยนกลองให้ฉันพูดกับคุณทุกคนบังคับให้ฉันจะต้องขอร้องวิงวอนคุณนี่คุณจะทำใจดำเคร่งครัดต่อหน้าที่แบบคนเลือดเย็นถึงเพียงนั้นเชียวเหรอแน่ละ่ะฉันและทุกคนเป็นห่วงพี่กลางกระนันอินไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกมากกว่าซะด้วยซ้ำเพราะก็เป็นพี่ชายของฉันเอง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 เสียงนั้นเน้นคำอย่างชัดเจนเสียดสีเน็บแนมกระทุ้งลึกเข้าไปจนถึงไขสันหลังดารินวราฤทธิ์ฉลาดจริงๆฉลาดแม้กระทั่งในด้านวาจาอันคมกริบที่เชื่อเชือนแนมเน็บเขาเพื่อดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามประสงค์ของตัวหล่อนเองจอมพรานจำนล์นอย่างหมดประตูสู้เขาแพ้หล่อนมาตลอดเวลา ไม่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วระพินไพยวันหมุนตัวจากท่าที่นั่งหันหลังให้เป็นทองไม่รู้ร้อนกลับมาเผชิญหน้ากับแม่ดอกฟ้าดารินผู้เป็นตัวยุ่งที่สุดในงานเสี่ยงภัยและในหัวใจอันเรนลึกของเขาถามว่าเอาล่ะครับคุณหญิงจะให้ผมทำยังไงครับหมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริทนิง่งไปชั่วขณะ ตายังจับนิ่งมาที่เขาไม่เปลี่ยนเช่นนั้นระหว่างนี้ทั้งคณะไม่มีใครปริปากใดๆทั้งสิ้นดูราวกว่าจะปล่อยให้หล่อนตัดสินใจไปตามลำพังประหนึ่งว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับหลอนสักคนเดียวและในความคิดเช่นนั้นของหล่อนเองทำให้เกิดความน้อยใจจนน้ำตาคลอพูดเสียงเครือขึ้นว่าเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าทุกคนเดินล่วงหน้าไปก่อน ทิ้งฉันไว้ที่เมืองลิงนี่แหละฉันขอแค่งแง่ทรายไว้เป็นเพื่อนคนเดียวเท่านั้นถ้าธุระของฉันเสร็จทางนี้ฉันกับแง่ทรายจะเดินตามไปให้ทันตรงจุดนัดพบเนินพระจันทเชื่อว่าอย่างมากก็คงเดินไล่หลังกันไปเพียงแค่สองวันเท่านั้นชา ย, ยันครางฮิออกมาพี่ชายใบหน้าคลึมและอย่างนี้ส่วนมาเรียเข้ามาโอบกอดเพื่อนสาวไว้ พูดปลอบโยนอ่อนหวานน้อยจ้ะไม่มีใครคิดทิ้งเธอไว้ที่นี่ตามลำพังได้หรอกแม้ว่าเธอจะมีแง่ทรายเป็นเพื่อนด้วยก็ตามนี่เธอลืมมติประจำคณะของเราใช้แล้วเหรอว่าถึงยังไงเชือพวกเราทั้งสิบสองชีวิตจะไม่มีวันแยกกันเป็นอันขัดจะเย็นเย็นไว้น้อยฉันคิดว่าไพรวันกำลังพร้อมแล้วที่จะฟังเธอด้วยหลักการและเหตุผลไม่ใช่จากอารมณ์ ถึงพี่ใหญ่ก็เหมือนกันใช่มติเดิมของเราก็คือไม่มีวันแยกจากกันเป็นอันขาดอยู่ร่วมกันรอดหรือตายด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าความขัดแย้งได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนหันหลังให้กับความเห็นของฉันหมดก็เหมือนกับว่าทุกคนทิ้งฉันไว้ตามลำพังนั่นแหละดารินว่าเอาละเอาละสมมติว่าน้อยอยู่ที่นี่ แล้วก็มีแงซายเป็นเพื่อนไม่มีแผนการยังไงพี่ชายถามเสียงต่ําๆน้องสาวฝืนหัวรอดเสียงแปลงพราพลางยักไหลก็ไม่มีแผนการอะไรมากหรอกค่ะพี่ใหญ่น้อยแน่ใจว่าอย่างช้าไม่เกินสองวันน้อยจะต้องปราบไอตัวสามเขาหรือไซเซราทอ็อปศัตรูร้ายของชาวลิงนี่ลงได้โดยมีแงซายร่วมมือหลังจากนั้นก็จะออกตามหลังไป ขอให้ล่วงหน้าไปก่อนได้พรุ่งนี้ตามแผนเดินทางที่กำหนดไว้แต่เดิมจะต้อคิดหรือว่าจะตามทันโดยทิ้งระยะเวลาสองวันไล่หลังอ่ะน้อยชายันถามถ้ามีแง่ทรายเป็นผู้นำทางเลยฉันแน่ใจว่าต้องทันไอเจ้าตัวแง่ทรายนะ่ะมันเดินตามพวกเราทันแน่ฉันเชื่อแต่ตัวเธอเองไหวเอ่ะ ว่าถ้าจาเป็นขึ้นมามันก็ต้องไหวหรือท้ไมไหวก็มันรู้ไปดารินตอบอย่างเด็ดเดี่ยวก่อนที่ใครจะพูดอย่างไรต่อไปนั่นเองพรานใหญ่ก็ขยับตัวเอ่ยมาเสียงห้าๆว่าคุณหญิงครับผมก็ถามคุณหญิงอยู่หยุกหยุกนี่วะคุณหญิงใจผมทายังไงจนตานนี้ก็ไม่เห็นมีบัญชา嘛แต่กลับบอกให้พวกเราคนอื่นๆเดินล่วงหน้าไปก่อน โดยคุณหญิงจะอยู่รับภาระปราบทุกขเข็นในเมืองลิงนี่ใช่เองทั้งๆที่รู้อยู่แล้ว่ะจะยังไงเสียมันก็เป็นไปไม่ได้ในการที่ใครจะทิง้งคุณหญิงอยู่ตามลำพังที่นี่ก็จะต้องให้ฉันพูดหรือบัญชาอะไรนะ่ะในเมื่อคุณเองก็รู้จุดประสงค์ของฉันอยู่แล้วอนะดารินพูดเสียงหนักๆตวัดหางตาค้อนอย่างหม่นใจในคณะของพวกเราทั้งหมดน่ะคุณเป็นพรานใหญ่ เป็นผู้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาชนิดนี้ได้ดีกว่าใครทั้งสิ้นแต่คุณกลับแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมือนเฉยซะไม่อารก็เลยจะต้องให้ฉันพูดอะไรอีกฉันถึงได้ขอรับภาระนี่ซะเองถึงมือฉันจะได้ไม่ได้หนึ่งในร้อยของคุณแต่ฉันก็เชื่อว่าฉันกำจัดมันได้ไม่ยากนะักโดยมีแง่ท า, ายเป็นผู้ช่วยหรือนายหนึ่งพรานคุ้มกันให้ฉันหวานที่จริงอะ มันก็ไม่มีอะไรยากเย็นหรือต้องหมดเรืองเวลาไปนักเลยนะเจ้าไซยเซราท็อปมหาวายร้ายนั่นมันก็คอยป้วนเปี้ยนรังควานลิงพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็คงไม่ไปไหนไกลหรอกถ้าคิดจะติดตามกันจริงๆไม่นานก็ได้ตัวคุณอยากจะออกเดินทางพรุ่งนี้ให้ได้ก็เชิญเถอะฉันอยู่เองผมอยากจะได้ยินคําของคุณชายอนุญาตให้คุณหญิงอยู่ที่นี่ตามต้องการเหมือนกันะครับ และผมก็จะไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่ามีการอนุญาตกันได้เช่นนั้นจอมพลานพูดเรียบรียพร้อมกับลุกขึ้นยืนฉ่วยไดร์ไฟฟ์นประจำมือและไฟฉายเดินตรงเข้ามาสกิดไหลแง่ทรายโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่พยักหน้าเป็นสัญญาณให้ตามออกมาด้วยแง่ทรายก็ไม่ว่าอะไรเหมือนกันคว้าไรเฟิลจุดห้าค่อยๆลุกขึ้นเดินย่องตามหลังออกมาติดๆ แต่ก่อนที่ทั้งสองจะพ้นปากเพิงถ้ำออกไปสู่ความมืดสนิทของบรรยากาศเบื้องนอกช ย, ยันกระเชษถาก็ร้องถามมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นจะไปไหนอะ่ะจอมพรานหยุดชะงักนิดหนึ่งแล้วตอบโดยไม่ได้หันหน้ามาว่าดูลาดเราไอ้ตัวสามเขานะครับปว ด, ดพักกันให้สบายอยู่ในนี้เถอะนะครับไม่ต้องห่วงผมผมไปไม่นานนักหรอกครับและโดยไม่ฟังเสียงใดๆจากใครอีก จอมพรานก้าวดุ่มออกไปสู่บริเวณเบื้องนอกโดยเร็วมีไงซายกระชันชิดตามหลังมาด้วยทั้งสองมาทันกันในบริเวณดงหินอันเป็นบ้านเมืองของเหล่าวานอนทั้งหลายซึ่งบัดนี้บรรดาตัวเมียและลูกๆ ก, กำลังซุกตัวเข้านอนตามซอกโพโรงซึ่งปูรองไว้ด้วยใบหญ้าใบไม้ส่วนตัวผู้อันเป็นกำลังยังกระสับกระสายเดินสวนกันไปมาอย่างพลุกพล่าน เหมือนจะเป็นเวนยามคอยระวังเหตุจอมพรานหยุดยืนจุดซิก้าสูบในขณะที่แงซายก้าวเข้ามาหยุดเคียงข้างเมื่อเขาเหลือบตาขึ้นก็เห็นใบหน้าสีทองแดงนั้นมีรอยยิ้มจากแสงสว่างของเปลวไฟซิปโป้ยิ้มยอะอีกตามเคยไอ้เวนผมสงสารเลยเห็นใจผู้กองจริงๆครับที่ต้องยุ่งยากลำบากใจสารพัด แต่ถึงยังไงก็ยังดีที่เรื่องยุ่งไม่ได้เกิดจากผมผู้กองสั่งผมยังไงผมก็ปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดแต่บางเงินนายหญิงรู้เรื่องเข้าเองเพราะวายาบอกผู้กองขาดอะไรไว้มันก็เป็นจริงทุกอย่างนายหญิงไม่อาจนิ่งดูได้ได้ถ้ารู้ว่าวายากะลิงพวกนี้กําลังเดือดร้อนฉันเห็นแก่หัวเราะใส่หน้าฉันตั้งแต่นายหญิงเริ่มรู้เรื่องที่วายาเล่าให้ฟังแล้วล่ะ ผมขบขันและเห็นใจผู้กองมากกว่าที่จะมีความรู้สึกอื่นใดครับระพินจุปากเบาๆพร้อมกระส่ายหัวดิกบนพึมและถามว่า น, นี่เราจเจ้ายังไงกันดีปวดหัวจริงผู้ ก, กองทำถูกแล้วครับที่ทำเหมือนกับว่าจะออกมาเป็นธุระจัดการให้ตามที่หนายหญิงต้องการถ้ายังขืนใจเย็นนั่งอยู่ในนั้นต่อไป ผมว่านายหญิงก็เล่นงานผู้กองต่อแล้วละนี่แกหมายความว่ายังไงที่พูดว่าชันทาทีเหมือนกับว่านะผมไม่คิดว่าผู้กองจะเดินออกไปไหนไกลกว่าการหลบให้พ้นหน้านายหญิงและคณะนายจ้างของเราไม่ใช่หรือครับแล้วเงีายก็หัวเราะเบาๆบอกต่อมาว่าอย่าเกลียดผมเลยครับผู้กองที่บังเอิญรู้ทัน เพราะถึงยังไงผมก็บอกผู้กองตรงๆว่าผมรู้ทันไม่ได้แกล้งทําเป็นโง่อย่างที่ผู้กองเคยว่ามาตลอดเวลาระพินมองหน้าแล้วซึดตัวลงนั่งบนก้อนหินในอาการพักผ่อนผู้เสียงหนักๆในลําคอว่าอืดีคราวหลังรู้ทันก็บอกให้รู้ซะเลยว่าแกรู้ทันอย่ามาซ้อนกลนอะไรฉันเอาเป็นว่าเรานั่งกันอยู่ที่นี่แล้ สักพักใหญ่ค่อยกลับเข้าไปก็แล้วถ้าเจ้าไหนถาม น, นะครับก็บอกว่าเราออกไปดูลาดเราแล้วยังไม่เห็นวี่แววอะไรหรือถ้าไอตัวสามเขานั่นมันเข้ามาใกล้จริงๆไปเดี๋ยวจานีลากลิงพวกนั้นมันก็ต้องแล่นอ้าวมาบอกเราเองในเวลากลางคืนแบบนี้นะ่ะไอลิงดําพวกนั้นนะ่ะมันมองเห็นและทันต่อเหตุการณ์ยิ่งกว่าเราซะอีกแล้วมันทุระอะไรที่เราจะต้องออกไปเดินค้นหาให้เมื่ ต้องข่านไม่อยากให้นายหญิงจำจี้จำใช้อะไรอยู่อีกก็เลยหลบหน้าออกมาซะมืดมืดค่ำค่เหนื่อยหนักมาทั้งวันแล้วมันเรื่องอะไรจะไปเดินแกะรอยอยู่อีกความจริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรนะักถ้ามันบุกเข้ามาเราก็ยิงถ้ามันยังไม่เข้ามาก็ปล่อยมันไว้ก่อนผู้กองเข้าใจหลอกนะครับพรานใหญ่ขมวดคิว้วจุปากอีกครั้งก็เลยอย่าเสือกปากบอลล่ะ ไม่หรอกครับแงซายตอบยิ้มยิ้มในงองอมืดอันมีแสงดาวพลาวสวัยอยู่บนท้องฟ้าเบื้องบนส่องลงมากระทบดวงตาคู่นั้นเป็นประกายคมงามเหมือนตาผู้หญิงผมบอกแล้วไงครับว่าผมเห็นใจผู้กองจริงๆผู้กองต้องทนยุ่งยากลำบากใจมาตลอดเวลาที่มีน้องสาวคนสวยของนายใหญ่ติดมากะคณะด้วยคนหนึ่งต้องยุ่งทั้งนานทั้งใจ แต่บนความยุ่งยากทั้งปวงผู้กองก็มีแกนแท้ของความสุขเจือปนอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอครับเสือกระพินลากเสียงขณะที่เป่าควันซิ ก, ก้าลงต่ําทําหน้ายุ่งก็มีอยู่สองอย่างสําหรับแง่ทายในสายตาของผู้กองถ้าไม่เสือกก็สงบนิ่งผู้กองไม่ชอบทั้งสองอาการนี้ก็ทําไมไม่เลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่ชอบมั่งล่ะครับ เออฉันยอมแพ้กับว่ะเอาเป็นว่าฉันมันคนขี้พานหาเรื่องเอากับแกกันแล้วกันวาระของแกน่ะมาต้อนฉันไปสู่มุมนั้นอยู่ว่าแต่นี่นะครับผู้กองผู้กองชวนแงาทายมานั่งตักนงังคางด้วยทำไมผู้กองจะหลอกนายหญิงหลอกคณะนายจ้างของเราก็ควรจะออกมานั่งคนเดียวไม่ใช่เหรอครับฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน ชวนออมาเป็นเพื่อนนั่นแหละพวกเขาจะได้เห็นจริงเห็นจังไงว่าฉันออกไปตรวจดูลาดเราไอตัวสามเขาเนี่ยแล้วอย่างนึงฉันต้องลําบากออกมานี่แทนที่จะได้พักผ่อนก็มันเรื่องอะไรที่ฉันจะลําบากคนเดียวอะก็ลากแกออกมานั่งลําบากปากน้ําค้างกับฉันด้วยดีนี่แงไซซุดตัวลงนั่งบนก้อนหินตรงข้ามกับเขาสูดลมหายใจอันเย็นชําของอากาศยามค่ําลงไปในปอด แล้วเราจะนั่งกันอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ล่ะครับผู้กองก็จนกว่านีลาไอ้พวกนั้นมันจะกลับมามคิดไว้แล้วหรือยังครับผู้กองจะเอาอยัางไงเพราะถึงยังไงนายหญิงก็คงไม่ยอมออกเดินทางพรุ่งนี้แน่แจนกว่าจะช่วยกําจัดศัตรูของลิงพวกนี้ได้มันก็คงไม่พ้นแกหรือฉันหรอกที่จะต้องรับเป็นภาระเรื่องนี้ทั้งที่เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงกันอยู่แล้ว บางทีพรุ่งนี้เราอาจจะต้องออกตามรอยและจัดการให้เสร็จสิ้นไปไม่งั้นเราก็คงไม่มีทางจะเคลื่อนย้ายจากที่นี่ได้โดยเด็ดขาดเอางี้แล้วกันเอาไปมาพรุ่งนี้นะแกจัดการแทนฉันฆ่ามันให้ได้ก่อนเที่ยงแล้วเราจะได้เดินทางไปเลยยอมเสียเวลาสักครึ่งวันเจ้าคู่ปรับโฉมงามของเขาเลิกคิ้วขึ้นย้อนถามมาว่าอ่ะแล้วผู้กองนะครับ ฉันก็ขอนอนพักปล่อยเป็นหน้าที่ของแกโดยอิสระไงอ้าวแล้วคิดบ้างไหมล่ะครับว่าระหว่างที่ผู้กองนอนใช้ผมออกไปจับการไอตัวนั่นตามลำพังเจ้านายของเราจะมีความรู้สึกเช่นไดโดยเฉพาะนายหญิงซึ่งเป็นคนละเอียดอ่อนในด้านอารมณ์และความคิดอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมฉันจะใช้แกไม่ได้เหรอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยสักนิดนี่ รพินพูดอย่งงุดหงิดผมทูงด้วยความหวังดีนะครับผู้กองคงไม่จําเป็นที่จะต้องให้อธิบายอะไรมากไม่ใช่เหรอครับในข้อที่ว่าผมหวังดีต่อผู้กองยังไงแล้วทําไมผู้กองจะใช้ผมไม่ได้ยิ่งกว่านี้ผมก็ยินดีที่จะทําแทนให้กับผู้กองนี่ครับมันก็แปลว่าแกจะไม่ยอมเสียเปรียบใช่ละถึงยังไงในรายการนี้ฉันก็จะต้องหาทาง แกก็จะต้องหาทางลากเขาฉันไปทํางานด้วยว่างั้นเหระคนทันกันทั้งคู่นิ่งกันไปชั่วขณะได้แต่มองหน้ากันเงียบๆต่อมาแงซายก็เอ่ยขึ้นเรียบๆหน้าตาเฉยว่าถ้าผมเป็นผู้กองผมจะไม่ทำอะไรให้ในายหญิงพิจารณาว่าทอดทิ้งเฉยเมยต่จุดประสงค์ความต้องการของเธอรึนายหญิงศรัทธาเชื่อมัน่น แล้วก็ฝากความไว้วางใจทุกชนิดกับผู้กองเธอจะเสียใจนะถ้าคิดว่าผู้กองไม่สนใจด้วยแล้วผู้กองไม่กลัวเหรอแงสายซ่อนยิม้มแกล้งพูดทิ้งค้างไว้กลัวอะไรกลัวว่าถ้าผมจะแกล้งผู้กองในรายการนี้มันก็ง่ายนิดเดียวนะครับผู้กองใช้ผมให้ไปจัดการกับตัวสามเขานั้นตามลำพัง โดยผู้กองไม่ไปด้วยผมก็ทำเป็นตามมันไม่พบหรือยิงมันไม่อยู่ระยะเวลาเห็นการตามล่ามันก็ต้องยืดออกไปอีกอีทีนี้ผู้กองเป็นหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไอ้ผมเนะ่เป็นแค่คนใช้ผ้นเสียทั้งหลายมันจะตกอยู่กับใครล่ะครับจอมพลแยกเคี่ยวนี่อย่านึกนะว่าแกจะเป็นต่อฉัน เจ้าแง้ทายไอการเดินไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาหรือไม่นะทางด้านส่วนตัวฉันน่ะไม่สำคัญหรอกเพราะฉันเป็นแต่เพียงพลานรับจ้างทำงานตามหน้าที่ถ้าบังเอิญไปไม่ทันตรงตามกำหนดเวลาและค้นหาทางขึ้นไม่ได้อันเนื่องมาจากความผิดปกติของฝ่ายนายจ้างของฉันเองฉันก็พ้นจากการรับผิดชอบส่วนแกสิแกต้องการเข้ามารากนครให้ได้ ก็จะปล่อยให้การเดินทางล่าช้าลงไปจนเสียผลบ้านปลายแอนเป็นประโยชน์ของแกเองก็ตามใจสิฉันไม่แคร์หรอกเอาล่ะเรามาลองดูกันไหมล่ะสำหรับฉันใะอยู่ที่นี่นานสักกี่วันก็ได้แงาสายอึ้งและกล้มศรีรษะให้อย่างจำนนผมบินไปไม่ได้สูงนักสำหรับพรานใหญ่ระพินไทรวันครับผม อย่าพยายามบินเนียมันเหนือเมฆนักสิเป็นนั้นว่าเอาล่ะผมรับเป็นภาระเองผู้กองพักผ่อนให้สบายเถอะครับกล่าวจบแง่ทรายก็ช่วยไรเฟิลลุกขึ้นขยับจะออกเดินแต่รพินร้องถามว่าอ้าวแล้วนั่นจะไปไหนอะ่ะก็ถ้าเราจัดการกำมันใช่ได้ในคืนนี้ก็จะเกิดความสะดวกสบายใจสำหรับทุกฝ่าย พรุ่งนี้ก็จะได้ออกเดินทางกันแต่เช้าตามแผนเดิมไม่ต้องเสียเวลาอีกครึ่งวันตามที่ผู้กองกำหนดระยะเวลาให้ผมไงครับยังไม่ต้องจัดการเส้อในคืนนี้หรอกเว้นแต่มันจะบุกเข้ามาเองนั่งอยู่กับฉันตรงนี้แหละผมไม่ชอบปล่อยให้เวลาเปลืองเปล่าไปโดยไม่จำเป็นครับเมื่อรู้ตัวแน่แล้วว่าภาระหน้าที่ของผมมีอยู่เช่นไรแต่นี่เป็นคาสั่ง ได้ยินไหมจอมพรานกระชากเสียงมายัางเฉียบขาดฮะเนี่ยสายถอนใจเบาๆแล้วถอนกลับมานั่งที่เดิมอย่างแช่มช้าอมานั่งเสียเวลาตากน้ำค้างกันอยู่ตรงนี้เห็นมีประโยชน์อะไรคืบหน้าขึ้นมาไม่ใช่แล้วครับเออมันก็ยังดีกว่าที่จะเดินให้เมื่อยถึงจะจะพละไปตามมัน และฉันก็ไม่ได้ไปกับแกด้วยฉันก็ต้องนั่งรอแกอยู่ตรงนี้วันยังค่าอ่ะจนกว่าแกจะกลับมาเพราะฉันจะกลับก็ไปสมทบกับพวกนายจ้างอีกก็ไม่ได้เว้นแต่จะกลับเข้าไปพร้อมกับแกกลัวพวกเขาจะรู้งั้นสิว่าตัวเองนะ่ะเอาเปรียบใช้แงซ้ายไปทํางานคนเดียวเอออ้าวก็แล้วทำไมถึงไม่ไปกับผมเะด้วยเดี๋ยวนี้ล่ะครับนี่หูแตกหรื อ, อยังไง ฉันบอกแล้วไงว่าฉันขี้เกียจเดินแล้วก็มีเจตนาโดยตรงที่จะใช้แกไปทํางานนี่ตามลําพังคนเดียวชนิดที่พลาดไม่ได้ซะด้วยยังไม่มีโอกาสจะฆ่ามันได้ในคืนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาอย่างเพียงพอจะใช้เวลาทํางานนี่สําเร็จนานสักเท่าไหร่ฉันไม่สนใจแกฆ่ามันได้เร็วแล้วก็เดินทางได้เร็วถ้าช้าก็เดินทางช้า ผู้กองครับผมไม่ได้หูแตกหรอกครับแต่ผมจะชวนผู้กองไปกับผมไม่ได้แตาหากแล้วก็สารภาพว่าอยากจะให้มันสิ้นสุดเช่นในคืนนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาครับคราวนี้ระพินหัวเราะออกมาได้แล้วแง่ท า, ายก็พลอยหัวเราะไปด้วยขณะนั้นมีเสียงฝีเท้าเคลื่อนไหวคึกคักอย่างรีบด่วนมาตามป่าหินด้านหน้า ระพินทะลันลุกขึ้นยืนโดยเร็วพร้อมกับฉายไฟก็เห็นจอมทมโนีลาและบริวารตัวใหญ่ๆของมันกลุ่มหนึ่งกำลังเดินกลับมาเป็นหมู่จะบ่ายหน้าไปยังถ้าที่พักอาศัยของเจ้านายมันพอเห็นเขาและแงซายก็ปราดแวะตรงเข้ามาส่งเสียงร้องในลำคอแสดงอาการโบกมือตีภาษาใบาไปต่างๆทั้งสองดูเหมือนจะพอเข้าใจได้ทันทีจากท่าทีของทหารเอกวายา เจ้านีลาหยุดส่งภาษาบายกับเขาและไงส า, ายอยู่อึดใจเดียวก็พาพักพวกเดินตรงเข้าไปในถ้ำเพื่อรายงานให้เจ้านายของมันทราบถึงข่าวศัตรูจะคิดว่าเจ้าพวกนี้มันบอกเราว่ายัางไงแงสายตัวสามเขาถอยไปแล้วครับเพราะหาทางขึ้นมาบนนี้ยังไม่ได้ไปติดจุดตรงหน้าผาชันแล้วก็เลือกล้มความพยายามที่จะหาทางขึ้นทางด้านนั้น อ้อมห่างไปทางป่าล่างแล้วครับแอ้แกเข้าใจภาษาบ่ายของมันได้ดีมากนะเนี่ยฉันก็คิดว่าคงเป็นเช่นนั้นล่ะเอาล่ะั้างั้นเรากลับเข้าไปข้างในได้แล้วเมื่อกลับเข้ามาถึงเวงถ้ำที่พักของจอมวานอนทั้งสองแลเห็นคณะนายจ้างและกลุ่มพรานพื้นเมืองทั้งหมดพากันไปห้อมล้อมอยู่ที่แทนของวายาอีกครั้งหนึ่ง นีลากับทหารลิงกลุ่มที่เห็นเมื่อครู่กําลังส่งภาษารายงานเจ้านายของมันซึ่งขณะนี้ยันกายขึ้นมาในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนหลังพิงผนังหินวยายรับฟังจากบริวารแล้วกลับลิ้นเป็นภาษามนุษย์บอกความต่อไปยังแขกเมืองที่มุงล้อมฟังข่าวอยู่เมื่อแง่ายกับพรานใหญ่ก้าวเข้ามาถึงนั้นดูเหมือนทุกคนจะทราบความได้โดยตลอดแล้วเพราะเห็นเจรจาซักถามวายา์กันอยู่ และทั้งหมดที่เพิ่งจะเหลือบมาเห็นอีกสองคนที่ก้าวตามเข้าไปสมทบที่หลังอ๋อนั่นรพินกระเงซายกลับมาแล้วนี่เป็นไงได้ความว่ายังไงมั่งล่ะเชิดฐาทักขึ้นโดยเร็วนีลารายงานให้ทราบแล้วไม่ใช่หรือครับเจ้าฐานเอกนั่นบอกว่ายังไงมั่งล่ะครับมันก็กลับมาบอกวายาแล้ ว, วายาก็แปลเราฟังอีกทีหนึง่ง มันว่าตอนนี้นาะยตัวสามเขาไปแล้วอ้อมไปทางป่าทิศใต้ด้านล่างพยายามจะไต่ทางสูงชันขึ้นมาบนนี้ให้ได้แต่หนทางนะ่ะมันแคบชันมากประกอบกับที่ตัวมันใหญ่ขาสั้นงุ่มงามก็เลยปีนขึ้นมาไม่ได้ก็คงจะอ้อมไปหาทางขึ้นอีกด้านระพินชํำเลืองหางตา ม, มามองเจ้าสหายสึกของเขาแวบหนึ่งจากคาบอกเล่าของเชิดาแสดงว่าแงซายแปลภาษาายของนีลา ที่ทำรรการเชิงบอกเล่าความเมื่อครู่นี้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดแล้วคุณกะแง่ทรายล่ะตามไปจนถึงปากทางที่เจ้าตัวสามเขาพยายามจะไต่ขึ้นมาอย่างที่นีลากลับมาบอกนี่หรือเปล่าชยันถามผมเสียเวลาอยู่ไม่น้อยครับกว่าจะรู้ว่านีลากับพวกกองสอดแนมเหล่านี้ไปทางด้านไหนเพราะมันเป็นกลางคืนใะด้วยจะถามให้ลิงตัวอื่นก็พูดกันไม่รู้เรื่อง พอแกะรอยได้เดินตามก็ปรากฏว่า น, นีลากับพวกนี้เดินสวนทางกลับมามันแสดงอาการบ่าบอกผมกับแง่ทรายเหมือนกันทํานองว่าไอตัวเจ้ากรรมนั่นผลาไปแล้วผมก็เลยเดินตามมันกลับมาก็อยากจะทราบรายละเอียดเหมือนกันครับระพินโกหกอย่างแนบเนียนหน้าตาเฉยไม่ได้เจตนาจะโกหกใครอื่นทั้งสิ้นนอกจากหมอดารินคนเดียว ปรากฏว่าไม่มีใครสงสัยในคำพูดของเขาส่วนแงซทายก็ตีหน้าตายด้านโดยไม่สอพิรุธนี่ดูเหมือนจะเป็นการร่วมมือกันได้อย่างกลมกลืนเป็นครั้งแรกระหว่างพรานใหญ่กระจอมพเนจรคู่ปรับเพราะตกลงกันมาเป็นอย่างดีแล้ววายาบอกว่ามีอยู่ทางหนึ่งที่ไซเซราท็อปอาจไต่ทางขึ้นมาบนบริเวณนี้ได้ทางนั้นอยู่ด้านตะวันออก เป็นบริเวณเป็นบริเวณที่ชันน้อยที่สุดมันอาจจะอ้อมไปค้นหาทางขึ้นมาจากด้านนั้นได้ราชสกุลสาวหันมาบอกเขาจอมพรานนิ่งไปครู่หนึ่งบัตรนี้มันถึงวาระแล้วที่เขาจะต้องเอาเป็นทุระในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเห็นแก่ความตั้งใจอันแน่วแน่ของแม่ดอกฟ้าดารินและเพื่อแผนเดินทางคืบหน้าต่อไป ระพินไคร่ครวนถึงชัยภูมิอันเป็นที่ตั้งของเมืองวานอนเท่าที่สังเกตเห็นได้ขณะที่ถูกพวกมันนำตัวเดินทางขึ้นมาก็รู้สึกว่าลิงพวกนี้มีความฉลาดเยี่ยมในการวางหลักแหล่งเป็นที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกเข้ามาถึงตัวได้โดยง่ายเมืองนี้ตั้งอยู่บนไหลริชง่อนผาอันสูงชันสัตว์สี่เท้าอันเป็นสัตว์ใหญ่ทุกชนิดจะไม่มีโอกาสไต่ทางอันสูงชัน เวียนวกสลับซับซ้อนนี้ขึ้นมาได้เลยนอกจากพวกเสือซึ่งลิงพวกนี้ไม่กลูวส่วนถ้าจะขึ้นไปบนยอดเขาหรือไลที่สูงขึ้นไปและหาทางลงมาก็ลำบากพอกันเพราะน้ำหนักและการทรงตัวของสัตว์ใหญ่ไม่สามารถจะไต่ลงมาได้โดยไม่พลัดหล่นลงมาซะก่อนไ้เซราท็อตัวนั้นคงจะวนเวียนพยายามหาทางขึ้นหรือลง เพื่อบุกเข้ามาถึงถิ่นที่อยู่ของวายาให้ได้แต่ยังหาทางไม่พบแล้วมันก็คงจะเพียนหาลูกทางอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามจากคําบอกเล่าของดารินซึ่งรับทราบจากวายาอีกทีนึงว่ามีหนทางปลอดภัยอยู่ที่แห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของถิ่นวานอนอาจจะเป็นทางที่เจ้าตัวสามเขาผ่านขึ้นมาได้ก็ควรจะเป็นทางด้านนี้แหละที่เขาจะต้องเตรียมสกัดรับมือ โดยไม่เปลืองเวลาไปค้นหาติดตามอยู่ให้ยากระพินก้าวเข้าไปชิดแทนของพระเจ้ากรุงขีดขินเมืองวานอนซึ่งนั่งพิงผนังหินหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความวิตกกังวลและอารมณ์อันคุณมัวเกี่ยวกับข่าวศัตรูวายาเขาพูดช้าๆเต็มไปด้วยความมั่นคงหนักแน่นในน้ำเสียงความจริงพวกเราทั้งหมด จะออกเดินทางจากเมืองของเจ้าไปพรุ่งนี้เลยนะแต่อันเนื่องมาจากที่เจ้ามีศัตรูคอยจ้องรังควานอยู่และตัวเจ้าเองก็บาดเจ็บอยู่เช่นนี้นายหญิงมีคําสั่งให้ฉันช่วยเหลือกําจัดศัตรูของเจ้าให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรอีกละ่ะเราจะรับปรับเจ้าตัวสามเขาให้เจ้าเองวายาเปลี่ยนสายตามาจับอยู่ที่เขา ท่านพูดจริงเรอพรานใหญ่จริงแต่เจ้าต้องทำตามที่เราสั่งนะท่านจะให้วายาทำเช่นไรเจ้าบอกว่ามีทางขึ้นอยู่ทางหนึ่งด้านตะวันออกที่ตัวสามเขาอาจจะปีนขึ้นมาได้ไม่ใช่เหรอวายามองหินทางนั้นอยู่ทางเดียวทางด้านอื่น มันจะขึ้นมาไม่ได้มันกําลังอ้อมหาทางอยู่และมันอาจพบถ้างั้นก็ดีแล้วส่งทหารลิงของเจ้าให้ไปดักระวังเหตุอยู่ทางด้านนั้นตลอดทั้งคืนนี้นะถ้าตัวสามเขาปีนขึ้นมาทางด้านนั้นเมื่อไหร่ก็ให้รีบกลับมาบอกทันทีและคืนนี้มันยังไม่เข้ามาพรุ่งนี้ก็ให้นีลาแกะรอยนำเราไปถึงตัวมัน พวกทหารลิงของเจ้าจะต้องรู้ดีที่สุดว่าตัวสามเขาอยู่ที่ไหนไม่ใช่เหรอจอมวานอนก้มหัวลงนีลาและทหารลิงทั้งหลายสามารถจะนำท่านไปให้ถึงตัวสามเขาได้ทุกเวลาพวกเรารู้ดีว่าศัตรูของเราอยู่ที่ไหนไม่ว่ามันจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดตามรอยชั่วไม่นานก็พบ ก็ถ้าเช่นนั้นก็ทําตามที่สั่งสิถ้ามันเข้ามาคืนนี้เราก็จะฆ่ามันคืนนี้แต่ถ้ายังไม่มาพรุ่งนี้เราจะออกตามวายาสีหน้าสว่างใสขึ้นในทันทีนั้นหันไปสรงภาษาบงการกับบริวารอึดใจเดียวเจ้าพวกนินทั้งหลายก็พากันหายออกไปแล้วก็หันมาทางระพินและทุกคนภูกกอง วายากับลิงทุกตัวแห่งเขานินลกาจะไม่ลืมบุญคุณของพวกท่านทุกคนที่มาช่วยในครั้งนี้แม้ฤาษีโกนทัญญะไม่ช่วยวายาโดยตรงก็ช่วยแล้วโดยอ้อมโดยการส่งพวกท่านมาให้โดยแท้จริงแล้ววายาไม่ปราถนาจะให้พวกท่านต้องมาพลอยลำบากเป็นธุระยุ่งยาก วายาอยากจะรับมือกับมันเองแต่ก็จนใจที่ต้องเจ็บป่วยอยู่เช่นนี้ดารินวราฤิกยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกมองไปที่รับพินด้วยสายตาแสดงความขอบคุณและเอื้อมือมาตบที่ไหลอันกว้างใหญ่ของพยาวานอนไม่เป็นไรหรอกวายาพวกเราทุกคนกับเธอก็มีเลือดเนื้อและชีวิตวิญญาณอย่างเดียวกัน แม้ว่าจะต่างพันต่างภาษาเรารู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเธอและพวกของเธอในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือที่เต็มใจที่สุดสักวันหนึ่งถ้าไม่ตายจากกันซะ ก, ก่อนเธออาจช่วยเหลือพวกเราบ้างก็ได้สำหรับตัวสามเขาศัตรูของเธอน่ะหลงว่าพรานใหญ่รับพินรับปากแล้วเช่นนี้ขอวางใจได้น้อย มาเรียเอ่ยขึ้นบ้างเบาๆกับดารินวายาบอกกับเราว่าแม่ฤาษีกลทัญญาจะไม่ได้ช่วยเขาโดยตรงก็ช่วยทางอ้อมโดยการส่งพวกเราให้มาช่วยครับก็ทําไมไม่คิดเป็นมุมกลับกันมั่งละน้อยในข้อที่ว่าแม่ฤาษีกลทัญญะจะไม่ยอมให้ข่าวอะไรกับเราโดยตรงแต่ก็อาจให้ข่าวโดยทางอ้อมได้เหมือนกันจากวิธีที่ให้ลิ้นแกว่วายา เพื่อพูดภาษากระเราได้รู้เรื่องไงคำพูดของมาเรียชนิดนั้นเองทำให้ทุกคนเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้เออจริงด้วยสิมันก็น่าจะเป็นอย่างที่เมยว่านีส่สละการที่ท่านจะบอกให้ข่าวอะไรกระเราโดยตรงถือว่ามันเป็นการอาบัตผิดศีลแต่ถ้าวายาบอกก็คงไม่เป็นไรนะชัยันพูดออกมาโดยเร็วอาการของเขาดูดีมากเลยนะ เรื่องอะไรต่ออะไรก็พูดกันได้สารพัดก็ทำไมเราไม่ถามเขาในเรื่องที่เราต้องการจะรับรู้มั่งละ่ะน้อยแม่มสาวกระตุ้นเตือนมาอีกดารินหันไปจ้องหน้าวายามีอาการเหมือนจะลังเลอยู่แล้วมองมายังพี่ชายแทนคําหารืกเฉษฐาจึงกล่าวขึ้นว่าเอาละน้อยเดี๋ยวพี่จะลองถามเขาเองพร้อมกับพูด ท่านหัวหน้าคณะหย่อนกายลงนั่งบนแท่นของวายาเว้นระยะไปชั่วครู่ขณะนั้นทุกคนเงียบสงบมองจับอยู่ที่อดีตทูตทหารบกและมนุษยวานอนเป็นตาเดียวกันวายาครันแล้วเชิฐถากเร่มอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลประชากรวานอนอันเป็นบริวารของเจ้าทั้งหมดที่รวมหมู่กันอยู่ในเมืองนี้นะ่ะมีจานวนสักเท่าไหร่ นายใหญ่ถ้ารวมลูกเล็กเด็กแดงด้วยก็ประมาณพันเศทละพยาวานอนตอบคำถามอย่าง ฉ, ฉาับฉันลักษณะของพวกเจ้านะ่ยอยู่กันเป็นชุมรมเป็นเมืองผิดไปจากการเป็นอยู่ของสัตว์ฝูงทั่วไปทุกชนิดแต่ก็คลายมนุษย์เจ้าพอจะบอกได้ไหมว่าพวกเจ้าสแสวงหาอาหารทำมาหากินกันยังไง นายใหญ่ทุกวันวานอนชะกันตัวผู้จะพลัดเปลี่ยนแบ่งกำลังกันออกล่าสัตว์ตัวเมียจะลงไปเก็บพันผลไม้ยังที่ราบตื่นเนินด้านตะวันตกของเขาลูกนี้ส่วนที่เหลือจะอยู่บนที่พักเลี้ยงลูกและลูแลวานอนที่ชาราอาหารของพวกเราคือพืชผลไม้และเนื้อสัตว์ เราปกครองป่าและขุนเขาลูกนี้ทั้งหมดไม่เคยมีข้าศึกสัตรูมารบกวนเบียดเบียนเราได้นอกจากเจ้าตัวสามเขาฝ่ายมนุษย์ทุกคนสดับฟังคำบอกเล่าของวายาด้วยความประหลาดใจและสนใจยิ่งในสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองลิงปล่อยหน้าที่ให้เชษฐาเป็นฝ่ายตะล่อมถามตามลำพังโดยลักษณะชวนสนทนา นี่พวกเจ้ามีบ้านเมืองถิ่นพมนักกันอยู่บนนี้ทั้งหมดหรือมีวานอนอย่างเดียวกันนี้กระจัดกระจายอยู่ยังที่อื่นอีกบ้างไหมไม่มีวานนอนพันเดียวกับเรากระจายอยู่ยังที่อื่นใดอีกแล้วและในายใหญ่พวกเรารวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นหลักแหล่งแน่นอนแล้วก็อยู่ที่นี่มานานแล้วแต่จะนานเท่าใด วายาไม่อาจรู้ได้เพราะเป็นถิ่นเดิมของชาวนิลการก่อนที่จะเอาวายามาเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาจนจำความได้เมืองของเราอยู่บนไหลผาชันสัตว์รู้จะบุกรุกขึ้นมาไม่ได้โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเตรียมสู้หรือเตรียมหนีได้ทันตามปกติแล้วกองทหารวานอนของเราจะกระจาย หันออกบริเวณป่าเขาไปในรัศมีใกล้ๆรอบดับทั้งอาหารและตรวจตราสิ่งแปลกปลอมอันอาจเป็นภัยต่อเราได้ฐานวานอนที่กระจายกันออกไปเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในแดนดงหุบเขาบางครั้งก็ไปไกลาบางครั้งก็ไปไกลหลายๆวันถึงจะคืดถิน ถ้าเกิดเหตุเพศภัยเราก็จะถอยกลับเข้ามาตั้งหลักบนหลักบนแหล่งที่อยู่อาศนี้เรารู้ข่าวการมาของพวกท่านตั้งแต่ล่วงผ่านช่องเขาขาดและเรียบมาตามฝั่งทะเลสาบมรณะแล้วแต่ฤอษีโกนธัญะบอกกับพวกเราว่าท่านเป็นอาคันตุ ก, กะจากแดนไกล เป็นผู้มาดีไม่ได้เป็นศัตรูที่จะนำภัยมาสู้และจะเป็นผู้ช่วยชีวิตของวายาวัยในครั้งนี้นีลาจึงยกกำลังไปล้อมเชิญพวกท่านมามันไม่ได้เชิญหรอกนีลานำไปไล่ต้อนพวกเรามาตหากพวกเรามีความรู้สึกในขณะนั้นน่ะว่าได้ตกเป็นเฉลยลิงซะละด้วยความจำเป็นขีดสุด จะสู้ก็สู้ไม่ได้เพราะนีลาฉลาดมากมันขนอุปกรณ์รณยังชีพและอาวุธส่วนใหญ่ของเราขโมยมาซะก่อนชยันอดไม่ได้ที่จะสอดพูดขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะอย่างขันขันสหายปากเปราะและพวกท่านทุกคนหากว่านีลาหรือบริวารวานนอนตัวใดกระทำการอันไม่สมควรอย่างใดลงไป วายาก็ขออภัยต่อท่านไว้ที่นี่ด้วยชยันเกาหัวอย่างฉุนฉุนเพราะถูกเรียกว่าสหายปากเปราะเข้าอีกพอจะขยับปากเชษฐาก็โบกมือห้ามไว้ซะก่อนเลยต้องนิ่งไปฤาษีกลทัญญะมีความสัมพันธ์อย่างใดกับพวกเจ้าหรือเปล่าละ่ะวายาท่านไม่ได้เกี่ยวพันอย่างใดกับวายาหรือประชากรลิงทั้งหลายหรอก ท่านเป็นแต่เพียงท่อนหินอันศักดิ์สิทธิ์ผู้สงบนิ่งชั่วนิรันดร์การตั้งแต่วายาจำความได้ก็เห็นท่านนั่งนิ่งอยู่บนไหลผ่ผาแห่งนั้นมาโดยตลอดการอันยาวนานไม่ได้ไหวติงขยับขยื้อนเลยแม้แต่น้อยไม่ยอมรับการรนิบัตริรับใช้ใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าวายาได้รับความทุกข์ยาก เละระลึกถึงท่านท่านก็จะปรากฏกายลอยเด่นอยู่ตรงหน้าแผ่เมตตาและแนะนำชี้ช่องทางที่ถูกที่ควรให้บางครั้งท่านก็มาให้วายาได้เห็นในความฝันบางครั้งก็เข้ามาบอกความให้ในใจของวายาโดยไม่เห็นตัวส่วนร่างกายอันเป็นท่อนหินของท่าน ก็คงนั่งสมาธิอยู่บนหน้าผาที่เดิมผ่านไปเวลาใดก็เห็นในเวลานั้นเช่อขาแลไปยังพักพวกทุกคนที่เงียหูตั้งอกตั้งใจคอยสดับฟังคำพูดของจอมวานอนอยู่แล้วพยักหน้าช้ า, ชาเจ้าบอกว่าเจ้ารู้เห็นการมาของเรานับตั้งแต่เราผ่านช่องเขาขาด เจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเราจะบ่ายหน้าไปที่ใดและด้วยวัตถุประสงค์ใดวายาไม่รู้ที่วายารู้ว่าพวกท่านผ่านช่องเขาขาดมาก็เพราะบริวารของวายาที่ให้ออกระเวนไพรโดยรอบมองเห็นระหว่างที่วายายังไม่แน่ใจว่าพวกท่านจะผ่านมาดีหรือร้าย หรือสีโกนธัญะก็บอกแกดวงจิตของวายาว่าเหล่าท่านมาดีและจะมาช่วยวายาได้ส่วนท่านจะมุ่งไปที่ใดและด้วยจุดประสงค์ใดหรือสีท่านไม่ได้บอกวายาเอาละวายาฉันจะขอถามความให้เจ้าตอบตามแต่เจ้าจะรู้เห็นนะอาณาเขตป่าดงขุนเขาในรัศมีรอบด้าน ที่เจ้าเป็นใหญ่ปกครองอยู่นี้ไม่ว่าจะมีสิ่งใดล่วงผานเขตแดนเข้ามาย่อมจะไม่พ้นไปจากสายตาของบริวารลิงดำพวกเจ้าได้เลยนอกจากคณะมนุษย์พวกเราที่ผ่านมาในครั้งนี้แล้วเจ้าเคยเห็นมนุษย์กลุ่มใดหรือคนใดผ่านมายังเส้นทางนี้บ้างไหมว่ายาเงี่ยหูตะแคงหน้าฟังคาถามของท่านหัวหน้าคณะอย่างตั้งอกตั้งใจ เมื่อจบคำพูดของเชษฐาพยาวานอนผู้ปกครองหมู่เขานนลการก็เอี่ยวตัวเอามือล่วงเข้าไปใต้แผนน่นหนังสัตว์ที่ปูอยู่ทางด้านศีรษะล้วงเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมาชูให้เห็นในมือทุกคนตะลึงพรึงเพลิดเบิกตากว้างเมื่อมองเห็นสิ่ง น, นั้นได้ถนัดตาชะงักนิ่งกันไปหมดเหมือนถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะ สิ่งที่ถืออยู่ในมือวายาอัญชูอวดอยู่ในขณะ น, นี้คือมีดโบวีซึ่งมีใบายาวขนาดสิบสองนิ้วขมมีดทำด้วยสแตนเลสตีนกระทบแสงคบเพลิงที่ลุกสว่างอยู่บนผนังหินเป็นประกายมันปราบระพินไพรวันก้าวพรวดเข้าถึงตัวกระชากมีดเล่มนั้นจากมือของวายามาพิจารณาโดยเร็วด้วยตาอันบึกโล แล้วถามเกือบจะเป็นเสียงตะโกนว่าวายาเจ้ามีดเล่มนี้มาจากไหนวายายิ้มออกมาเป็นครั้งแรกทำให้ใบหน้าอันน่ากลัวนั้นแลดูเป็นมิดอ่อนโยนใกล้เคียงกับมนุษย์ยิ่งขึ้นหนึ่งในสองมนุษย์ชายผู้ผาเนจรผ่านมาทางดินแดนของวายานี้ให้วายาวัยเป็นที่ระลึกเหล็กคมเล่มนั้นมีค่าสำหรับวายา เนื้อกว่าหินมีคมทุกอันที่วายามีใช้อยู่วายาเก็บไว้ใกล้ตัวเสมอสำหรับแล่เนื้อพรานใหญ่ตะลึงงานไปอีกครั้งส่งมีดให้เชิฐาซึ่งอดีตท่านทูตทหารบกรีบรับไปดูด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกครางออกมาว่ามีดโบวี่ระพินนี้คุณจำได้ไหม ในวันที่คุณพบอนุชาเป็นครั้งสุดท้ายนะ่ะคุณเห็นเขามีมีดโบวี้เล่มนี้ด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้จริงๆครับเพราะไม่ทันสังเกตแต่อยากจะเชื่อถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับว่ามนุษย์ชายพเนจรสองคนตามที่วายาบอกคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณชายอนุชาและอีกคนหนึ่งคือหนานอินแน่นอนนะครับเมื่อนั้นเอง ชา ย, ยันกับดารินก็แทบจะเข้ามาเขย่าตัวถามวายาละล่ำละลักฟังไม่ได้สับวายาเล่าไปละเอียดเดี๋ยวนี้สิชายสองคนนั้นลักษณะเป็นยังไงเขาผ่านมาในถิ่นของเจ้าในสภาพไหนและขณะนี้นะ่ะเขาอยู่ที่ไหนภายหลังจากนั่งงงเพราะยังฟังคำถามไม่ชัดอยู่นั้นวายาก็พูดตอบความช้าๆด้วยสำเนียงอันห้าวก้องว่านานราวขูบปี ผ่านมาแล้วมีมนุษย์ชายสองคนเนจรนุ่มสารผ่านเข้ามาในเขตแดนของภูเขานินลกาศคนหนุ่มกำลังจะตายเพราะพิษงูส่วนคนแก่กำลังหมดแรงเพราะขาดอาหารสายตาคู่นั้นจ้องไปที่หน้าของเชษฐาแล้วยกมือขึ้นชี้คนหนุ่ม มีรูปร่างและหน้าตาเหมือนนายใหญ่ผู้นี้พี่กลางดารินตะโกนลั่นแทบช็อกเล่าต่อไปเร็วสิวายาเล่าต่อไปเชิถาแทบจะระ ง, งับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้ <c oughs> เช่นกันร้องเร่งมาพร้อมกับจับแขนพยาวานอนไว้แน่นก่อนที่ทหารลิงของวายาที่ตะเวนไพรจะออกไปพบ วายาได้นอนฝันไปก่อนแล้วฤอษีโกนทัญญะมาเข้าฝันบอกให้วายารู้ถึงการมาของมนุษย์สองคนและสั่งให้วายาไปช่วยเช้า ว, วันรุ่งขึ้นวายาออกไปกับนีลาและทหารลิงส่วนหนึ่งบ่ายหน้าไปทางด้านที่ฤอษีบอก คุณทั้งคู่กำลังจะตายเพราะบาดเจ็บและขาดนา้ำขาดอาหารเขาก็เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายขณะที่พบกับพวกเราในครั้งแรกความไม่เข้าใจเจตนาทำให้เขาพยายามที่จะต่อสู้แต่เราเข้าถึงตัวซะก่อนที่เขาจะทำร้ายพวกเราได้ เรานำเขาขึ้นมายังถ้าของวายาแห่งนี้ตลอดเวลาที่พระเจ้ากรุงขิดขินเล่าความทุกคนนิ่งฟังชนิดแทบไม่ยอมหายใจวายาเอาสมุนไพรรักษาพิษบาดแผลจากการถูกงูกัดของคนหนุ่มและให้อาหารแก่คนแก่คนหนุ่มหายจากพิษงู ในสามวันที่นอนพักส่วนคนแก่แข็งแรงเพียงชั่วระยะกินอาหารอิ่มและนอนหลับไปพักหนึ่งแล้วเขาก็เพิ่งจะรู้แน่ว่าวายากับลิงทั้งหลายที่นี่เป็นมิตรผู้ช่วยเหลือเขาเราไม่ได้เป็นศัตรูอย่างที่เขาคิดขณะที่เห็นพวกเราในครั้งแรก แปลว่าทั้งสองคนนั้นไม่ตายใช่ไหมวายาดารินถามเร็วปรือเลือดฉีดไปทั้งตัวด้วยความปิติใช่แล้วหนายหญิงทั้งสองคนไม่ตายในขณะที่พบวายาและตลอดเวลาที่เขาพักอยู่กับวายาสิบวันจนแข็งแรงดีแล้วก็ลาจากเดินมุ่งหน้าต่อไป ราชสกุลสาวยิ้มออกมาได้ทั้งน้ําตาแทบจะโผเข้ากอดจอมวานนอนไว้หันไปพูดเสียงสั่นกับทุกคนทุกคนได้ยินที่วายาพูดไหมพี่กลางกนานอินยังไม่ตายเขาเดินทางมาจนถึงที่นี่แล้ววายากระลิงพวกนี้ช่วยชีวิตไว้เพราะฉะนั้นที่ฉันช่วยชีวิตวายาและกําลังจะช่วยเขาต่อไปนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยวายาเคยมีบุญคุณช่วยพี่กลางไว้ก่อนแล้ว เอาละเอาละอย่าเพิ่งตื่นเต้นงานงกไปนักเลยน้อยพี่ชายควบคุมมารุมได้เหนือกว่าเปล่าวขึ้นมาเสียงต่ําๆพร้อมกับดึงแขนน้องสาวให้พลักห่างออกมาพลางหันไปมองหน้าวายาด้วยสายตาเป็นประกายระหว่างนั้นดารินก็ผูเข้ากอดมาเรียไว้แน่นแทบจะกระโดดโลดเต้นแปลข้อความทั้งหลายให้แม่เพื่อนสาวต่างแดนได้ทราบตามคําบอกเล่าของพยาวานอน มาเรียนนั้นเมื่อทราบความก็อุทานออกมาโอ้พระเจ้าไม่โชคดีอะไรอย่างนี้ฉันคิดแล้วไม่มีผิดว่าเขาจะต้องรู้เห็นถึงการผ่านมาของทั้งสองนั่นแนะ่ถ้าหากว่าสองคนนั้นไม่ตายลงซะก่อนมันเป็นข่าวที่วิเศษจริงๆพวกพรานทั้งหมดก็ล้วนตื่นเต้นยินดีพูดกันแซดไปหมดจนระพินต้องยกมือขึ้นปราบให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบ ปล่อยให้เชษฐาทำหน้าที่สอบถามวายาตามลำพังต่อไปนี่วายาเจ้าบอกกับเราว่าเจ้าได้รักษาให้การต้อนรับคนทั้งสองให้จนปลอดภัยและเขาได้อยู่กับพวกเจ้าเป็นเวลาสิบวันก่อนจะออกเดินทางต่อเช่นนั้นเหรอเป็นเช่นนั้นนายใหญ่แล้วก่อนจากไปคนหนุ่มที่หน้าเหมือนฉันคนนั้น ได้ให้มีดเล่มนี้ไว้แก่เจ้าอย่างนั้นเหรอวายาก้มหัวลงสยายยิ้มจนเห็นเคี้ยวโผล่แหลมใช่แล้วนายใหญ่เหล็กมีดคมที่ตัดเนื้อได้คมกว่าหินของวายาเล่มนี้เขาให้วายาไว้แล้วเจ้าติดต่อส่งภาษากับเขาทั้งสองได้รู้เรื่องอยังไงล่ะ หรือสีโกนธัญญะให้ลิ้นแก่วายาเพื่อให้พูดภาษาของเขาได้เหมือนเช่นที่ได้ให้แก่วายาเพื่อติดต่อกับท่านอยู่ในขณะ น, นี้วายาพูดกับเขาได้รู้เรื่องทุกอย่างตลอดระยะเวลาที่อยู่กับวายาที่นี่เชื้ถาสูดลมหายใจลึกตื่นตันในข่าวของน้องชายผู้สาบสูน จนไม่อาจกล่าวได้ถ <V> <oz> ูกหันมาทางจอมพรานเราจะเชื่อร0อยเปอร์เซนได้แล้วหรือยังนี่ว่าสองคนนั่นคืออนุชากันานอิกก็ท้าลงท่วายาบอกว่าคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนคุณชายก็เห็นจะไม่มีปัญหาต้องคิดอะไรอีกแล้วละมังครับแล้วพินก็ถามพยาวานอนว่าและทั้งสองคนนั่น เขามีกระบอกเสียงดังๆอย่างนี้มาด้วยหรือเปล่าละ่ะขณะที่พูดเขาชูไรเฟิลให้วายาดูพยาวานอนพยักหน้าอีกครั้งมีมะคนละดุ้นมันทำเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าหันไปทางไหนทางนั้นก็ตายใช่เลยล่ละครับปืนยังติดตัวอยู่คนละกระบอกและลูกก็คงจะยังมีพร้อมละ่ะ เขาแปลความหมายบอกไปทางนายจ้างทุกคนแล้วเจ้าพาเขาไปนมัสการกลุลธัญญาุนีบ้างหรือเปล่าลวายาระหว่างที่เขาพักอยู่กับเจ้าที่นี่เชิดฐาสอบรายละเอียดต่อไปวายาพาเขาไปพบฤสีบอกเขาด้วยว่าที่วายาไปช่วยเขาก็เพราะฤสีสั่ง เขาบอกให้วายาพาไปกราบไหว้โกนทัญญะมุนีแล้วเขาพูดคุยกับฤษียังไงบ้างล่ะเจ้าคงได้ยิงอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอชยันถามสอดมาบ้างอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกวายานิ่งไปครู่แหงหน้ามองเพดานหินเหมือนจะทบทวนความจำแล้วสายหน้าช้าวายาจำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรกับฤษี คล้ายๆเขาจะบอกกรือสีว่าเขามีจุดประสงค์อะไรและจะบ่ายหน้าไปไหนเขาอยากจะถามความอะไรท่านอีกมากมายแต่ท่านไม่ให้คำตอบอันใดนอกจากสั่งสอนและให้ผรแก่เขานี่คือสิ่งที่วายาพอรู้เห็นนี่ลองคิดดูให้ดีๆสิวายาคิดช้ชาๆก็ได้ ในวันที่ทั้งสองคนจากที่นี่ไปเขาได้พูดอะไรกับเจ้าบ้างเขาบอกเจ้าหรือไม่ล่ะว่าเขาจะมุ่งไปไหนแลนะไปเพื่ออะไรเชี่าวถามต่อไปอย่างระมัดระวังด้วยความตั้งใจที่จะให้วายาคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้หมดสิ้นเท่าที่รู้เห็นเกี่ยวกับน้องชายผู้สาบสูญ จอมว่านนนทอดสายตามองไปยังเปลวไฟที่ลุกติดใต้อันเสียบไว้กับผนังถ้ำคล้ายจะเพ่งภาพในอดีตให้ปรากฏขึ้นนายใหญ่สองคนนั้นเขานอนกับวายาอยู่ในถ้านี้ในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยแท้จริง วายาอยากจะให้เขาทั้งสองอยู่กับวายาที่นี่ตลอดไปแต่คนหนุ่มอันเป็นนายบอกกับวายาว่าเขามีภาระหน้าที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางต่อแล้วก็กล่าวขอบใจวายากับลิงทั้งหลายที่ได้ช่วยชีวิตเขาทั้งสองไว้ เขาบอกกาวายาว่าถ้าไม่ตายสักก่อนคงจะได้พบกันอีกพร้อมกันก็ชักเหล็กมีคมที่เขาแขวนติดเอวอยู่ส่งให้วายาบอกว่าเจ้าจงเก็บเหล็กมีคมเล่มนี้ไว้ใช้ประโยชน์และดูต่างหน้าเราเถิดมันคม และแข็งแกร่งกว่าหินที่เจ้าใช้อยู่มากและผู้เล่าความก็ชี้มือมายังมีดโบวี่ซึ่งขณะนี้ยังถืออยู่ในมือของเชษฐาประกอบคำบอกเล่าเล่าต่อไปสิวายาหมอดารินเตือนและบัดนี้ทุกคนนอกจากกลุ่มพรานพื้นเมืองได้พากันหย่อนกายลงนั่งบนแท่นหินของพระเจ้ากรุงขีดขินโดยรอบ วายาจำได้ว่าได้ถามเขาว่าเขาจะบ่ายหน้าไปไหนเพื่ออะไรเขาไม่ได้ตอบความวายาตรงกับที่ถามแต่กลับถามวายาว่ารู้จักเนินพระจันทร์หรือไม่ทุกคนใจเต้นแรงจ้องวายาขมิงเงียบกริบไปหมด ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจรับฟังในสิ่งที่จะหลุดมาจากปากของพยาลิีวายาบอกว่ารู้จักอย่างน้อยในชีวิตก็ได้เคยท่องเที่ยวระเวนผ่านมาแล้วสี่หรือห้าครั้งเป็นเนินราบสูงรูปร่างประหลาดสวยงามมาก แว่ล้อมไปด้วยขุนเขาทะยานเยี่ยมเมฆรอบด้านเนินพระจันท์ไม่มีพืชพันธุ์ใดขึ้นปกคลุมให้เป็นที่รกตาเลยแต่เขียวชะอุ่มนุ่มนิ่มไปด้วยหญ้าต้นเตี้ยเตีย้ยมีระดับเสมอกันตลอดทุกรดูการไม่เปลี่ยนแปลงอากาศเย็นจัดและชุ่มชำ่ำ มีหมอกบกคลุมทั้งกลางวันและกลางคืนแสงตะวันที่สาดส่องมายังภูมิประเทศเนินพระจันท์นี้จะทำให้ปรากฏเป็นสีสันและภาพนิมิตได้ต่างๆและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสุดแต่ใครจะมองเห็นเป็นภาพใดคนหนุ่มบอกว่าจะบ่ายหน้าไปที่นั่น แต่ไม่บอกว่าจะไปเพื่ออะไรขณะที่วายาเล่าความด้วยเสียงอันเนิบนาบแช่มช้ามาถึงตอนนี้ระพินไพรวันงัดลายแทงของมังมหาราราออกมาคลี่กลางทันทีสายตาจับนิ่งไปยังแผนที่ลายแทงบอกตำแหน่งเนินพระจันท์หูก็เปิดพึงเพื่อรับฟังเสียงที่จะบอกเล่าต่อไปของวายา เพื่อเปรียบเทียบกับแผน่นกับลายแทงในแผ่นหนังนั้นส่วนชายันก็ส ก, กิดเชิฐาให้ดำเนินการกระตุนต้นเตือนวายาให้พูดต่อเจ้าไม่ได้ห้ามปรามทัดทานเขาหรอกเหรอวายาไม่ได้ยินดังนั้นเจ้าและเขาได้พูดกันต่อไปยังไงบ้างละ่ะวายาละสายตาจากเปลวไฟบนปลายใต้มาจับที่เชิฐา นายใหญ่วายาไม่ได้ห้ามปรามหรือทัดทานเขาหรอกเพราะรู้ว่าถึงห้ามเขาก็จะไม่ฟังเสียงอีกประการหนึ่งหนทางจากเขานินหลักการไป ย, ยังเนินพระจันทร์นั้นเป็นหนทางซึ่งไม่มีพยันตรายใดๆมากหนะักผิดกับที่เขาทั้งคู่ได้ผ่านพระจนภัยกันมาแล้ว หนทางเดินเป็นที่ราบสูงและราบตำ่ำไต่ขึ้นสูงไปเป็นลำดับอาจมีก็แต่เพียงการหลงทางและขาดอาหารเท่านั้นแต่วายาก็รู้ว่าทั้งสองเป็นนักเดินทางที่แม่นยำต่อจุดหมายที่สุดถ้าวายาจัดหาสเสบียงอาหารให้เขาไปและช่วยชีย้บอกทิศ กำหนดเส้นทางและบอกลักษณะภูมิประเทศทางผ่านให้เขาก็น่าที่จะไปถึงได้วันรุ่งขึ้นพอตะวันฉายแสงแรกเขาทั้งสองก็จากวายาไปวายากับลิงทั้งหลายไปส่งเขาจนสุดเขตแดนของเขานินลักการและเฝ้ามองเขาเดินจากไปอย่างชา้า จนกระทั่งลับตาไปในเหลี่ยมโค้งของที่ราบสูงจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วายาและลิงทุกตัวที่นี่ไม่เคยพบหรือได้ข่าวเขาทั้งสองอีกเลยความเงียบปกคลุมบริเวณชนิดที่ถ้าเป็นเข็มตกก็คงจะได้ยิน คงมีแต่เสียงเปลวไฟที่ลุกวูบวาบอยู่บนปลายใต้เท่านั้นจากวันนั้นจนกระทั่งวันนี้วายาและลิงทุกตัวที่นี่ไม่พบเห็นหรือได้ข่าวของเขาทั้งสองอีกเลยคำพูดประโยคหลังสุดของพยาวานอนเย็นวูบวาบมิวเข้าไปกลางใจของทุกคนด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูก วายาครั้นแล้วพรานใหญ่ก็ทำลายสภาพอันเงียบงันขึ้นเจ้าบอกว่าเจ้ารู้จักเนินพระจันทร์และเคยผ่านมาแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าระยะทางห่างจากที่นี่ไปประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเดิอนอย่างวายาและลิงทุกตัวที่นี่ก็ประมาณห้าวันถึง แค่มนุษย์อย่างพวกท่านวายาไม่รู้ได้ว่าจะใช้เวลานานสักเท่าใดวายาเดินหนึ่งวันอาจเท่ากับพวกท่านเดินสองวันก็ได้ในเช้าวันออกเดินทางทั้งสองเป็นยังไงบ้างละ่ะเขาแข็งแรงดีหรือเปล่าดารินถามขึ้นมาบ้างน้ำเสียงเริ่มแหบเครือลง ทั้งสองแข็งแรงสดชื่นดีในหวันออกเดินทางนายหญิงแลีว้วแก้วให้สเสบียงติดตัวเข้าไปกะว่าใช้ได้นานสักเท่าไหร่ละ่ะชยันฐานหมุดแววเล่นสนุกหรือขึ้นกระนองของอารมณ์นอกจากความเคร่งขรึมจริงจังว่ายาอยากให้เขานำติดตัวไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะขนไปได้ แต่ทั้งสองคนก็เอาไปเพียงกะใช้ได้เพียงสามวันเท่านั้นเขาบอกว่ายาว่าไม่ต้องการแบกไปให้หนักแล้วมั่นใจว่าจะแสวงหาเอาได้ระหว่างทางแล้วเจ้าก็ไม่ได้ข่าวคราวใดๆจากเขาอีกเลยอย่างนั้นเหรอเชษถาถามย้ำอย่างไม่แน่ใจวายาสันหน้าใช่แล้วนายใหญ่ เขาทั้งสองจากไปเหมือนสายน้ำที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยไม่มีวันหวนกลับทุกวันนี้วายายังเฝ้ารอรอเพื่อว่าจะได้เห็นเขากลับมาสักวันหนึ่งแต่พยาวานอนปล่อยคำพูดให้ขาดระยะและใช้อาการสายหน้าไปมาแทน ราพินเม้มริมฝีปากแน่นความจริงระยะจากที่นี่กะเนินพระจันท์ก็ไม่ห่างไกลกันนักนะจะบอกว่าอย่างเจ้าน่ะเดินห้าวันเขาเดินก็อาจจะประมาณสักสิบวันถ้าเกิดอันตรายใดๆขึ้นกับเขาเจ้าก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรือถ้าวายยาส่งกองทหารสอดแนมตามหลังเขาไปด้วย วายาก็จะรู้ได้แต่วายาก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาจึงปล่อยให้เขาเดินไปโดยอิสระครั้นล่วงนานต่อมาก็ไม่เคยได้ข่าวจากเขาอีกเลยและเจ้าคิดยังไงได้เกิดอันตรายใดๆแก่เขาทั้งคู่หรือไม่เท่าที่เขาหายไปโดยที่เจ้าก็ไม่เคยได้ข่าวเช่นนี้นะเจ้าคิดยังไง วายาไม่เคยมีความคิดใดๆในเรื่องนี้ทั้งสิน้นเขาไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากับวายาไว้ว่าจะต้องย้อนกลับมาที่เขานิหลักการอีกเขาอาจไปถึงเนินพระจันท์และเดินทางต่อไปไหนอีกซึ่งไม่มีใครรู้ได้นอกจากฤาษีโกนธัญญาหรือเทพเจ้าเบื้องบนเท่านั้น วายาไม่เคยถามฤสีว่าเขาเลยไปที่ใดอีกหรือไม่และขณะนี้อยู่ที่ใดและฤสีก็ไม่เคยบอกสิ่งใดๆแก่วายาอีกในเรื่องนี้วายาพูดซื่อแหลังจากวันที่เขาได้จากไปแล้วนะเจ้าได้เคยผ่านไปที่เนนพระจันทร์อีกบ้างไหมไม่เคยเลย นายใหญ่เนินพระจันทร์น่ะอยู่ในรัศมีที่ไกลกว่าที่วายาและบริวารจะลาดระเวนไปถึงโดยไม่จำป็นเมื่อแรกที่วายานอนเจ็บอยู่บนแท่นนี้และลืมตาแลเห็นหนายใหญ่ยืนอยู่ใกล้ๆวายาคิดว่าเป็นเขาผู้นั้นกลับคืนมาแต่เมื่อเพ่งไป ก็รู้ว่าไม่ใช่เขาเพียงแต่ลักษณะคล้ายคลึงกันบ้างเท่านั้นจอมพรานกับคณะนายจ้างหันมามองหน้ากันเองอีกครั้งและซุบซิบหารือกันเบาๆอย่างเคร่งเครียดนี่เป็นรายงานข่าวล่าชิ้นสุดท้ายและแน่นอนซึ่งเราได้รับเกี่ยวกับอนุชาและนานอิทแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปในความมืดอันลี้ลับตามเดิม นับตั้งแต่วันที่เขาจากวายาไประยะเวลามันห่างกันเป็นปีแล้วโดยที่พวกลิงที่นี่อันเป็นสถานีสุดท้ายพบเห็นเขาไม่ได้ข่าวคราวใดๆอีกเลยระพินยกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกและนิ่งงันไปตาทอดจับนิ่งอยู่กับแผนที่ลายแทงขณะที่มาเรียก็พูดมาด้วยเสียงกระซิบไพวันความจริงระยะทางจากที่นี่ไปถึงเนินพระจันร์ ก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรนักตามที่คุณว่านะทั้งสองคนนั่นน่าจะย้อนกลับมาที่นี่อีกได้ไม่ใช่เหรอถ้าเขาไม่หลงตระเวนเปิดเปิงไปที่อื่นจนหาทางกลับไม่พบหรือว่าเกิดอะไรที่เราไม่อยากจะคาดคิดขึ้นกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใ น, นเมื่อเขาก็รู้อยู่แล้วว่าชาวภูเขาในลักการนะเป็นมิตรที่ดีของเขาจอมพรานถอนใจยาวเขาไม่กล้าชำเลืองขึ้นสังเกตสีหน้าของเชษฐาฤดาริน ซึ่งรู้สึกว่าขนาดนี้กําลังจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวกัน <c oughs> มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เรากําลังขบคิดอยู่นะเมสังเกตดูตามความรู้สึกของวายาขณะที่เขาเล่าให้เราฟังนี่ก็รู้ว่าเขาไม่คิดว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคนทั้งสองนั้นทั้งสิ้นเพราะเชื่อว่าหนทางเดินจากที่นี่ไปยังเนินพระจันทร์มันก็ไม่ได้เสียงอันตรายใดๆมากนะัก แล้วก็ไม่ได้ไปส่งจนถึงที่และไม่ได้ติดตามข่าวด้วยเพียงแต่ส่งให้แค่สุดปลายแดนที่ครอบครองเท่านั้นเดี๋ยวขอให้ผมได้สอบถามอะไรวายาอีกสักหน่อยกล่าวจบเขาก็หันไปทางจอมวานน์ผู้เปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่ความลี้ลับทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลสาบสูญทั้งคู่วายาเจ้าเพียงแต่ชี้เส้นทางให้แกเขาเท่านั้นเองเหรอ เขาได้ขอร้องให้พวกเจ้าเดินนำทางไปส่งจนถึงเนินพระจันทร์ด้วยหรือไม่ผู้กองวายาถามเขาว่าต้องการให้วายาหรือสัตว์ตัวใดนำไปส่งให้จนถึงที่หรือไม่เขาบอกว่าไม่ต้องการจะทำให้วายาหรือลิงตัวใดต้องเดือดร้อนยุ่งยากไปด้วยเขาพอจะเดินไปเองได้ตามลาพัง ทั้งสองคนน่ะเป็นคนกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่มากมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ผ่านแดนเข้ามาจนถึงถิ่นของวายาได้เป็นอันขาดตลอดชีวิตหกสิบปีของเจ้าที่ครอบครองอาณาจากักรนี้ยังจะได้เห็นมนุษย์ใดผ่านมาด้านนี้บ้างหรือไม่นอกเหนือจากสองคนและพวกเราที่มากันในครั้งนี้วายาสั่นหัวโดยเร็ว วายาไม่เคยเห็นมนุษย์อื่นใดอีกทั้งสิ้นนอกจากสัตว์และวายาก็ไม่เคยพบเห็นมนุษย์ที่มีรูปร่างเหมือนพวกท่านนอกเหนือไปจากรูสีโกนทัญะผู้นี่เหมือนท่อนหินวายาลองพยายามคิดอีกสักครั้งสิจะพอจะจำได้หรือไม่ว่าขณะที่เขาเดินทางจากไปนั้นจากนั้นเป็นวันใดของฤดูใด เดือนใดมืดหรือเดือนสว่างพระเจ้ากุงขีดขินเมืองลิงแหงหน้ามองเพดานคงจะเป็นคืนเดือนมืดละพรานใหญ่เพราะเขาจากไปแล้วสี่ห้าวันวายาจึงมองเห็นเดือนเสี้ยวบนท้องฟ้าระพินมองแวบไปทางเชิฐถาท่านหัวหน้าคณะก็สะดุดเข้ากับความคิด รีบถามต่อมาโดยเร็วแล้วเขาบอกเจ้าบ้างหรือเปล่าล่ะว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปถึงเนินพระจันทร์ตามกำหนดระยะเวลาที่พระจันทร์เสี้ยวลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่ได้บอกวายาเช่นนั้นแต่เขาเร่งที่จะออกเดินทางภายหลังเมื่อบาดแผลหายสนิทและแข็งแรงดีแล้ววายาให้เขาอยู่ต่อไปอีกสัญยกระยะหนึ่ง เขาก็ไม่ยอมเอถ้างั้นก็เข้าข้าวและนรพินอนุชากระเชิดถามาถึงที่นี่ในระยะใกล้เคียงกับเราเมื่อปีก่อนนี่แหละคือเรารปลายเดือนตุลาคมแล้วก็เร่งออกเดินทางไปเพื่อหวังจะให้ถึงเนินพระจันทร์ในคืนขึ้นห้าค่ำเดือนพฤศจิกายนมันแน่ชัดทีเดียวว่าทั้งสองคนน่าจะต้องรู้รหัสในลายแทงตรงกับที่เรารู้มาเหมือนกัน ปัญหาก็คือทั้งสองคนไปถึงทันเวลาหรือไม่เท่านั้นก็คงไม่ทันแน่นะใช่ยันว่าสีหน้าเต็มไปได้วยความกังวลวา ย, ยาก็บอกกับเราอยู่หยกยกนี่เองนะว่าอนุชากนานอินจากไปได้ราวสี่ห้าวันจึงเห็นพระจันทร์เสี้ยวขึ้นบนท้องฟ้าก็ระยะเวลาเพียงสี่ห้าวันสองคนนั่นจะเดินไปถึงเนินพระจันทนระ์เห ก็แล้วถ้าทั้งสองคนนั่นไปไม่ทันวันขึ้นห้าค่ำเดือนพฤศจิกายนที่เนินพระจันทร์นั่นก็น่าจะแปลว่าหมดหวังที่จะหาทางตัดขึ้นเทือกเขาพระสิวันแน่ๆไม่ใช่เลยมารีสอดโผล่มาบ้างมองไปยังทุกคนเหมือนจะให้ช่วยคิดก็คงจะไม่ทันพรานใหญ่พึมพำรรแผ่วเบาก็แล้วถ้าไม่ทันและหาทางขึ้นไม่พบ ทั้งสองก็น่าจะรู้รหัสดีอยู่แล้วนี่วะ่ะจะต้องรอจนกว่าจะขึ้นหคาข้าเดือนพฤศจิกายนที่จะเวียนมาถึงอีกครั้งในรอบปีต่อไปก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต้องเสียเวลารอคอยอยู่ที่เนินพระจันทร์เพื่อรอเวลาอีกปีเต็มๆก็แล้วทำไมเขาถึงไม่ย้อนกลับมาที่เมืองของวาานี่ล่ะต่างคนต่างนิ่งเงีย ท่นใดนั้นเสียงอันกังวานแจ่มใสของใครคนหนึ่งในกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ยืนออกันอยู่ก็ดังมาว่าแง่ทายขออนุญาตพูดครับผมทุกคนหันกลับไปเป็นตาเดียวอ่ะพูดไปสิแ ง, ง่ า, ายไม่ว่าใคอยากจะพูดอะไรพูดไปเลยเชิดถากระดารินกล่าวอนุญาตพร้อมกันจอมพเนจรชำเลืองไปทางพรานใหญ่เหมือนจะขออนุญาตจากเขาเสซก่อน รภพินก็พยักหน้าว่ามาฉันก็ต้องการจะฟังอยู่เหมือนกันทั้งสองคนนั่นอาจเดินไปไม่ทันถึงตามกำหนดเวลาที่ปริศนาลายแทงระบุคือเลยจากวันขึ้นห้าค่ำเดือนพฤศจิกายนไปแล้วแล้วก็หาทางขึ้นไม่พบแต่อะไรจะมาเป็นหลักประกันทาให้เราทั้งเราคิดว่าทั้งสองจะต้องยึดถือมัน่นตามปริศนาลายแทง จนถึงกับว่าเมื่อคลาดเคลื่อนจากเวลานี้ไปก็ทำให้ต้องหันหลังกลับเขาทั้งคู่อาจจะบกบันฟันฝ่ามาจนถึงบรรลุถึงปลายทางและจะยอมเสียโอกาสนี้จนถึงก็ยอมถอยกลับทีเดียวเหรอครับเชษฐารีตาฟังคำพูดของแง่สายอย่างตั้งใจอืมน่าคิดแล้วยังไงต่อไปแง่ายคิดว่านะครับ เขาอาจหาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะโดยไม่คำนึงถึงปริศนาในลายแทงก็ได้เป็นการค้นหาทางขึ้นเองโดยอิสระอาจจะผ่านเข้ามรกตนครไปแล้วหรืออาจหลงวนเวียนหาทางออกไม่ได้อยู่ในเทือกเขาพระศิวะอันกว้างใหญ่ซับซ้อนอย่างใดอย่างหนึง่งมันก็อาจเป็นไปได้อย่างที่แง่ทรายว่านะคะพี่ใหญ่ดารินพูด พี่กลางขระนันอินลงได้ไปถึงที่นั่นแล้วถึงแม้จะไม่ตรงกับกําหนดเวลาก็คงจะไม่ยอมกลับแน่นอกจากจะพยายามเพียรหาทางขึ้นไปให้ได้ถึงเราก็เหมือนกันแล้วหล่อนก็แลบไปยังองค์ครรภ์พิเศษไงาสายนี่เธอมีเจตนาที่จะพูดให้เราเข้าใจว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่และเราควรจะตามพบใช่ไหม นายหญิงครับแง่สายแน่ใจว่าทั้งสองจะต้องมีชีวิตอยู่และจะต้องถูกค้นพบครับนายหญิงแงาสายตอบอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงโดยไม่สนใจกับสายตาของรพินไพรวันที่จ้องเขมิงมาพรานใหญ่ขยับปากแต่ก็ยังยับยั้งเสียเพียงนั้นมันไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เขาจะพูดอะไรกับแ ง, ง่สายในเรื่องขัดแย้งข้อนี้ต่อหน้าเจ้านายทุกคน เพราะถึงยังไงประโยชค์คำพูดของแง่รายไม่ว่าจะมีเจตนาอะไรที่ซ่อนเร้นแฝงไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ฟังแล้วมันก็ยังเป็นมงคลหูเป็นความหวังของคณะนายจ้างทุกคนเพราะถึงยังไงก็คงไม่มีใครอยากจะได้ยินว่าบุคคลสาบสูนทั้งคู่หาชีวิตไม่แล้วแง่สายจะมีเหตุผลอะไรอีกบ้างไหมที่กล้ารับรองถึงขนาดนี้ ชัยยันถามเสียงต่ำๆมีครับนายทหารจอมพเนจรผู้ลึกลับตอบด้วยน้ำเสียงอาดองค์มีกังวาลจากข้าวหน้าตายด้านซึ่งไม่อาจส่อความรู้สึกชนิดให้ใครจับได้แงซายมองโชคชะตาของนายชดประชากรและหนานอินในแง่ดีมาตลอดนะครับไม่เคยคิดเลยว่าเขาทั้งสองจะต้องตายแงสายเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าแม้ขณะนี้ เขาก็ยังมีชีวิตอยู่การเดินทางค้นหาในครั้งนี้จะต้องไม่ล้มเหลวแน่นอนเราเริ่มจับขาเงื่อนและสืบสวนการเดินทางของเขามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนับตั้งแต่ผู้กองระพินพบกับเขาที่โป่งกระทิและเรื่อยมาเป็นลำดับจนกระทั่งได้ทราบรายงานข่าวครั้งล่าสุดจากวายาในขณะนี้จุดหมายปลายทางที่เราติดตามเข้ามาก็เหลือเพียงระยะทางช่วงสุดท้ายนี้เท่านั้น คือระหว่างเขานิลาการและเนินพระจันเป็นช่วงสั้นที่กระชั้นชิดที่สุดแล้วตลอดเส้นทางมหาวิบากลำยาวไกลที่เราแกะรอยมาตลอดทุกป่าเขาลำนาไพรตลอดเส้นทางกว่าครึ่งค่อนเต็มไปด้วยพยันตรายร้ายแรงสารพัชนิดเราก็พบแล้วว่าทั้งสองดำรงชีวิตรอดบุกบันฟันฟ่าผ่านมาได้จนถึงภูเขานิลาการแห่งนี้ เมื่อคนทั้งคู่มีความสามารถฝ่าชีวิตรอดมาจนถึงเกือบสุดปลายทางแล้วเช่นนี้ทำไมล่ะครับทำไมเขาจึงจะต้องมาพลาดทางเสียชีวิตลงเสียกับเพียงแค่ระยะทางช่วงสั้นๆซึ่งมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ยากแค้นกันดานใดๆอีกแล้วนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งขอให้คณะเจ้านายทุกคนรวมทั้งผู้กองรพินด้วยได้ระลึกถึงความจริงข้อนี้ว่า แม้ดวงชะตาของทั้งสองจะถึงจุดดับเขาก็ควรจะดับลงซะแล้วในเขตแดนภูเขาในหลักการ น, นี้เองนายชดถูกงูกัดกำลังจะตายนั้นอินหมดแรงและขาดอาหารแต่ว่ายากระลิงพวกนี้ได้ไปช่วยเหลือไว้ไปช่วยโดยการเข้าดนใจของฤาษีโกนธัญะผู้มองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตการช่วยเหลือของวายา ก็คือการช่วยเหลือปัดเป่าของฤาษีองค์นั้นนั่นเองบุคคลทั้งสองย่อมมีบุญว่าศสนาที่สุดแล้วในการที่ได้มาพบกับฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนพบกับอรหันต์มาโปรดก็เม่เป็นเช่นนี้แล้วควรนะครับที่เขาจะประสบกับการหายนะแห่งชีวิตลางดีสำหรับเขาก็คือการพบผู้ทรงศีลพิสุทธิ์ซ้ำยังช่วยชุบชีวิตให้รอดถึงพวกเราทั้งหมดนี่ก็เช่นเดียวกันละครับ คณะนายจ้างทุกคนหันมาแลตากันและใช้ความคิดใคร่ครวญหนักตามเหตุผลที่แงสายพูดซึ่งก็เริ่มคล้อยตามและมองเห็นจริงตามคำพูดนั้นขึ้นมาทุกทีส่วนพรานรพินไพรวันบอกกับตนเองว่าเจ้าคนใช้บรรดาศัตว์ของคณะเดินทางมีวาทศิลเยี่ยมยอดที่สุดและเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะกล้าขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นต่อหน้าบุคคลเหล่านี้ แย่งหรือขัดงาแงสายเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นมีแต่ผลเสียหายสําหรับตนเองจึงได้แต่นั่งจังงางมองหน้าเจ้าคู่ปรับอึ้งอยู่แงสายปลายหางตามาทางเข้านิดนึงอย่างยากที่จะตีความหมายแต่รพินดูเหมือนจะเห็นรอยยิ้มนิดนิดอยู่ในแววตาคู่นั้นประหนึ่งจะเชิญชวนท้าทายว่าท่านนายจะขัดแย้งโต้เถียงกับฉันเพื่อ้บุคคลเหล่านี้เห็นว่าฉันกล่าวเท็ ก็เชิญได้ตามสบายขอบใจมากนะแง่ทายที่แกพูดให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนแต่ฉันก็รู้ว่ายามใดก็ตามที่พวกเราเริ่มลังเลและมีแนวโน้มเอียงว่าจะเดินทางกลับเมื่อนั้นแกจะต้องกระตุ้นให้เดินหน้าคนพูดแช่มชาชัดเจนระคนไปกับอาการหัวเราะอย่างอารมณ์ดีและสอให้เห็นถึงการเท่าทันไม่ใช่ระพิน หากแต่เป็นเชิฐาหัวหน้าคณนะผู้ชาญฉลาดแต่ถึงอย่างไรก็น่าจะเชื่อตามเหตุผลของแง่ายมากทีเดียวนะครับพี่ใหญ่ดารินเอ่ยเสียงใสขึ้นสีหน้าเริ่มส่อถึงความหวังขึ้นอีกครั้งหรือพวกเราคนอื่นๆเห็นเป็นยังไงประโยคหลังหล่อนขอความเห็นไปยังบรรดาพักพวกทุกคนที่ยังนิ่งอยู่ไอเสือนี่เข้าใจพูดให้พวกเรามีความหวังอันแจ่มใสต่อไปอีก และเราก็มองไม่เห็นเหตุผลด้วยวะ่ะทำไมถึงจะต้องแย้งกันมันในเรื่องนี้ชัยยันว่าส่วนมาเรียยิ้มมองไปทางจอมพเนจรด้วยสายตาเป็นประกายวาววามประหลาดบุคคลผู้นี้สแสดงคุณลักษณะอันแท้จริงที่ซ่อนเร้นของเขาออกมาให้พวกเราได้เห็นแจ่มชัดทีละน้อยเป็นลำดับโดยที่ตัวเขาเองก็อาจไม่ทันรู้ตัวสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ฉันมีสิ่งที่จะบอกให้พวกเราทุกคนได้รู้เกี่ยวกับคนใช้บรรดาศัตว์ของเราคนนี้คำพูดเป็นไนยะปริศนาของมาเรียที่ทิ้งไว้ท้ายประโยคนั้นทำให้ทั้งหมดบังเกิดความชง่นจ้องหน้าแงายซึ่งยังยืนสีหน้าสงบตายด้านอยู่แล้วหันไปจ้องมาเรียเม่ที่เธอหมายความว่ายังไงที่พูดว่ามีสิ่งที่จะบอกให้รู้เกี่ยวกับแงใานะ่ย มาเรียหัวเราะเสียงใสแล้วยักไหลให้ถึงเวลาซะก่อนสิสำหรับขณะ น, นี้อย่าเพิ่งสนใจอะไรเลยเอาเป็นว่าเรามาพูดกันถึงปัญหาติดพัน์นี่ก่อนดีกว่าพัยวันของเราสงบเฉยสงบท่าทีอยู่ตลอดเวลาเขากลัวจะพลาดท่าเสียทีอะไรแง้ายหรือมะ้ถ้าหากจะประิกปากอะไรให้เราฟังก็ปรโลกหลังอีกเช่นเคย ที่มาเรียนเน็บประชดเสียดสีไปทางพรานใหญ่จอมพรานขยับตัวอย่างอึดอัดก็แงซ า, ายพูดในสิ่งที่เป็นมงคลต่อหูและจิตใจของพวกเราทุกคนดีอยู่แล้วพวกเราในที่นี้ทุกคนไม่อยากจะคิดหรอกว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆกับคนที่สาบสูญคู่นั้นและเราก็ต้องออกติดตามเขาต่อไปเช่นนั้นไม่ใช่หรอครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักอย่างในเรื่องนี้นี่ เขาพูดอย่างเริ่มจงหงุดหงิดแต่พยายามจะระงับไว้ระพินสอบดูในลายแทงแล้วไม่ใช่เหรอเส้นทางระหว่างเขาในลักการและเนินพระจันทร์ในลายแทงนั่นมันมีอะไรค้านกับที่วายาบอกเราหรือเปล่าไรเคียงกันหมดทุกอย่างนะครับคุณชายเชิฐถาหันมาทางวายาอีกครั้งวางมือลงบนไหลอันรุงรังไปด้วยขนนั้น พร้อมกับยื่นมีดโบวีส่งคืนให้เก็บสิ่งอันไป็ที่เตือนระลึกซึ่งเจ้าได้รับจากชายผู้นั้นไว้เถอะวายาและขอขอบใจเจ้ามากที่ครั้งหนึ่งเจ้าได้ให้ความเอือ้อเฟื้อเกื้อหนุนแก่คนคู่นั้นเป็นอย่างดีพวกเราทุกคนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสช่วยชีวิตเจ้าในครั้งนี้เป็นการทดแทนให้แก่ทั้งสองคนของฝ่ายเราที่เจ้าได้เคยมีบุญคุณไว้ก่อน วายารับมีดไปซ่อนไว้ใต้แผ่นหนังตามเดิมและมองหน้าเช่ฐานนิ่งไปครู่จึงเป็นฝ่ายถามขึ้นเป็นประโยคแรกพวกท่านเป็นฝ่ายถามวายามามากแล้วและวายาก็ตอบโดยสุจริตทุกข้อเท่าที่รู้เห็นบัดนี้วายาอยากจะถามท่านบ้างเราท่านเกี่ยวข้องอย่างใดกับชายสองคนที่วายาเคยเป็นมิตรมาก่อนและท่านกำลังจะไปที่ใด ด้วยวัตถุประสงค์ใดวายาชายคนที่ให้เหล็กมีคมเล่มนี้แก่เจ้านะ่ะเป็นน้องชายของฉันและเป็นพี่ชายของนายหญิงผู้นี้ท่านหัวหน้าคณะตอบขณะที่ฝืนยิ้มให้จอมวานอนเขาหนีจากเรามายังแดนอันลี้ลับห่างไกลาจากถิ่นเดิมของเราส่วนพวกเราก็กำลังบ่ายหน้าติดตามเขาเพื่อเอาตัวเขากลับไปยังถิ่นเดิมของเราด้วยความรักและเป็นห่วง ดังนั้นเราจึงสอบถามข่าวคราวของเขาจากเจ้าและเจ้าก็ได้ให้ประโยชน์ทางด้านข่าวแก่เรามากเราได้พยายามสอบถามเรื่องนี้กับฤาษีกุลธัญญาแล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกอะไรแกเราทั้งสิ้นวายาพยักหน้าอย่างเข้าใจในายใหญ่ถ้าเช่นนั้นพวกท่านก็ต้องเร่งออกเดินทางแกะรอยตามหลังเขาไป เขามุ่งไปที่เนินพระจันแน่เท่าที่วายารู้แต่ระยะเวลาที่พวกท่านติดตามนั้นมันห่างไกลกันเหลือเกินกับที่เขาได้จากที่นี่ไปป่านนี้ไม่รู้แน่ว่าเขาอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรสำหรับฤาษีโกนธัญญท่นทันจะได้พยายามถามสิ่งใดเลยฤาษีจะไม่บอกอดีตปัจจุบันหรืออนาคต แก่ผู้ใดทั้งสิ้นเราทั้งหมดกำลังจะตามเข้าไปแล้วล่ะวายาแต่ต้องภายหลังจากจัดการปราบตัวสามเขาให้พวกเจ้าเสร็จเรียบร้อยซะก่อนดารินกล่าวตัดบทขึ้นเมื่อเห็นสมควรก่เวลาที่ทุกคนรบกวนคนค่ข้ของหล่อนมานานพอแล้วก็สะกิดแขนพี่ชายและพยักหน้าเป็นสัญญาณกับพักพวกทุกคนให้ถอยห่างออกมาวายา เธอจงนอนพักผ่อนสเิเธนะพวกเราก็จะพักเช่นเดียวกันเพราะเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งวันแล้วเราจะสนทนากันใหม่เมื่อตะวันขึ้นพรุ่งนี้จอมวานอนท่อตามองไปยังดารินด้วยประกายสำนึกคุณลึกซึง้งแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงอย่างอ่อนเพลียอิดโรยทุกคนก็เคลื่อนห่างจากแท่นของพระเจ้ากรุงขีดขินออกมาทั้งหมดท่ามกลางความเงียบสงด ได้ยินแต่เสียงน้ำค้างพรมอยู่ในราวพฤกทั่วไปเบื้องนอกทั้งหมดเอ็นกายลงนอนบริเวณพื้นถ้ำมุมตรงข้ามกับแท่นของวายาด้วยความรู้สึกสะดวกสบายเหมือนได้เข้ามาอาศัยนอนอยู่ในเรือนของเจ้าของบ้านผู้ให้ความเป็นกันเองอย่างที่สุดโดยไม่ต้องคอยพะวงระแวดระวังภทัยที่จะมาถึงยามราตรีเหมือนเช่นที่รอนแรมกันอยู่กลางภัยเถื่อน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 คืนนี้เห็นจะหลับยากซะละใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นลอยๆในเงามืดพร้อมกับถอนใจยาวเป็นเสียงรำพึงซะมากกว่าที่จะเจตนาพูดกับใครฉันก็เหมือนกันใครอีกคนหนึ่งตอบคำเชษฐากำลังพยายามจะข่มอารมณ์เพื่อหลับตาลงให้ได้พอได้ยินเสียงน้องสาวและเพื่อนร่วมตายพูดกันเช่นนั้นก็ผงกสีรษะขึ้น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 เขาก็น่าจะผ่านกลับมาทางนี้ได้ตั้งนานแล้วแต่นี่วายาและพวกลิงทุกตัวของที่นี่ไม่ได้วีแววข่าวคราวอะไรจากเขาเลยตั้งแต่วันที่เขาจากไปแต่ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรนักไม่ใช่หรอน้อยในการที่กลางกหนันอินจะต้องย้อนกลับมาที่เขาในรการนี้อีกไม่ว่าเขาจะได้พบความสําเร็จหรือไม่พี่ชายแย้งเบา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 เชิถากล่าวอย่างหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กรรับฤษีกลธัญะญองค์เดียวเท่านั้นถ้าท่านเพียงแต่จะเมตตาบอกความจริงแก่เราก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเชิถาขับขึ้นอย่างทอดอะไรและปรงตกมันจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละอนาคตวิถีชีวิตของมนุษย์และอื่นใดทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะมันเป็นความลี้ลับ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 ลุกขึ้นจากที่ไม่ได้ต้องมาเป็นมกคุเทศนำทางให้กับเรานี่อถ้าเช่นนั้นจะใช้วิธีนี้ได้ไหมมาเรียเสนอโดยที่ตนเองก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเหมือนกันถึงแม้ว่าวายาจะไปกับเราไม่ได้แต่บริวารทหารเอกของเขาก็มีอยู่มากมายพวกนี้ล้วนเป็นนักแกะรอยชั้นเยี่ยมเฉลียวฉลาดทั้งสิ้นอย่างน้อยก็มีนีลาอยู่อีกตัวนึงละ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 ใกล้ชิดตัวพญาของมันมากที่สุดมันคงไม่ยอมตามเราไปโดยทิ้งวายาวไว้ตามลาพังหรอกแล้วนี่เราจะปรึกษาหารือกันอยู่เพียงสี่คนเท่านั้นเหรอเนี่ยพรานใหญ่ของเรานะ่ยเขาทิ้งให้พวกเราเผชิญกับปัญหาไปตามลาพังหรือยังไงดารินพูดเปลยขึ้นลอยลอยเงียบไม่มีเสียงหรือปฏิกิริยาเคลื่อนไหวใดใดทั้งสิ้น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 มักลับไปนอนสักอะอีกสักประเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปนอนเหมือนกันขอยืนตากหมอกให้มันเย็นลงสัหน่อยเท่านั้นความจริงอากาศในถ้าพักมันก็เรียกว่าเย็นเยือกอยู่แล้วนะครับแต่ข้างนอกนี่มันกลับหนาวลงไปอีกจนตัวคุณหญิงเองก็สั่นเป็นลูกนกอยู่เดี๋ยวนี้แล้วยังจะต้องการความเย็นลงอีกสักแค่ไหนล่ะครับก็เย็นใน ห, หัวใจมันเป็นก้อนน้ําแข็งสรู้แล้วรู้รอดไงคุณหญิงครับในความรู้สึกของคุณหญิง เห็นว่าพรานรับจ้างที่ชื่อระพินไพรวันคนนี้เเอาใจใส่ต่อความทุกข์ยากของคุณหญิงหรือคณะนายจ้างน้อยไปเช่นนั้นเหรอครับเช่นในขณะ น, นี้คุณหญิงกําลังกลับรุ่มวุ่นวายใจอยู่ในเรื่องคุณชายอนุชาและผมก็ไม่ลุกขึ้นมานั่งร่วมรับฟังความทุกข์ของคุณหญิงด้วยโดยนอนใช่ย่างนั้นละมั้งนายจ้างสาวผู้สูงศักดิ์นิ่งไปครู่ก็ถอนใจเบา บางทีฉันอาจคิดฟุ้งซ่านมากและเอาแต่ใจตัวเองเกินไปก็ได้แต่บางทีคุณก็ทำเหมือนกับว่าเป็นคนใจดำจริงๆนะรพินทั้งๆ ท, ที่โดยแท้จริงฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นฉันรู้ว่าคุณไม่ได้หลับหรอกแต่แกล้งทําเป็นนอนหลับเพราะไม่อยากจะมาพูดอะไรซ้าๆ ซ, ซ, ซักๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพวกเราเพราะมันก็เหมือนกับภายเรือวนเ ว, วียนอยู่ในอ่างนั่นแหละ ก็เป็นอันว่าคุณหญิงรู้ใจอ่านผมออกปลุกโรงดีอยู่แล้วนี่ครับโดยที่ไม่ต้องให้ผมอธิบายอะไรแลฉันก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานอะไรคุณไม่ใช่เหรอเนี่ยครับแต่ภายในคุณหญิงก็คุณหงุดหงิดใจกับผมจนได้แล้วฉันจะพยายามไม่คุณไม่หงุดหงิดถึงได้ออกมายืนสงบใจอยู่คนเดียวอยู่งี่งไงล่ะแล้วคุณหญิงเคยคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างไหมล่ะครับ คิดยังไงก็คิดว่าเกิดมาเป็นระพินนี่มันแส่แสนยากไปทุกสิ่งทั้งกายทั้งใจดารินหมุนตัวกลับมาอย่างรวดเร็วโผก็มากอดเขาไวแนบแนบซุกหน้าลงกับแผ่น อ, อกพรานใหญ่ยืนนิ่งอยู่ขณะจิตก็ยกแขนทั้งสองขึ้นประทับกอดไว้แนบเช่นกัน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 เพียงแต่อ้อยอิงมองหน้าอย่างมีความหมายอยู่เช่นนั้นระพินรวบเอาร่างงามเข้ามากอดประทับกับอก อ, กอีกครั้งแล้วก้มลงจูบหนักหน่วงเหมือนจะรู้ใจว่าไปเถอะครับคุณหญิงอยาให้ผมไปส่งคุณหญิงเลยเดี๋ยวใครเห็นครับถ้าฉลหลงก็ไม่ต้องตามไม่ยุ่งยากนะอดไม่ได้ที่จะทิ้งทายไวให้สะดุ้งใจเล่นแล้วพลเดินย้อนทางเดิม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 มักจะทำให้บุรุษที่นางรักมีความกังวลอยู่กับนางเสมอตามธรรมชาตินิสัยเขาหันขวับไปเผชิญหน้าแล้วยืนนิ่งยังทาอะไรไม่ถูกแงซายเดินหน้าตายเข้ามาจนใกล้แล้วค่อยๆพยื้อยิ้มจนเห็นไรฟันกล่าวต่อมาในระหว่างที่เขายังยืนงนันอยู่ที่นั่นว่านายใหญ่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นนายหญิงกับผู้กอง ก็เลยให้งแงสายออกมาดูครับนั่นดูเหมือนจะเป็นไพ่ตายใบสำคัญที่สุดซึ่งระพินท์ไทรวันไม่อาจแสดงสิ่งใดออกมาได้เลยทั้งสิ้นแต่เจ้าความรู้สึกที่ว่าอยากจะกระทึบเจ้างแง่สายเสียเดี๋ยวนี้ในความสอดรู้สอดเห็นก็เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจตั้งใจก็ไม่ทราบได้ระหว่างที่เลียวควบมาตามเสียงพูดนั้นในครั้งแรกปายกระบอกไคเฟ่นของระพินกี้ตร ง, งแง่สายพอดีและบัดนี้ ขณะที่อดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆปลายลำกล้องที่ยังถือค้างก็จ่ออยู่ตรงคอหอยนายสายค่อยๆใช้มือปัดปลายกระบอกปืนเบนห่างตัวออกไปอย่างนุ่มนวลพร้อมกับรอยยิ้มที่กว้างออกไปอีกเป็นความจริงเหรที่ว่านายใหญ่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นฉันกับนายหญิงจึงใช้แก้วมาดูผู้กองก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับ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 ฉันก็เลยต้องตามออกมาดูก็คลับคล้ายคลับคร้าว่าจะเป็นเช่นนั้นล่ะครับในความหลับหลับตื่นตื่นของผมแล้วนายใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนไหนก็คงจะทีหลังที่ผู้กองสะกดตามนายหญิงออกมาแล้วนายใหญ่พงโงกตัวขึ้นนั่งมองไปที่นอนของนายหญิงเห็นหายไปมองไปที่นอนผู้กองก็หายไปอีกคนมองไปอีกทีหนึ่งเห็นแง่ซายนอนลืมตา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 ถาถือว่าไอ้แง้ทรายนี่นายใหญ่เขาไม่คิดหรือว่าฉันนัดน้องสาวก็ออกมาพบในที่รับตายามวิการในขณะที่พวกเขาทุกคนหลับกันหมดแล้วก็ทําไมเหรอทําไมแไมกถึงไม่บอกความจริงตามที่แกเห็นแง่ทรายตีหน้าตื่นอย่างสนิทเอ๊ะผมก็ไม่เห็นว่าผู้กองจะต้องมีเรื่องเลือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่นายหญิงหลงตาพลัดพรากไปกับผู้กองสองต่อสองหลายครั้ง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 ไปแก่แน่ส่วนท่าในนายใหญ่ถามกันจะรายงานยังไงก็ตามใจแกกับผู้กองนั่นแหละครับควรจะกลับเข้าไปะจะรายงานในายใหญ่ยังไงก็สุดแล้วแต่ผู้กองเหมือนกันส่วนผมเด็กธุรัจําเป็นเฉพาะหน้าใชแล้วลรืครับระพินขมวดคิว้วหมายความว่าอย่างไงธุระจําเป็นเฉพาะหน้าอะไรวะอา้าวก็ธุระที่ผู้กองบัญชาใช้ผมนั่นแ ห, หละครับ พร้อมกับพูดแง่ท า, ายหันไปเบื้องหลังของเขายกมือขึ้นดีดเป็นสัญญาณพอสิ้นเสียงร่างดำสนิทของทะมนต์ตัวหนึง่งก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังก้อนหินเมื่อเพ่งไประพินก็จำได้ทันทีว่ามันคือนีลาเจ้าทหารเอกเมืองกิดขินค่อยๆเดินสองขาเข้ามาหยุดเคียงข้างแง่ทา ย, ายทำเสียงอึอึในลาคอเบาๆระหว่างที่ผมออกมาตามผู้กองเน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 ผมคิดว่าอย่างช้าอีกไม่กเกินชั่วโมงนี้มันคงจะบุกทะลวงเข้ามาถึงใจกลางเมืองลีจึงเป็นโอกาสของผมละที่จะทำตามคำสั่งของผู้กองให้สิ้นสิ์ไปในคืนนี้จอมพลาตาลุกโพล่ขึ้นในทันทีนั้นแทบจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิ้นปราดเข้าไปชิดตัวนีลาร้องซักถามออกมา ท, ท, ทั้งทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีวันส่งภาษาเจรจากันได้รู้เรื่องนีลาแสดงอาการลุกลีลุกลน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 ว่าผมกำลังออกไปรับมือกับมันแล้วก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนตามสบายไม่ต้องห่วงผมครับกล่าวเพียงแค่นั้นแงาสายก็พยักหน้าเป็นสัญญาณกับธมูนใหญ่นีลาแล้วทั้งสองก็ผลักออกเดินจากไปทันทีโดยนีลาเป็นผู้นำไปอย่างรีบรุรัรพินไม่ได้แยกกลับไปยังที่พักหากแต่สาวเท้ากระชั้นชิดแง่ร า, ายเข้ามาโดยเร็วดีมากแงทาย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 นี่แงสายฉันจะชังขี้หน้าแกสักขนาดไหนแต่ฉันก็ยังไม่ต้องการให้แกตายหาฉัในตอนนี้หรอกหมอกกำลังลงจัดเหลือเกินเวลากลางคืนด้วยและลูกปืนของแกมันก็เล็กไปสำหรับไอ้สามเขาตัวนั้นน่ะแงสายสูดลมหายใจลึกยิ้มพรายเอียงหน้าเข้ามากระซิบปูกกองครับผมรู้มานานแล้วล่ะว่าปูกองรักผม ไม่มีวันหรที่จะปล่อยให้ผมเป็นอันตรายหรือรเผชิญกับภัยพิบัติใดๆตามลำพังหรอกกราบใดก็ตามที่ผู้กองยังมีลมหายใจอยู่ระพินไพรวันอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในลำค อ, อยังงุดหงิดหันไปจ้องตาเงยสายหัวเราะกังวานทุมไม่เ อ, อ่ยหรือแสดงอาการอย่างใดทั้งสิ้นก้าวตามหลังการนำของนีลาไปอย่างรวดเร็วโดยมีอีกฝ่ายนึง ที่ดานใจพระถูกทั้งยั่วทั้งแย่อยู่ตลอดเวลาติดตามหลังมาด้วยดารินวราริกจะดฝีเท้ากลับเข้ามาในถ้ำที่พักโดยไม่ีโอกาสรู้เลยว่าเมื่อหล่อนคล้อยหลังจากระพินเพื่อบ่ายหน้ากลับมานั้นเจ้าองค์ครักพิเศษของหล่อนได้ปรากฏตัวขึ้นทั้งเบื้องหลังของพรานใหญ่และทั้งคู่มีการเจรจากันเช่นไร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 เชื่อแน่ว่าจะไม่มีการรื้อฟืน้นซักซ้อมเพื่อแสวงหาความจริงออกไปดารินนะ่าไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างว่าใครลูกไม้โกหกใครไว้ด้วยเรื่องอะไรเพราะหล่อนเองก็พระจากระพินมาซะก่อนที่แง่ทรายจะปรากฏตัวขึ้นแต่ที่เห็นและรู้สึกอยู่ในขณะนี้ก็คือทุกคนพากันหลับสนิทไปหมดหล่อนกำลังจะคลานเข้าไปแท็กตัวนอนประจาที่ของตน ตามที่ตั้งใจและรับคำไว้กับเขาผู้นั้นแต่แล้วบังเอิญสายตาที่กวาาสำรวจไปรอบๆโดยอาศัยความสลัวจากเปลวไฟบนใต้าตามผนังถ้ำพลันสายตาก็แลไปพบตำแหน่งนอนของแง่ทรายว่างเปล่าราชสกุลสาวขมวดคิ้วจ้องอย่างสงสัยแง่ทรายหายไปไหนลลอนชะงนและถามตัวเองอย่างเอกใจ พยายามตรวจมองค้นหาไปรอบๆก็มองไม่เห็นวี่แววของเจ้าคนใช้พิเศษของหล่อดก่อนจะออกไปข้างนอกหล่อนยังสังเกตเห็นมันนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เดี๋ยวนี้มันอันตรธ า, านไปจากที่นอนใชแล้วพร้อมกระไรเฟิ่นประจำตัวดารินชะงักในท่าที่สุดกายลงนั่งอยู่ทางปลายเท้าของพักพวกที่นอนเรียงรายกันอยู่หันมองกลับออกไปทางปากถ้า ก็ยังไม่เห็นร่องรอยว่ารพินจะกลับเข้ามาในขณะเดียวกันหูของหล่อนก็แว่วเสียงการเคลื่อนไหวคึกคักผิดปกติขึ้นในถามกลางความเงียบสงัดของยามดึกรู้สึกว่าจะเป็นเสียงกองทหารลิงวายาที่พากันเดินหรือมิฉะนั้นก็วิ่งไปอย่างฉุกละหุกผ่านตรงบริเวณหน้าปากถ้ำและบ่ายหน้าห่างไกลออกไปทางด้านหนึ่ง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 ทั้งทงที่ตื่นอยู่เช่นขณะ น, นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหล่อนเพิ่งจะแยกมาจากระพินยกยกนี่เองการย้อนกลับไปพบเขาเสียเดี๋ยวนี้บางทีอาจทําให้รู้ทันเหตุการณ์อะไรอีกบ้างหญิงสาวตัดสินใจเด็ดขาดอีกครั้งลุกขึ้นยืนย้อนกลับออกมาทางปากถ้าแล้วสาวเท้าอย่างรวดเร็วตรงไปยังตําแหน่งที่หลอนเพิ่งจะเดินมาเมื่อยกยกด้วยความหวังว่าอาจพบพรานใหญ่เดินสวนทางมา เรมิชนั้นเขาก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่ยืนพูดอยู่กับหล่อนเมื่อครู่เงาของธโมนขนาดใหญ่หลายตัวเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วสับสนในสายหมอกระหว่างที่ไฟฉายของหล่อนสาดออกไปทำให้ต้องแปลกใจยิ่งขึ้นพวกมันเหล่านั้นสองสามตัวพอมองเห็นหล่อนก็ปรีเข้ามาห้อมล้อมทำกิริยาบุ้ยบ้ายซึ่งหลอนไม่อาจทาความเข้าใจในขนานั้นได้ รีบเดินย้อนมายังที่ระพินเคยยืนอยู่โดยมีทหารลิงเหล่านั้นตามติดมาด้วยเป็นพรวนตำแหน่งที่เคยยูนคุยกันเมื่อครู่นี้ไม่ปรากฏเงาของพราณใหญ่ซะแล้วหญิงสาวอุทานออกมาอย่างตกใจกราดไฟฉายหมุนตัวไปรอบๆระพินอนร้องเรียกออกไปด้วยเสียงค่อนข้างดังเงียบปราศจากสำเนียงขานตอบหรือเสียงอื่นใดทั้งสิ้น นอกจากเสียงร้องเบาๆในลำคอของเจ้าพวกลิงทรโมน์ทั้งหลายที่กำลังเข้าห้อมล้อมส่งภาษาใบ้ทำมือทำไม้อยู่ดารินขมวดคิ้วอย่างฉุกใจสุดขีดพยายามฉายไฟอีกครั้งแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากสายหมอกและก้อนหินที่งอกอยู่ทั่วไปในระยะใกล้ๆกดไฟฉายลงส่องดูกพื้นก็เห็นรอยเท้าของคนสองคนย่าไว้กับพื้นหินที่เปียกชุ่มน้าค้าง บ่ายหน้าไปทางด้านตะวันตกสังเกตเห็นได้ชัดโดยแยกจากรอยเท้าของเจ้าทมลเหล่านั้นเพราะพื้นเกือกเอ๊ะนี่มีรอยเท้าของแงสายด้วยสองคนไปไหนกันนี่หลอนอุทานออกมากับตัวเองอย่างมึนงงแล้วก็หันไปถามทหารลิงสองสามตัวที่กระโดดโลดเต้นทำการกระสับกระสายอยู่ตรงหน้าพวกมันทำเสียงหนักๆในลาคอ เหมือนจะบอกความอะไรสักอย่างหนึง่งระหว่างที่หลอนใส่หน้ายัางอัดอั้นปันใจเพราะส่งภาษาเจรจากันไม่รู้เรื่องนั่นเองเจ้าตัวนึงก็กระโดดเข้าฟ้าข้อมือหล่อนดื้อลากให้ออกเดินในขณะที่อีกตัวนึงก็เข้ามาผลักดันข้างหลังหลอนรู้ในทันทีว่านั่นคืออาการชักชวนเร่งให้มุ่งไปยังที่ใดที่หนึ่งอย่างรีบด่วนซึ่งแน่และมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกับการหายไปอย่างลึกลับ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 แล้วก็ออกวิ่งเหาะๆตามหลังการนำของทหารลิงชุดนั้นเลาะลัดไปตามเส้นทางระหว่างก้อนหินซึ่งมันนำล่วงหน้าไปก่อนแต่ไม่ได้ความร้อนใจเหลือที่จะกล่าวลืมแม้กระทั่งจะย้อนกลับไปปลุกพักพวกและบอกให้ทราบเจ้าลิงชุดนั้นเป็นมักคุเทศนำทางหล่อนได้อย่างดีที่สุดและแห่แหนล้อมมาเป็นขบวนตัวหนึ่งนาอยู่ข้างหน้า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 คุณหญิงหละครับใช่ระพินฉันเองรอด้วยหลอนร้องกระหืดกระหอบออกไปเร่งฝีเท้าขึ้นอีกชั่วอึดใจเดียวก็เห็นลำแสงไฟฉายส่องฟ้าสายหมอกสวนเข้ามาจากเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ปรากฏอยู่ในมูหินข้างหน้าไม่ห่างออกไปนักดารินวิ่งตรงเข้าไปทันทีที่นั่นระพินไพรวันแงาสายนีลา และพลิงอีกกลุ่มใหญ่กำลังยืนคอยอยู่แล้วเป็นกลุ่มทันทีที่หญิงสาววิ่งหอบเข้าไปถึงพรานใหญ่ก็ทลันเขามารวบต้นแขนทั้งสองไว้ร้องถามอย่างละล่ำละลักตกใจอะไรกันนี่นี่คุณหญิงยังไม่กลับเข้าไปนอนอีกแล้วครับตามผมมาทำไมบอกฉันก่อนคุณกระเงซทายกำลังจะไปไหนราชสกุลสาวพูดบนหอบเพราะออกกาลังวิ่งมาจนสุดฝีเท้า ขณะเมื่อได้ยินเสียงขานตอบของเขาตามองไปยังแง่ทายผู้ยืนสงบนิ่งอยู่ตลอดจนเจ้าพวกทหารลิงทั้งหลายซึ่งแบบ น, นี้พากันหยุดจ้องมองมาเป็นตาเดียวคุณหญิงนั่นแหละครับบอกผมมาก่อนสิว่าทำไมถึงย้อนกลับมาและทำไมถึงกล้าตามมาคนเดียวอย่างนี้นี่ไม่ได้กลับเข้าไปในที่พักหรอกหรือครับพานใหญ่กล่าวเร็วปรือกิริยาอย่างเต็มไปได้วยความตกใจ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 เสียงเาทรายก็บอกขัดจังหวะมาเรียบเรียบว่าผู้กองครับอนุญาตให้ผมล่วงหน้าไปการีลาก่อนดีกว่านะครับขืนช้าปล่อยมันท่านทางขึ้นมาแล้วจะรับมือลําบากครับแล้วโดยไม่รอฟังคำเขาว่าจะอนุญาตรหรือไม่เจ้ากระเรียงโฉมงานจอมกะล่อนก็หันไปโบกมือเป็นสัญญาณการีลาที่ยังหยุดยืนรีรี ร, ร, รอรออยู่พากันจำํำอ้าวหายรับไป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 พี่ใหญ่ก็เหมือนกันคุณหญิงแน่ใจเหรอครับก็ทำไมจะไม่แน่เล่าก็แต่เขาตื่นอยู่เขาก็ต้องถามฉันแน่นอนว่าฉันจะไปไหนนี่ฉันเห็นนอนกลนกันหมดทุกคนระหว่างที่ฉันย้อนกลับออกมาอีกครั้งอะ่ะระพินไครวันหันขวับไปทางด้านที่แงาซายเดินหายลับไปแล้วพร้อกับเม้มริมฝีปากแน่นโครงหัวดิบหายจวกแงาซายมึงนํามึงกลมกูจนได้ชัก รีเพนหลบหน้าไปเลยเขาสบดพัอยู่ในลำคอชนิดที่ดารินไม่อาจจับกระแสความได้ถนัดคุณว่าไงอ่ะพ่านใหญ่ฝืนหัวรอฮึกในลำคอเปล่าแล้วครับไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับถึงจะไม่มีพวกเราคนใดตื่นขึ้นเลยความจริงคุณหญิงก็ไม่ควรจะตามผมออกมานะครับนิวสาววิ่งตามมาไกลจนถึงนี่มันเสี่ยงเหลือเกินนะครับนี่ดีว่าตามมาถูกทาง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 จอมพรานจุปากจิกจักโครงหัวเดี้ยอยู่เช่นนั้นในที่สุดก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้อย่างถอนฉิวดาริ น, น่าตื่นงงอยู่เช่นเดิมถามต่อมาว่าแล้วนั่นไงทายนะ่ะพรวดพราดหายไปซะละคุณชายก็ไปทำอะไรล่ะก็ทำไมมันถึงจะไม่พรวดพลาดเพนหนีไปก่อนละครับคุณหญิงในเมื่อคุณหญิงมาทำให้ผมจับตอแหลของมันได้น่ะมันต้ผมจะเกือบสุก ไอ้เปรตนี่เหมือนกลลเม็ดเด็ดายสารพัดกระด๋ยวเถอะกระทื้งไปได้เจ้าพับพาดิเอ๊ะอะไรกันฉันไม่เข้าใจอ่ะดารินร้องอย่างงุนงงคุณหญิงครับโปรดทราบไว้ด้วยเถอะครับพราะคุณหญิงคล้อยหลังจากผมไปเมื่อตะกี้นี่เพียงแค่ลับตาเท่านั้นไอ้เวนนั่นก็โผล่พรวดออกมาทางข้างหลังผมไอ้เวนไหนกะไอ้เวนคนใช้พิเศษของคุณหญิงนั่นแหละ เหรอแล้วยังไงผมเป็นห่วงคุณหญิงกว่าจะเดินทางหลงกลับที่พักไม่ถูกกำลังจะออกตามไปส่งมันก็มาขัดจังหวะซะก่อนมันพูดเป็นเชิงเม้ผมตามคุณหญิงไปเสียเวลาแล้วก็พูดเชิงให้ผมรู้ซะว่ามันมาแอบยืนดูรู้เห็นการพบปะระหว่างผมกับคุณหญิงหมดแล้วผมนะ่ะกำลังจะเตะมันเพราะความเสือกระโลกไม่เข้าท่า มันก็เลยรีบบอกซะก่อนว่าคุณชายตื่นเห็นคุณหญิงหายไปก็เลยใช้มันออกมาตามผมน่ยเชื่อสนิทว่าเป็นความจริงก็เลยลืมเรื่องที่คิดจะเตะมันซะในความทะลึ่งข้อนั้นแต่ก็ปรากฏจากปากคำของคุณหญิงเดี๋ยวนี้เองว่าคุณชายหรือพวกเราคนไหนก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยไอ้แง่ทรายมันเอาชื่อคุณชายมาโกหกมาขู่ผมให้เสียวสันหลังเล่นซึ่ ง, ง, งหน้ า, างั้นแหละนี่แตาบังเอิญคุณหญิงไม่ตามมาะแล้วบอกความจริงให้ทราบ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 พอผมตามหลังคุณหญิงมามันก็ลุกขึ้นสะกดรอยซ้อนมาทันทีแล้วแอบไปซุ่มอยู่หลังก้อนหินที่เรายืนพูดกันอยู่แอบดูแอบฟังตามสันดานสอดรู้สอดเห็นของมันน่ะแหละเป็นแบบนี้มาหลายครั้งหลายขนแล้วแต่ผมไม่อยากจะบอกให้คุณหญิงทราบเองอะ่ะอันนี้จังสุขขังเอ้ยราชาสกุลสาวแทนที่จะเดือดอร้อนใจอย่างเขากลับเห็นเป็นเรื่องขบขัน หัวรอคี้จนตัวงออ๋อมีหน้าล่ะพอเห็นฉันวิ่งตามคุณมาก็เลยหลบหน้าเปิดแนบไปเลยนี่นี่คุณหญิงกลับเห็นเป็นเรื่องหน้าเอ็นดูไปงั้นเหรอสาหรับพฤติการชวนเตะของไอ้คนใช้พิเศษของคุณหญิงคนนี้รพินกระชากเสียงออกมาอย่างหงุดหงิดใช่สิฉันไม่ได้โกรธคืองหรือเห็นว่าเป็นความผิดอะไรของเขาเลยนะฉันเอ็นดูก็เสียอีก แง่ทายทำถูกแล้วก็มีหน้าที่ก็ เ, เป็นองค์คารักประจำตัวของฉันไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของฉันเขาก็ควรจะต้องสอดส่องอยู่ทุกขณะดีแล้วลที่เขาสะกดตามหลังคุณออกมาในขณะที่คุณตรงเข้ามาหาฉันว่าได้แล้วถ้าคุณคิดจะบีบค อ, อยังขึ้นมาแง่ทายก็ยังช่วยฉันได้ทันหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งสองคนอย่างน้อยก็มีแง่ทายคอยระวังคุมเชิงอยู่อีกคนหนึ่ง พราอนอื่นๆของคุณน่ะหาที่ไหนอย่างนี้ได้สักคนพอหลังแตะพื้นก็กรนคลอกกันไปหมดจ่าใสาใครเป็นหูเป็นตาบ้างไม่ได้เลยมีงแงซายอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละที่ไว้วางใจได้ในเรื่องเช่นนี้คุณหญิงเอาไว้ใจมันให้ดีไปเถะนี่แล้วคุณจะไม่ยอมบอกฉันเหรอว่าก่อนที่ฉันจะวิ่งตามคุณกับเงาซายมาเนี่ยสองคนกําลังจะไปไหนกัน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 แต่เดี๋ยวนี้วิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือปล่อยให้มันไปตายคนเดียวดีกว่าครับอะไรกันรพินทาไมคุณพูดแบบนี้อะจริงๆนะครับคุณหญิงไอ้เจ้าคนใช้ตัวดีของคุณหญิงน่ะมันต้มผมมาหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินผมน่ะออกคําสั่งกับมันไว้ก่อนแล้วไอ้เรื่องไซเซราท็อปตัวเนี้ผมใจมันดําเนินการไปคนเดียวโดยผมเองจะไม่ยุ่งด้วยเจ้าแงา่ายก็พยายามออกลูกไม้เลี้ยวรถมาหลายอย่างแล้ว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 ทั้งหลายแลยถึงได้บอกไนงะว่ามันเป็นอุบายบังคับให้ผมต้องไปกับมันทางอ้อมหาทางแก้ลัมที่ผมเคยสั่งไว้ให้มันไปทำงานคนเดียวดารินยิ้มพลายมองดูเขาด้วยดวงตาเป็นประกายนี่รพินความจริงนะคุณควรจะรักแง่าสายให้มากๆนะรักมันทำไมระพินพล่งออกมาเกิดจะเป็นเสียงตะคอกคุณเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่งคุณก็ควรจะรักคนที่เขาฉลาดและเก่งเหมือนคุณด้วยสิเพราะคนประเภทนี้นี่ยถ้าคุณพลั้งพลาดอะไรลงไปมีเขาอยู่ด้วยก็ยังช่วยเหลือแก้ไขกันได้และแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแง่ท า, ายพยายามจะ ก, กะล่อนเหนือเม่กับคุณยังไงฉันก็เห็นคุณจับลูกไม้เขาได้ทุกทีแหละอย่าถือเป็นเรื่องจริงจังขุ่นข้องใจอยู่เลยคุณยิ่งโมโหเกลี่ยวกลากกับแง่ท า, ายเท่าไหร่รู้ปะ่ะแง่ท า, ายก็ยิ่งสนุก แอบยิ้มเยาะคุณได้มากเท่านั้นมาว่ากันถึงเดี๋ยวนี้เถอะคุณจะยังไงผมจะกลับโดยปล่อยให้แง่ใจเผชิญหน้ากับตัวสามเขานะั่นตามลำพังอย่างนั้นเหรอก็วควรจะเป็นอย่างนั้นแหละสาสมกับที่มันพยายามจะลูกไม้พริกแพลงกับผมก็ได้เหมือนกันแต่ขอยรู้ลร่วงหน้านะถ้าคนของฉันเป็นอะไรลงไปฉันโทษคุณอย่างเต็มที่ ยอมพรานชะงักแล้วทำไมจะต้องโทษผมล่ะทำไมถึงไม่ให้ความยุติธรรมกับรพินบ้างก็โทษสิหล่อนเอียงคอซ่อนยิม้มภายใต้สีหน้าเคร่งจริงจังเพราะว่าคุณนะรู้เรื่องดีอยู่แล้วคุณกำลังจะไปช่วยเขาแต่แล้วก็กลับใจบอกให้เขาไปเชิญหน้ากับอันตรายตามลำพงังทั้งทั้งที่ถ้าจะช่วยได้คุณทั้งทั้งที่ทาจะช่วยคุณก็ช่วยได้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 ในที่สุดคุณหญิงก็บังคับผมให้ไปช่วยมันจนได้แหละฉันไม่ได้บังคับแต่มีเงื่อนไขให้คุณช่างใจเอาเองอย่างนี้ก็เมื่อคุณแน่ใจว่าแง่ า, ายมีฝีมือดีพอที่จะจัดการกับไอ้นั่นได้ตามลพาพังคุณก็กลับไปนอนสิปล่อยแง่้ายเดียวตามลำพังฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วคุณหญิงอ่ะฉันก็จะไปกับแง่าสาย ระพินไพยวันขยี้จมูกอย่างงุดหงิดใจเหลือที่จะกล่าวหมุนตัวกระสับกระสายอยู่ไปมาแล้วพูดมาห่วนหวงอ่ะตกลงงั้นผมจะตามมันไปแต่คุณหญิงต้องกลับที่พักดารินสันศรีสะจับแขนเขาไว้ชุดให้เดินต่อไปข้างหน้าพร้อมกับพูดว่านี่ระพินเราจะเสียเวลาโต้เถียงหรือเอาแงเอางอนอะไรกันอยู่เลยไปช่วยแงส า, ายกันเถอะ ฉันรู้หรอกว่าถ้าฉันสังเนอเงื่อนไขกับคุณแบบนี้ยังไงเสื้อคุณก็ทอดทิ้งแง่สายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะผมกลัวว่าคุณหญิงจะตามแง่สายไปด้วยอย่างที่โขู่น่ะสินั่นน่ะมันไม่สําคัญหรอกระพินถ้าคุณเชื่อว่าแง่สายจะทํางานได้สําเร็จด้วยตนเองได้แต่นี่มันก็พิสูจน์ออกมาแล้วไงว่าถึงตัวคุณเองก็ยังไม่วางใจนักว่าแง่สายจะทําได้สําเร็จ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 ทำไมถึงไม่คิดมั่งละ่ะว่าที่เขาหลอกต้อนเอาคุณไปกับเขาด้วยในงานเสี่ยงอันตรายครั้งนี้นะ่ะมันเพราะอะไรมันก็ไม่ต้องการให้ผมได้อยู่สบายเมื่อผมใชใ้มันไปลำบากมันก็เลยจะล่ากับผมไปด้วยกับ ต, ตามสัญดานที่มันไม่ยอมเสียเชิงอะไรก็แทนที่จะคิดเช่นนั้นทำไมคุณไม่คิดในแง่มุมกลับตรงข้ามมั่งเล่าคิดในแง่ดีไงแง่ดียังไง ทั้งสองโตเถียงกันไปพลางในระหว่างที่เดินตามรอยแงซ้ายไปอย่างรีบรุษอีกฝ่ายกำลังร้อนเป็นไฟทั้งๆ ท, ที่อากาศหนาวเยือกจนคางแทบสัน่น